ะจะเจริญพรสาธุชนทุกท่านที่สนใจในเรื่องธรรมะปฏิบัติวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีผู้เข้ามาถามปัญหามากก็ต้องขอบริหารเวลาหน่อยของว่อเรื่องอารัมพบุตรต่างๆเรื่องรายงานตัวอะไรทั้งสิ้นขอให้เข้าตรงประเด็นเลย ใครมีคำถามอะไรก็ถามได้เลยไม่ต้องมาเล่าไหมให้ฟังว่าทำอะไรมาบ้างไม่ทำอะไรมาบ้างเพราะเวลามันน้อยคอาวที่แล้วเวลามีคนถา ม, มคำถามเข้ามามมแต่ไม่มีเวลาที่จะตอบให้ในวันนี้ขอประหยัดเวลาหน่อยพูดแต่เรื่องเกี่ยวกับคาถามค ำ, คำถามที่อยากจะถาม เรื่องอย่างอื่นเอาไว้ที่หลังแล้วกันถ้ามี เ, มเวลาหลือก็ค่อยพูดกันคิดว่าคงจะเข้าใจนะอันนี้คุณพัฒเ์ทามาก่อนนะเชิญคุณพัดได้เลยครับคุณถัดธรรมการครับพระอาจารย์ครับมีคำถามอะไรว่ามาเลยครับก็วันสัปดาห์ที่แล้วทำไปได้ยี่สิบเอ็ดชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปนั่งที่หน้าถ้ำมานะครับแล้วก็ เวทนามันมันมามากก็ใช้แบบที่พระอาจารย์แนะนําะครับให้พุทโธพุทโธไปหายเลยครับพอมันมามากๆก็แบบรัว ๆ, ๆๆๆเลยครับก็ช่วยได้แต่ว่าเหมือนผมยังไม่ค่อยชํานาญครับพอมันมามากๆเขาก็คิดว่าเออมันชนะหลายรอบแล้วครับก็เลยยอมยอมมันบ้างอะไรนี้ครับไม่รู้ผมทําแบบนี้ถูกไหมครับเรายอมมันทําไมลเราต้องการที่จะแสดงว่าเราก็โดนมันหลอกให้เรายอมอย่างนี้ ครับสงสัยครับผมคิดว่าเออมันมันชนะหลายรอบแล้วมันครั้งแรกปล่อยยอมมันมั่งอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะไม่ยอมเลยครับก็ยอมแล้วมันมันดีแล้วนะเวลายอมมันแล้วไม่ดีครับนี่แล้วไปยอมมันทําไมคให้มันยอมเราไม่ดีกว่าครับเดี๋ยวเออครับถ้ามันไม่ก่อเหตุเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องรูวไม่ต้องพุดเธอะแต่ถ้ามันก่อเหตุมันทําให้ใจเราทุกข์เราก็ต้องเราก็ต้องหลุดมัน พอใชเ้เราสงบแล้วเขาก็หยุดได้พอใจเราสงบเราก็หยุดได้ครับเหมือนยังใช้ไม่ค่อยคล่องครับบางทีเหมือนคนรู้สึกมันต้องเหมือนพุทโธพุทโธแล้วมันแบบเรัวๆมันต้องเหมือนต้องพักหายใจแต่ความจริงมันไม่ต้องพักครับผมก็เลยพอมผมก็เลยเว้นว่างเพราเราใช้ใจแลนะเราไม่ได้ใช้ร่างกายใช่ครับใช่ครับเห <pain. S 2> มือนยัง <sail. S 2> ไม่ค่อยชํานาญครับก็อย่างนั้นครับรู้แนวแล้วว่าวิธีที่จะทำใชให้เราเน่นก็คือต้องใช้ คำบริกรรมหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึง่งเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่มันทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแลนั่นเองแค่นั้นเองอุบายง่ายๆความทุกข์เกิดจากใจเราไปคิดถึงเรื่องนั้นแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้ดัง ใ, ใจอยากมันก็ทุกข์ถ้าเราหยุดไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องนั้นความอยากก็ไม่เกิดความทุกข์ก็จะไม่เกิดครับ เราก็อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เช่นความเจ็บป่วยของร่างกายบางทีมัว่าหายบางทีมันไม่หา ย, าหายแต่ใจแต่ความเครียดในใจเราหายไปครับสําคัญตรงนี้เราต้องการให้ความเครียดความทุกข์ใจหายไปด้วยการควบคุมความคิดความอยากของใจด้วยการบริกรรมพุโทโธด้วยสวดมนต์ไปก็ได้ แล้วแต่จะถนัดชอบยังแบบไหนก็ไ้แต่อย่านั่งเฉยๆอี่ยนั่งดูเฉยๆนั่ดูเฉยๆเดีย ว, วมันคิดมันยากขึ้นมาครับครับครั บ, รบมผมทดลองว่ามันแบบปวดน้อยๆอยเงี้ยพอพูดโทรศท์แป๊บเดียวมันหายเลยครับหายหายไปเลยครับหายไปแล้วกลับมาดูลมต่อก็ได้ถือเราก็พูดโธรไปแบบสบายๆก็ได้จนกว่าจนกว่าจิตมันจะนิ่งจะสงบลง ไม่คิดปรุงแต่งอะไรแล้วเราค่อยอยุดครับนั่งนั่งนานพอเลิกแล้วกลับมาที่บ้านโอ้โหระบมเลยครับพระอาจารย์ตอนนั่ที่นั่งมันก็ไม่ปวดเท่าไหร่ครับอืมครับก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องที่มันอนิจจังไม่ไม่ได้นั่งสมาธิมันก็ปวดได้ครับก็รือ้ว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายร่างกายเป็นอ น, นิจจังมันไม่เทีย่ยมมีเจ็บมีปวน สลับกันไปเป็นธรรมดาครับ<ต><ต>ถ้า<ต>มั น, ถ, มนถ้ามันปวดเพราะเราทําสิ่งที่ดีให้กับจิตใจเราก็น่าน่ายินดีปวดเรียกกับไ่าปวดเพราะนั่งเล่นไพ่กันทั้งคืนนั่งดูหนังกันทั้งคืนครับปวดแบบนั้นมันไม่ได้ประโยชน์กับจิตใจครับอาจารย์มีอะไรให้ผมรับใช้บอกได้เลยนะครับเออไม่มีอะไรนิ่ขอบคุณ ขอให้ปฏิบัติให้มากๆก็แล้วกันตอนนี้ไม่ต้องไปรับใช้ใครรับใช้ตัวเราเองเอาใช้พระอาจารย์องค์เดียวครับคนอื่นไม่รับใช้ครับครับขออนุโมทนาครับขอให้ได้ครับสาธุครับคำถาต่อไปอาจารย์พรพิไลอาจารย์อาจารย์ค่ะคราบค่ะวันนี้อยากจะเล่นถามพระอาจารย์ค่ะว่าอะไร ค่ะว่าเออก็คุยกันเรื่องเกี่ยวกับสติทางโลกกับสติทางธรรมพราคุยกันเรื่องถึงเดินจงกรมเนี้ยใช่ไหมค ะ, ะเราก็ตามดูสติของเรานี้ก็จะก็ในสติในทางธรรมเนี่ยคือพยายามจะทําความเข้าใจทางธรรมนี้เราต้องการหยุดความคิด ไม่คิดอะไรให้รู้เฉยๆแต่ทํางโลกนี้เรามักจะทํางานทําอะไรมีสติกับงานการแล้วก็มีสติกับความคิดที่เกี่ยวข้องกับงานการเพราะฉนเราทําบัญชีเราก็ต้องมีสติอยู่กับการทําบัญชีเดี๋ยวบวกเล่นผิดผิดถูกก็ต้องมีสติอยู่กับอความความคิดของการทําบัญชีใช่ไหมแต่เราจะเราจะแบบ ดูกระดาษดูบัญชีเฉยๆแล้วไม่คิดไม่ได้ถ้าไม่คิดมันก็ทำงานไม่ได้นั่นคือสติทางโลกสติทางโลกมันให้มีสติอยู่กับความคิดที่จำเป็นจะต้องคิดไม่ให้ใจลอยมันทีคิดบัญชีแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็ทำผิดทำถูกได้ก็เลยต้องมีสติให้อยู่กับการทำบัญชีเป็นอย่างเดียวแต่มันก็ยังต้องใช้ความคิดอยู่ ทางธารนี้เราต้องการมีสติให้อยู่กับอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยที่ไม่ให้คิดอะไรหรือให้อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธมันก็จะไปคิดเรื่องอืนไม่ได้ ต, ดต่างกันนะทงการหยุดความคิดสติธรรมธรรนี่ต้องการหยุดความคิดเพราะความคิดนี่มัน่วนยามันเป็นโทษกับจิตใจมันมักจะคิดไปในทางที่เลว แล้วบางที่ทำให้จิต ใ, ใจเครียดฟุ้มซ่ามุ่นวายมีตกกังวลโกรธอะไรต่างๆอนี้เกิดจากความคิดทั้งนั้นเนี่ยเราต้องมาฝึกหันหยุดคิดมันแล้วให้มันคิดไปในทางที่ทําให้ใจไม่เครียดไม่ทุกข์ก็คือคิดไปในทางใจรักทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยมอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเรา เชนนี้แล้มันก็จะปล่อยวางและมันก็จะไม่เครียดกับอะไรแล้วแล้วแบบที่เกี่ยวกับเรื่องของการตามรู้นะคะ อ, อตามรู้เนี่ยไม่ใช่เป็นแนวทางของการปฏิบัติในเบื้องตน้นว่าเราไม่มีกําลังที่จะไ ป, ไปหยุดเวลามันคิดไปในทางที่ไม่ดีได้เราต้องมาสร้างสติตัวเบรก ความคิดให้ได้ก่อนแล้วเราถึงว่าไป เ, ปเราคอถึงว่าไปดูมันนะฮะแต่ก็ยิ่งในทางปฏิบัตินี่เราไม่ไม่ดูมันเรามีม แ, ตแต่คุมมันค่ะคุมถ้าดูก็ดูว่ามันไปในทางไหนเท่านี้ทำมันคิดไปทางกิเล น, นต้องหยุดเลยแล้วอบอกใครพูดอะไรไม่ดีหน่อยก็โกรธเขาอาฆาตปยาบาลเขาเนี้ยต้องหยุดมปแ ให้ดูแบบนั้นดูเพื่อดูเพื่อหยุดดูแบบเป็นตำรวจเป็นกรรมการดูว่าปฏิบัติตามกติกาหรือเปล่า <c oughs> พอผิดกติกาป้าก็ต้องให้ใบแดงเลยนะเพราะฉะนั้น <c oughs> นี่คือการตามดูจิตเฝ้าดูว่ามันคิดไปทางกิเลสหรือคิดไปในทางธรรมเมื่อคิดไปทางกิเลสก็ให้ใบแดงเลยใบแดงแคิด แล้วแล้วถ้าค่ะเข้าใจค่ะแล้วทีนี้ถ้าเผื่อเราเราสามารถคือหักห้ามได้หยุดได้ชุมมาก็แสดงว่าเราก็เริ่มมีกําลังใช่จะไ่ทันรู้รู้ทันรู้ทันรู้ทันกิเลสมีกำลังหยุดกิเลสได้ที่จะหยุดแบบไหนหยุดแบบชั่วครา้งชั่วคราวหรือหยุดแบบถาวรถ้าหยุดแบบชั่วคราวก็แบบว่า เพลงแต่ใช้สติพุโทโธพุโทโธหยุดมันแต่พอเราปล่อยสติเมื่อไหร่มันกลับมาได้ไหมแต่ถ้าใช้ให้มันหยุดแบบถาวรเราต้องพิจารณาไตายรักพิจารณาเห็นสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นตายรักมันเป็นทุกข์เราจะได้ไม่อยากได้เพรนี้ก็จะไม่อยากแบบถาวรแล้วเราอีกประเด็นนึงนะคะแล้ว แล้วเราตามดูแบบเกิดดับเกิดดับเนี่ยก็มันก็เกิดดับของมันอยู่แล้วมันมันต้องไปดูมันต้องดูไม่ต้องไม่ต้องดูหรอกดูว่าดูเวลามันมาสร้างความเครียดให้กับเราเนั้นั่นเราดูตัวทุกข์สั้นนะเราทำปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ถ้ามันไม่มันไม่ทําให้เกิดความทุกข์ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันะทางที่ดีอย่าให้มันเกิดดับเกิดดับดีกว่าเพราะเราไม่สติ ทำให้มันดับได้ไม่ต้องเกิดให้มันให้มันว่างทาจิตให้ว่างาให้มากที่สุดเท่าที่จะมา ก, กได้อย่างนั้นจะดีกว่าค่ะเข้าใจเลยคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะเพราะว่าติดอยู่ในใจมานานเพราะว่าเวลาคุยกัน ท, ทั้งธรรมก็จะมีเรื่องแบบนี้ซึ่งไม่สามารถเข้าใจกันได้ละเอียดถ้าดูมันกระดับกระดับมันก็ไม่ทำให้เราก้าวหน้าไปค่ะ แค่ทราบมันเกิดแล้วไม่ดับไนทำอะไรเวลาโกรธเนี้ยแล้ไม่ดับไปทําไงก็อย่ากโกรธตั้งแรกนะสิหรือถ้ามันโกรธแล้ว ต, ต้องดับมันให้ได้ใช่ไหมไม่ใช่ปล่อยให้มันระบายไปได่าคนนั้นว่าวันนี้แล้วไม่ดับไหมแล้วมาเสียใจในภายหลังว่าไม่น่าทําแล้วไม่น่าพูดเลยสิ<ต>่งเหล่านี้นคือสิ่งที่เราได้ปฏิบัติแล้วนําออกมาใช้ในทางโลก ใช่ไหมคะในในการดำเนินชีวิตใช่เรายังไม่ได้ไปถึงถึงไม่ถึงก็ตามเม่อต่จากที่เรายังต้องเกี่ยวข้องกับคนอยู่เราก็ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ของเราให้ได้ไม่ไปทำให้พูดเขาเสียหายเดือดร้อนจากอารมณ์ของเราและตัวเราเองด้วยเมื่อเราไปท้าคนอื่นเดือดร้อนเนี่ยมันก็กลับมาหาเรา ดี๋ยวในสมัยนี้ไม่มีการควบคุมอารมด่ากันไปด่ากันมาแล้วก็ขึ้นลงศาลเงนยใช่ไหมฟ้องน้องอันหมินประมาณกันอยู่เนี้ยศาลทจะรับคดีไม่ไหวนะเราะไม่มีสติสตังเนีมีอารมณ์อะไรขึ้นมาก็ระบายออกมาอย่างนี้มันง่ายสื่อใช่ไหมสดได้เลยแล้วพอมีอะไรก็สดนึ่างนี้ทีด่าให้ออกใจให้หย็น ขอบคุณมากนะจ๊โอเคนะกระจาจนะต้องคุมจิตนะดูได้แต่ดูให้ดูว่ามันไปในทิศไหนมันขับรถเน่ยเราก็ต้องดูรถใช่ค่ะแล้วมันจะวิ่งไปชนกับคันอื่นเราก็ต้องเหยียบเบรกนะมันวิ่งเร็วเกินไปเราก็ต้องชะลอมันนะอดูจิตง่ายดูดูแบบนั้นให้มันอยู่ในกรอบของความดีงามความสวยงามไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นด้วกับตัวเรเอง โอเคนะครับท่านต่อไ ป, ปคุณบริสคุณบริสมีอะไรไ้ยมีคำถามไหมบรเก่าแล้วอาจารย์ไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคขอผ่านปไปเลยนะเดี๋ายาจะถามทีหลังก็ได้ช่วงนี้ขอยทำเวลาหน่อยพ้อคราวที่แล้วถ้าทุ่มยังไม่ยังไม่จบเลย ยังต้องเอาเอาคำถามก่อนเรื่องอื้ว่าเี่ไหนนะขอบคุณสุภาพรต่อสุภาพอรอจากต่อธมายังไม่ได้เปิดใหม่ใหมยังไม่ได้เปิดคุณสุภาพรกดปุ่มอันนิวนะฮะอยู่ตรงกลางนะมีปุ่มขึ้นตรงกลางหน้า okay. จอโอเค ไม่ได้ไม่มีคำถามค่ะมารับฟังนะคะโอเคเดินไปที่ท่านต่อไปคุณพัชรีเดินคุณพัชรีอยู่ที่ไหนกับนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะไม่เคยเข้ามาในในไลฟ์ซูมนะคะแต่ว่าอยู่ที่กรทมค่ะมีคําค่ะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาอสุภะค่ะคือ เวลาจิตที่มันรวมและพุทโธดับลมหายใจเราละจากการดูลมหายใจแล้วมาดูตัวแล้วก็มาพิจารณาไปละแล้วก็พิจารณาไปถึงอสุภะเนี่ยเออเราจะต้องทำเวลาเข้าสมาธิต้องต้องพิจารณาอสุภะให้ชำนาญเลยนะคะพระอาจารย์หรือว่าก็ไม่จำเป็นก็คือแต่ละครั้งที่นั่งก็นั่ง ใช้วิปัสสนาแล้วก็ทําสมาธิแบบไม่ไม่ลึกอะค่ะเป็นอัปปนามสมาธิแไม่ถูกไม่ถ<ๆ>ูกเนอะการนั่งสมาธิเพื่อทําจิตให้เป็นสมาธิไม่ไดไ้ไม่ได้ไปนั่งเพื่อให้เกิดวิปัสสนาพยัญชนละเรื่องการนั่งเพื่อทําให้จิตนิ่งสงบเข้าฌานให้จิตเป็นอุเบกขาสักตะวารุปราศจากความรักชังตัวหลง <c oughs> ชั่วกลาวอันนี้คือ เป้หมายของการนั่งสมาธิไม่ได้ให้นั่งเพื่อที่จะไปพิจารณาสุภาพพิจารณาอะไรต่างๆนานาอันนั้นเป็นคนละขั้นตอนกันอันตอนของสมาธินี้ต้องการให้จิตนิ่งให้สงบหยุดคิดปุงแต่ไม่ใช่นั่งให้มันนิ่งแล้วก็ดึงมันมาพิจารณาอย่าก็ไม่ต้องไปนั่งให้มันนิ่งให้เสียเวลาก็พิจารณามั น, น้งแต่ตอนก่อนไม่ต้องไปนั่งสมาธิตอนนี้พิจารณ า, าได้ิรนไปซิ เห็นใครก็ดูเป็นอสุภะไปให้หมดเลยเห็นไหมเห็นคนเนี่ยที่ก็เราเห็นเนี่ยเป็นอสุภะทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมต่อไปไม่เป็นอสุภะวันนี้ก็ต้องเป็นวันพรุ่งนี้เวลาหมดลมหายใจมันก็กลายเป็นอสุภะขึ้นมาทันทีนั่นพิจารณาได้ตลอดเวลาไมนจำเป็นจะต้องเข้าสมาธิการเข้าสมาธิไม่ต้องการพิจารณาต้องการให้จิตมันสงบให้มันเป็นฌานให้มันเข้าสู่ฌานสี่ เพื่อจะได้อุเบกขาคือใจเป็นกลางใจไม่มีอารมณ์รักชังกลัวหลงอันนี้ดลักฐาที่เราต้องการนจากการนั่งสมาธิเพื่อที่เราจะได้เอาอุเบกขานีที่ได้จากนั่งสมาธิมาใช้กับเวลาที่เราออกจากสมาธิมาเวลาเห็นสัมผัสรับรู้อะไรก็เฉยไม่ใช่ใครพูดอะไรนี่ก็โอ้โวยวายขึ้นมา ใครทําอะไรนี้ก็โวยวายขึ้นมาแบบสมัยนี้ไม่มีอุเบกขาเลยรเนีเจ้าค่ะอันนี้ต่างหากใครต้องการให้ใจมีสมามีสมาธิมีอุเบกขาให้ใจเย็นไม่วู่ว่าใครพูดอะไรใครทําอะไรก็สักแต่ว่ารู้ไม่ใช่เรื่องของเรา <c oughs> ถ้ามีความจําเป็นจะต้องตอบโต้ก็ใช้เหตุใช้ผลใช้ควา ม, มเมตตากรุณาร์ แต่ได้ใช่อารมณ์ <Okay. S 1> นี่เกิดสิ่งที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิ <Okay. S 1> แล้วจิตที่มีสมาธิก็จะพิจารณาทางปัญญาได้พิจารณาสุภาได้ตอนนี้พิจารณากันไม่ได้นะมันก็เลยพิจารณากันนั้นแหะมันต้องพิจารณาตลอดเวลาถ้าอยู่ถึงขั้นพิจารณาสุภาพเนี่ยเห็นไทยก็ต้องเป็นอสุภาพเลยทันทีเลยคุณเจม ไม่จะเป็นั่งพิจารณาคนเดียวเห็นอสุภะคนเดียวพอมาเห็นสวยเห็นงามเห็นหล่อเห็นอะไรไปหมดนีอย่างนี้ก็ไม่ได้พิจารณาเวลาเจอคนนี้ต้องเห็นเป็นอสุภะไปหมดเลยเวลาเขาประกวนประกวนทางก็อสุภะประกวนอสุภะกันใช่ใช่ไหมเห็นหรือเปล่าไม่เห็นอย่าเพิ่มไปเลยเพิ่งกับความสวยงามของของ ของผู้ประกวดกันสแสดงว่าไม่ไพิจารณาไอ้เวลาคนพิจารณาไมาา่ไปพิจารณาอพิจารณาตอนนั่งสมาธิไปพิจารณาทําไมนเกิดขึ้นอยู่อะไรแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอะคะ่ะถ้าถ้าเรานั่งแค่ดูไตรลักษณ์แต่ว่าอาสุภะมันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นเองต่ก็ต้องหยุดมันต้องหยุดมันไม่ต้องไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องการเห็นอะไรทั้งนั้นต้องการทํำจิตให้ว่างให้แน่งเป็น ต้องการอุเบกขาการนั่งสมาธิต้องการให้จิตเป็นอุเบกขาคือทำที่จิตไม่มีก็คืออุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขาเห็นอะไรก็อบที่จะรักจะชังจะกลัวจะหลงไม่ได้ค่ะอาจารย์นะดังนั้นต้องรู้เข้าใจความหมายของการนั่งสมาธินั่งเพื่ออะไรเรากินข้าวเพื่ออะไรเพื่อความอยู่รอดค่ะยินให้ท้องมันอิ่มใช่ไหม ใช่เรานอนหลับเพื่ออะไรเพื่อให้ชาร์พลังตื่นขึ้นมารำงนได้ใช่ไหมตอนนอนนอนหลับเราทํางานเนี่ยพอจะหลับปั๊บมันกปลุกเพื่อให้ลุกขึ้นมาทํางานหน่อยนีนั่งสมาธิก็เหมือนพัพผวอนจิตใจพอจิตจะสงบก็เรื่องมันมาทํางานแล้วแล้วมันเมื่อไหร่มันจะได้พักอะอืมจ๊อค่ะ เคยพักเรียมเคยพักจิตใจนี้เวลานั่งเวลาถ้าถ้าเวลานั่งสมาธิมันจะเออเวลาเข้าไปเลยอยู่ในสมาธิมันจะนิ่งว่างโล่งเอ่อนิงนานเท่าไหร่นานเท่าไหร่นานเท่าไหร่น่งนานเท่าไหร่นานเลยค่ะนานหลายชั่วโมงได้เลยค่ะว่าจะนานแบบเรื่องเรื่องนนาแบบเรื่อง นานแบบไม่รู้เรื่องค่ะก็หลับไปสิไม่ไม่รู้เรื่องว่าผ่านไปแล้วกี่ชั่วโมงแต่ว่ารู้เรื่องก็รอบตัวมีอะไรแต่ว่าไม่รู้ว่าผ่านไปแล้วกี่ชั่วโมงโอเคนะไมเฉยนิ่งเฉยนะไม่รักช้ำกลัวหรืในขณะนั้นร่างกายเก็บตรงนั้นเปิดตรงนี้ก็ไม่ช้ำไม่ลังเกียจไม่รู้สึกวุ่นวายไปกันมาช่ วิปัสนาพิจารณาได้ตลอดเวลาเวลาออกจากสมาธิเดี๋ยตอนนี้พิจารณาไปดูเนี่ยคนที่อยู่ในจอเนี่กี่คนเนี่ยดูเปน็นอสุภะให้หมดดู <Okay. S 1> โครงก็ดูให้หมดเลยหน้าตาเนี่ยมีหนังหุ้มอยู่ทั้งนั้นภายใต้หน้าก็มีกระโหลกศีสันอย่านี้เนี่ย <Okay. S 1> ตอ้องพิจารณาตอนนี้เห็นร่างคนไม่ใช่ไปอยู่คนเดียวแเราพิจารณาพอไปเห็นหน้านคนกับไม่เห็นอสุภะของเขา เห็นว่าเป็นนายกเห็นว่าเป็นรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นนู่นเป็นนี่กันไปหมดจ้ะค่ะนะนั้ิปัสสนาพิจารณาได้ทุกเวลายกเว้นเวลานะั่งเวลาทําสมาธินะที่ไม่พิจารณาการทำสมาธิต้องการพักจิตเหมือนทำงานทําได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับใช่ไหมเวลานอนหลับนี่ใคว่าปลุกไปทํางานนะใช่ไหมถ้านอนไม่พอก็ยอมรู้ก่บนใช่ไหม เจ้าค่ะ จ, จิตเจ้าเหมือนกันเข้าใจแล้วนะแจ้งแจ้งแล้วนะนะแจ้งแจ้งค่ะซาถูกค่ะคุณหมอภาสนาต่อเลยมีคำถามอะไรไหมวันนี้ไม่ต้องยืดยาไม่ต้องยาวได้ค่ะมีคำถามอันนึงก็คือว่าเ อ, อวันนี้วันเมื่อวานี้เจอเดิ น, เ ด, นเดินสงเดินเอเดินจงมรมแล้วก็เดินใจอปูกับป่าก็คือว่ารู้สึกต้องพอมีสติปุ๊บเนี่ยมันทำให้ ทำให้เราเห็นคือแบบไม่กลัวแล้วคุณอาจารย์คือไม่กลัวแล้วรู้สึกว่าเออมันผ่านไปได้ตอนนี้อยากจะถามมาอาจารยว่าถ้า เ, าเดินจงกรมเนี่ยพี่เคที่แม่อาจารย์บอกให้เรามองให้เราไม่ต้องไม่ต้องคิดลยใช่นนะให้มองเป็น่าให้ให้มองทุกอย่างเป็นธาตุเป็นเป็นคมของเล็ดฟันคือหมายถึงว่ามองเพราะเปกติโดยเอใช้คิดอะใช้คิดเอาด้วยแต่จะไม่ค่อยได้มองทับภตอนนี้เลอว่าให้เรามองทับภาพไปเลยใช่ไหมว่าตัวนี้เป็นอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหยคะอาจารย์ก็ แก็อยู่ที่เราว่าเรากพิจารณาอะไรพิจารณาณิจังพิจารณาอนัตตา <ไป S 1> พิจารณาทุกนี่มันต้องแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันพิจารณาณิจังก็เห็นอะไรก็เดี๋ยมันก็เดี๋ยวว่าต้องการมันก็ต้องเปลี่ยนไปน้ำเสื่อมไ ป, ไปหมดไปเห็นใครเห็นหน้าเห็นใครเขากว่าเดี๋ยวเราพัดพาดจากกันไม่เที่ยง ม, มีเกิดมีดับอันนี้อยู่ที่ว่าเรากราพิจารณาเรื่องไหน เราก็ต้องว่าไปอย่างนั้นการเดินโยกงนี้มันทําได้หลายแบบเดินเพื่อจเจริญสติก็ไม่ใคิดอะไรเลยอ mm hmm. ให้นุ่งเฉยๆหรือให้อยู่ให้บ่อยคำพุดโธไปอันนี้เพื่อไม่ให้คิดอันนี้เป็นการเดินโยกงเพื่อจเจริญสติแต่ถ้าเดินโยกงเพื mm hmm. เพ่เพื่อเพื่อจเจริญปัญญา mm hmm. กแ็แล้วแต่เราจะเอาปัญญาแบบไหนตัวไหนเอาสุภาพเอาสุภาพก็ลองพิจารณาว่า นามกายของคนทุกคนมีอาการ32ต่อไปตายไปก็กลายเป็นซากศพ10ชนิดนเวลามันเยอะเนี่ยเราจะเจริญเราจะเอาทุกตัวไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ควรใช่ไหมพระอาจารย์จรงว่าเราเดินรอบหนึ่งเหรอไม่ควรจะเอาทั้งสุภาเอาทั้งผมผมเลยความไม่ควรควรจะแค่อย่างเดียวอนี้ป่ะครย์เพราะว่าเวลามันเ ย, เนยนอะไงคะพระอาจารย์ก็แล้วแต่แล้วแต่ทั้งหมดเลยเวลาเรียนขนัเสีือยาวเวลาเรียนขนัเสือยาวหลายวิชาพร้อมกันหรือเปล่า ก็เ อ, เอาวิชาที่เราอต้องการที่จะเรียนให้เข้าใจเอาให้มันจนแจ่มแจใ้งเข้าใจแล้วค่อยไปวิชาต่อไปแต่มันยเนอยอะมากค่ะ แ, แล้วติดขัดตร ง, งไหนแล้วก็เอาเอาเอาวิชานั้นยังเห็นสามีเป็นสามีอยู่เปล่ายังเห็นลูกเป็นลูกอยู่เปล่าเขาต้องมาให้เห็นว่ามันเป็นเพียงอาการชั้นทีสองเป็นดินน้ำหลงไฟ นั่นอยู่ที่เราอ่ะเราต้องการเห็นอะไรรู้อะไรเราก็ต้องเราก็ต้องศึกษาเรื่องนั้นให้มันจ่มแจ้งให้มันเห็นจนแจ่มแจ้งเห็นเรื่องๆไปเข้าใจแล้วค่ะตอนแรกนึกว่าทําทุกอย่างรู้สึกว่ามันเยอะมากเลยก็่าถ้าทำแต่ลเรื่องมันจะง่ายกว่าเรื่องที่ละเรื่องอะโดยเฉพาะเรื่องที่กําลังเป็นปัญหากับเราอะไรนะสุขภาพหรือน้กายเราเหรือ เรื่องการเงินการทองหรืออะไรนี่ถ้ามันเป็นปัญหาเราก็ต้องพิจารณาตัวนั้นอธิบายไหมโอเคนะท่านต่อไปคุณทวิษาจากสวิตเซอร์แลนด์มายังไงมีคำถามไหมกับมงสกายกับอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะอาจารย์ปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมนะ ค่ะปฏิบัติเช่นเดิมค่ะก็พยายามฝึกซูต่อไปสติมากขึ้นค่ะต้องปอกปูมากขึ้นค่ะเข้าใจดีคุณเอกเชียงรายมีคําถามไหมไม่ต้องรายงานผลนะไม่ต้องรายงานตัวแล้วมันมีเวลาวันนี้ไม่มีคําถามครับแต่มารางสรรค์พรอาจารย์ครับเข้ามารฟังครับลองไปเหมือนเดิมรังสรรค์ถามคำถามกันแล้วกันนะ ครับผมครับผมวันนี้เข้ามาทัาแบทข้าอเจาจานครับผมสาธุครับคุณแนานต่อเลยคุณแนานบาร์ดาการนมัสการค่ะมีคําถามไหมไม่มีคําถามค่ะจากคุณนนนะค่ะโอเคต่อไปคุณนนทณนนพัฒน์เชิญคุณนนทพัฒน์กลาวนมัสการเจ้าข้าพเจารย์ค่ะมีคําถามไหม มีคำถามเจ้าค่ะก็คือลูกที่เคยกลับเรียนพระอาจารย์ว่าจะมีโครงการที่จะในที่สุดก็จะไม่ทำงานอะ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ณขณะนี้เราเรายังไปถึงโครงการนั้นไม่ได้สิ่งที่ลูกทำตอนนี้คือให้ยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้ว่าเราปฏิบัติได้เท่านี้ ในขอบเขตของการทํางานและการปฏิบัติคู่กันนะคะพรอาจารย์แล้วก็ mm hmm. ไม่พยายามไม่ให้เราไปทุกข์กับเรื่องที่มันขัดใจทั้งสองด้านอย่างเนี้เจ้าค่ะลูกทาถูกไหมคะคือลูกพยายามพอเกิดความขัดใจในเรื่องการงานก็วางเพื่อให้เราไม่ทุกข์ใจอย่างนี้เจ้าค่ะพรอาจารย์ใช่แล้วก็ต้องอย่าไปทุกข์กับมันกับเราอยู่ตรงไหนเราก็ต้องยอมรับสภาพของเราไปก่อนว่าตอนนี้เรายังติดอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่แต่เราก็พยายามที่จะ หาโอกาสที่จะลด ล, ล, ละภาระลดละความผูกพันให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะลูกก็พยายามทําจิตให้ทํางานอยู่กับปัจจุบนันถึงงานจะหนักหรือว่ามีข้อขัดใจมีคนบีบคับ้นอะไรเราก็ใช้ธรรมะเข้ามาช่วยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์ให้เราทุกข์น้อยที่สุดเจ้าค่ะได้ค่ะให้ปไปดูใบขาให้เฉยนะใครก็าูดอะไรทําอะไรามากไปแล้วก็ฟังที่เหตุที่ผล ใช่เจ้าค่าจะกลับเรียนพระอาจารย์ว่าที่อาจารย์สอนนะเจ้าค่ะว่าให้ให้เรามีโอเบตขาคืออย่างเวลาทํางานใช่ไหมเจาา้าค่ะมันมีเรื่องมาทดสอบง่ายกว่าคนที่ที่อยู่ปฏิบัติที่วัดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์<ม>ก็จะมีคนมาว่าเรามาบีบคั้นเราให้ทําอย่างงุนอย่างนี้แต่พอเรานิ่งแล้วเราใช้ปัญญาคิดหาทางมันเป็นหาทางในทางโลกนะคะพระอาจารย์ให้มันสมุดอะค่ะให้มันสมุดมอย่างเงี้ยมันก็ถูก<ม>ใช่ไหมคะเพราะว่าความนิ่งเรามาทําให้คิดรอบคอบขึ้นใช่ก็ทําด้วยเห็นด้วยผลแล้วก็ไม่มีปัญหากับใคร ใช่จ้ะไม่ไปมีเรื่องเวลากับใครค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการเจริญสติระหว่างวันนะเจ้าค่พระอาจารย์ลูกใหญ่จะเคลียร์นิดหนึ่งก็คือที่ที่จับได้จากที่พระอาจารย์แนะนําก็คือว่าในระหว่างวันถ้าเราคิดถ้าเราอยู่กับงานให้ใช้สติคิดเรื่องงานแต่ถ้ามีความว่างมีความว่างจากงานให้มาพุดโทรหรืออยู่ดิ่งกับ กับสิ่งที่ที่เป็นกายหรือเป็นอะไรที่ทําให้เราอยู่กับตัวเองใช่ไหมเจ้าคะใช่ทำใจให้ว่างปรัศจากความคิดเวลาที่ไม่ต้องใช้ความคิดค่ะเพราะว่าอย่างบางทีเราเราเป็นคนทํางานนะคะการคิดเรื่องงานเรื่องหนึ่งและแล้วการคิดบางเรื่องเป็นการวางแผนเกี่ยวกับสิ่งต่อไปแต่มันไม่ได้เป็นการคิดเกี่ยวกับเรื่องคนนู้นคนนี้หรือวิตกเพื่อให้เราวิตกกังวลอันนี้ก็คิดได้ใช่ไหมเจ้าคะมันก็ยังเป็นความคิดอยู่มันซู้ไม่คิดมันซู้ไม่คิดไม่นะ ไม่คิดมันจะทําทให้ใจเราเบาใจเราว่างแต่ถ้าจําเป็นจะต้องคิดก็ต้องคิดก็เอาแค่จําเป็นที่ต้องคิดถึงจะคิดแต่ถ้าไม่จําเป็นก็มามาอยู่กับพุโทโธอย่างนี้ยใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็อีกเรื่องถัดไปเจ้าค่ะเรื่องสีนแปลเจ้าค่ะคือเข้าใจว่าตอนทํางานมันสีนแปลไม่ได้ร้อยเอร์ซ็นแต่เผื่อเป็นความรู้ไว้อะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะยังทำงานในทางโลกก็คืออย่างลูก คาลิปมันไม่ให้ปากแตกอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นผิดจีิยแลกไหมเจ้าคะถ้าเป็นการรักษาไม่ผิดถ้าเป็นยเรื่องเยียวยาดูแลรักษารน้ากายไม่ผิดแต่ถ้าเพื่อความสวยงามถึงจะผิดดูเจตนาเราอย่างเดียวเลยใช่ไหมเจ้าคะใช่ดูว่าเรา ท, ทำกาะทําเหมือนกันแต่ดูที่เจตนาจิตเราว่าเราทําเพื่ออะไรใช่ไหมใช่ทําเพื่อรักษาความสวยงามของฟีฟฟปากเรือว่าทําเพื่อรักษาไม่ให้มันเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา อืมค่ะแล้วอย่างอีกอย่างหนึ karate, ่งค ah ือการฟังเพลงธรรมะอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันจะมีบางบางคนที่เขาอยู่ในยูทูบที่มันเป็นเพลงที่ร้องเพลงเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันต้องไฟังมไม่ต้ฟังมันอ่านดีกว่าดูฟังแบบไม่ต้องมีเพลงดี่แบบเพลงมันก็มันก็มีเกิเอะผสมมามันเป็นเครื่องเพลินันทีอะไรเงี้ยใช่ไหมเจ้าค่ะอ่ามันก็เป็นเครื่องเพลินอย่างเป็นกามฉันทะยังยังติดในกรมในเสียงเพลง แล้ว า, าเสียงในอ้านเราเพลงเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามามาเล่งมาฟังนึงนั่นทาไมจ๊องมันเพราะสมัยมุนจ้าเจ้าเห็นมีการบรรเลงเพลง <c oughs> ค่ะ<ม>คือ<ม>ถ้าจะตินแปลกก็งดฟังเพลงเลยดีกว่าเพลงเลยเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นเพลงธรรมะหรือเพลงพระพุทธเจ้าเพลงอะไรไม่ระเบิดฟังนะประอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าร็านประวัติพระพุทธเจ้าไปด้วมค่ะยังนง้นไม่ต้องมีเพลงมประกอบนะเจ้าค่ะ เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะแล้วก็ขอขอโอ ก, กาสพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคุณป้าท่านหนึ่งท่านเข้าทางเฟซบุ๊กแต่ท่านไม่สะดวกข้อซูมจะถามแทนท่านได้ไหมเจ้าค่ะได้แน่เชิญนะคะขออนุ ญ, ญาตนะเจ้าค่ะข้อที่หนึ่งคือท่านท่านเป็นในแนวสมถะนะเจ้าเจ้าค่ะท่านถามว่าลักษณะของอัปปนาสมาธิเป็นยังไงเจ้าค่ะก็จิตนิ่งสงบปราศจากความร่ำช้ำโกหลงปราศจากความคิดมุงแต่เนืแต่อารมณ์เดียวคือ จักแต่ว่ารู้นี่คือ ม, มันเป็นฌานสี่ไอ้คากตาลงโอเบขามันมันมันมันจะรู้ข้างนอกไหมคะหรือว่ามันรู้แค่ตัวตัวตัวเราเองอ๋อมันรู้สองระดับระดับที่มเมล็ดไม่เต็มร้อยก็ยังรู้ข้างนอกอยู่แต่ไม่ลองทานกับการรับรู้อ๋อใจเฉยอยู่กับการรับรู้ลูกเสียงกินมก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นสมาธิในระดับ ขึ้นหนึ่งแต่ยังไม่เต็มร้อยถ้าเต็มร้อยหายไปหมดนะไม่รับรู้เรื่งองภายนอกเหมือนที่ท่านอาจารย์บางท่านบอกว่าเป็นรู้รู้อย่างเดียวใช่ไหมเจ้าคะเป็นผู้รู้อย่างเดียวค่ะเหมือนอาใช่ค่ะว่าผู้รู้อย่างเดียวใช่ค่ะอยู่กับความว่าค่ ะ, คะแล้วมันมีท่านท่านป้าท่านนี้ท่านไปศึกษาในอีกอี ก, อกท่านอาจารย์หนึ่งท่านบอกว่าถ้าเลยอัปปนาสมาธิไปมันมันก็จะมีลักษณะ ภาวะนั้นด้วยใช่ไหมเจ้าคะที่เป็นอรูปฌานหรือเปล่าเจ้าคะอาจ า, ารย์ไม่แน่ใจก็มีอีกสี่ขั้นในการอรูปฌานแต่มันจะมันจะนิ่งมากกว่ามันจะว่างมากกว่ามันจะละเอียดมากกว่ามันก็คือเป็นอรูปอะเนาะเป็นการยืดแบบอรูปอรูปฌานแล้วมันก็ความความสงบมันจะละเอียดกว่าใช่ไหมเจ้าคะอาจารละเอียดกว่าความสงบมากกว่าค่ะแล้วอาจารย์ท่านนั้นเห็นเห็นคุณป้าบอกว่าอาจารย์ท่านนั้นคือสัมมาสมาธิต้องเป็นแค่ แค่อัปานาสมาธิที่เป็นฌานสี่ที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าเจ้าคะคือตั้งแต่ฌานสีขึ้นไปไก็เป็นได้เป็นเป็นสมาสมาธิทั้งหมดอ๋อถึงแม้จะเป็นอรูปฌานก็เป็นสมาสมาธิได้ไถ้าเราเข้ารูปฌา น, นาเราจะเข้าไปในรูปฌานก็ได้าอารูปฌานก็ไดถ้าเราเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวนเราแค่รูปฌานสี่ก็ใช้ได้เหมือนกันอ๋อเจ้าค่ะแต่ยาวไปทางอุปจารสมาธิ ตอนผู้ที่ได้อัปนาสมาธิประาาปชานสีนี้บางทีมีนิสัยชอบออกไปรับรู้เรื่องต่างๆคือรเรื่องเรื่ององโลกทิพย์เกณฑ์มีตาทิพย์ผูทิพย์อันนี้สําหรับผู้ที่ปฏิบัติเพื่อจะไปดับความทุกข์ไปหลุดุดพ้นจากความทุกข์มาให้ไปนสนใจเพราะมันจะทําให้ติดนั่นจะหลงทางเหมือนคนที่ไปทางลิ์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่าใช่ทางลทธิ์ทางติดตามกับเทวดาและลึชาติได้ อ่านแล้วลอ่านจิตใจของคนอื่นหน้าเขาคิดอะไรอยู่การทำแบบนี้ด้วยติดต่อกับกายทิพได้คุยกับเทวดาได้พบกบเทวดาหรือเปรตผีอะไรต่างได้อันนี้มันจะทําให้ไปเพื่อเคิร์นกับการทํากิจกรรมเหล่านี้แล้วจิตจะไม่นิ่งจิตจะไม่มีอุเบกขาเวลาจากสมาธิมาจะไม่มีกําลังที่จะไปเจริญวิปัสสนาไปตัดต่อสู้กับทิเหลน จะมีคนน้อยมากที่จะมีนิสัยทำนี้น้อยละห้าน้อยละห้าคนจะมีมีสักห้าคนในร้อยนี่จะมีสักห้าคนที่มีมีความสามารถที่จะไปทางทางอิทธิริที่ได้ค่ะแต่มันก็ไม่เป็นทางสู่การดับความทุกข์ ค, คนที่จะไปดับความทุกข์ต้องกลับเข้ามาในอัปปนาสมาธิแต่แต่ถ้าเขามีหลังจากที่เขามาดูทำแล้วเขาก็เอามา เราะก็สามารถเข้าไปเล่นได้ เ, เป็นปของเล่นใช่ไหมจ๊ะเป็นของเล่นไปเมื้อเป็นของที่จะสามารถช่วยสอนเทวดาให้ได้พระพุทธเจ้าหนุงปู่มั่นเนีสอนเทวดาแล้วลงใช้อุปจารสมาธินในที่พระพุทธเจ้าโปรดพ้นธรรมดาก็ต้องเข้าไปในอุปจารสมาธิเพื่อติดต่อกายที่เพรา ะ, ะต้องใช้อ่ะ อ่าสมาธิที่ขึ้นไปถสวรรค์ไปทางทิพธ์ใช่ไหมเจ้าค่ะอ่าไปทางนอกทิพธ์ติดต่อกับกายทิพธ์ต่างๆในเวลาเทวดามาฟังธรรมในพระเจ้าหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านแสดงธรรมให้กับเทวดานะท่านต้องเข้าอุปจารสมาธิคือต้องออกจากอัปปนาแเราเข้าไปคนส่วนใหญ่ไปคิดว่าอุปจาระนี้มาถึงขอนอัปปนาแต่ทางปฏิบัติท่านมามันต้องได้อัปปนาก่อนได้ฌานสิ่แล้วมันถึงจะออกไป แต่มันไม่ไปเข้าอารูประชานมันมีช่องว่างระหว่างรูประชานกับอารูประชานอ๋ออุปจาระคือช่องว่างข้อต่อลอยต่อระหว่างอารูประชานกับรูประชานที่จะออกไปทางไปทางเหตุโลกทิพย์ใช่ไหมคะครับท<ำ>โลกทิพย์ต่างๆจะมีทิพย์ต่างๆอ๋อเจ้าค่ะแล้วสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิจะสนี่แหละอุปจาระสมาธิก็เป็น ม, มิจฉาสมาธิถ้าเปน็นเรื่อกับฤทธิดด์เดชอะไต่างๆ ไปคุยกับเทวดาไปท่องโลกพรมโลกเทวาโล ก, โลกนรกสวรรค์อะไรนี่ถือว่าเสียเวลาเป็นการท่องเที่ยวในโลกที่เหมือนกับเหมือนกับเวลาที่เราเออกไปท่องเที่ยวผ่านทางร่างกายเน okay, ี่ไมันเกิดประโยชน์ก็ถึงจุดหมายช้านิดนึงใช่ไหมไปถึงเลยเหรอก็ไปเที่ยวมันก็เพลินอ๋อเดี๋ยวมันจะ<า>กลับมาไม่ได้ใช่ไหมจ้ะใช่<ฆ>มันก็เพลินมันก็อยากจะไปเที่ยวนั่งเที่ยนั่งสมาธิอะไรก็อยากจะไปเที่ยว Mm hmm. พอจากสมาธิมาก็ไม่มีแรงพิจารณาทางปัญญาอืม mm hmm. ค่ะแล้วที่พระอาจารย์บอกว่าเวลานั่งสมาธิให้นิ่งให้ให้พักผ่อนก็คนละวาระกับวิปัสสนาเลยใช่ไหมจ้าคะใช่นอนกับงานนะนอนกันอนหลับกับทำงานค่ะก็เหมือนกับไทนิ่งมันคือคนลเซชันเลยคือการหลับก็การพักก็คือพักแล้วก็การคิด ก, ก็ การวิปัสสนาก็วิเวสนาหลังจากออกจากสมาธิแล้วใช่ไหมใช่ ห, หลังจากออกไม่ก่อนเข้าก็ได้แต่อย่าไปทําตอนที่เราทําสมาธิทําสมาธิต้องการพักจิตหยุดจิตพักผ่อนมันอ น, นอนหลับเนยเวลาคุณพักผ่อนนอนหลั บ, นนลบคุณไปทํางานหรือเปล่าค่ะน้องร้อยนอนหลับให้พอแล้วตื่นขึ้นมาแล้วมีนิ้วแรงถึงออกไปทํางานต่อได้ค่ะได้ แล้วก็สุดท้ายนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือที่พระอาจารย์เคยบอกลูกว่าถ้าลูกตอนนั้นลูกเห็นแบบปัญญาสมาธิปัญดาวงสมาธิอะเจ้าค่ะที่ที่ลูกเห็นเข้าไปดูทุกที่พระอาจารย์บอกว่าให้สังเกตตอนที่มันทุกข์นั่นแหละในที่สุดแล้วก็ไปเห็นความทุกข์นั้นว่ามีสาเหตุมาจากอะไรแล้วพอเห็นสาเหตุแล้วมันมันทำให้วางและอุเบกขาได้นั่นนะคะให้ทําอันนั้นต่อให้ต่อเนื่องใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ในในระหว่างที่ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เข้าสมาธิเพื่อสมถะก็อยู่ที่ว่าเราเราเราทําตอนไหนถ้าเราทําเพื่อให้จิตเข้าเ้าฝันสมาธิถ้าเราใช้ดูลมได้เราก็ไม่ต้องใช้ปัญญาหรสมาธิแต่ตอนนี้เท่าที่ลองดูมันยังยังไม่ได้อะเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่เป็นสมถะแบบดูลมหรือว่าพุโทโธอย่างเดียวตลอดลูกไม่สามารถทําได้ยาวนานเลยเจ้าค่ะ แต่ยังคิดแต่แตแตยังไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่เลยต้องใช้ปัญญามาสกัดมันใช่ไหคะค่ะเพราะที่ลูกสําเร็จได้ระระดับต้นๆคือเหมือนกับว่าใช้ปัญญามาสกัดในหลายๆอย่างได้อย่างเงี้ยเจา้าค่ะอมันก็เลย<ช>ไม่ไมไแน่ใจว่าเป็นจริตหรือเปล่าเจ้าค่ะใช่เลยไม่กล้า จ, จะไม่เข้าลึอาจจะเข้าไม่ลึกแต่แต่ลูกก<า>็พอสกัดมันแล้วก็ต้องมาดูลงต่อค่ะเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่า ถ้าถ้าเริ่มเริ่มนิ่งจากการสวดมวนต์หรืออะไรให้ลองพูดโทต่อหรืออไรต่อจะได้ฝึกฝึกสมาธิาไปเข้าเร็วกว่าใช่ไหมเจ้าค่ะใช่บางทีตอนตอน้ตนนี้จิตมันยังไปผูกพันอยู่กับเรื่องนั้น เ, เรื่องนี้อยู่ไม่ยามไม่อยากเข้าไปดูลองก็ทไมต้องใช้ปัญญาหรือใช้สติใช้คําบริกรรมหรืออะไรดึรงมันออกมาจากเรื่องราวต่างๆค่ะค่ะได้เจ้าค่ะเดี๋ยวลูกจะลองไปพยายามแล้ว เหมือนที่อาจารย์บอกว่าต้องทดลองด้วยตัวเองถึงจะรู้ว่าอะไรเหมาะกับตัวเองใช่ต้องปรับร ไ, ปไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆต้อปรับไปเรื่อยๆตามความเหมาะสมดูผลเป็นหลักผลก็คือคว า, าสมส<ๆ>งบการควบคุมจิตใจแล้วก็เรื่องการกินกินอาหารมื้อเดียวสองมือ้อก็จากที่พระอาจารย์บอ ก, จ, กจะข่ว่าช่วงแรกร่างกายมันปรับก็จริงเจา้าค่ะพอาจารย์ตอนนี้เริ่มไม่ปวดท้องไม่อะไรแล้วเจ้าค่ะก็น่าจะอยู่ตัวแล้วเจ้าค่ะถ้าปวดท้องพัทุ่งตรงทั้นก็ ถือสิค้นี้ไม่ได้เลยท่านก็คอยกินสามมือมากา่อนนค่ะพอท่านบวชท่านก็ฉันมือเดียวกันไม่มีปัญหาหรอกทากิเลนมาสร้างภาพหน้ากลัวเหมือนวักซีนนี่ก็สร้างภาพหน้ากลั <c oughs> วกูก็ไม่หมด <c oughs> ไม่ฉีดกัน <c> เ <oughs> จ้าค่ะแต่ไม่ดูได้ไม่ดูความจริงดูสถิติไม่ดูมันหนึ่งในร้านที่จะเป็นที่มีปัญหา ค่ะลูกขออนุญาตเอาคําพูดพระอาจารย์ไปพูดกับคนที่เขากลัวนิดหนึ่งเจ้าค่ะลูกก็เลยบอกว่าการที่จะตายด้วยวัคซีนหนึ่งในล้านการที่จะมีอาการแพ้รุนแรงหนึ่งในแสนแต่การที่จะติดโควิดเลยไปเจอคนทั่วไปหนึ่งในพันจะเอาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้เลยนะเจ้าขาใช่แต่เราบอกได้แค่นั้นนะ่ะคนบางทีกลัวมันก็กลัวของมันอยู่นั่นนะไม่มีเหตุไม่มีผลเขาพวกอสูร ก, กายพวกนี้ ตายไปนี่ไม่ดีไปเป็นนสุรกายหําบาปด้วยความกลัวนี่ตายไปไปเป็นนสนรกาย ท, <ำ S 2> ทบ า, ยยาทบาปด้วยความโลภทําบาปด้วยความโลภไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความราฆาตะสยบาศไปนรกทําบาปด้วยความหลงไปเป็นเลนหฉาชอบายสีเกิดจากความรักทางกลัวหลงเนี่เห็นเหตุ จากการทำบาลด้วยความนับชังกลัวหลวเล่นแต่งให้ไปเกิดเป็นสี่ชนิดเป็นสัตว์สี่ชนิดในอบายเจ้าค่ะแต่ต้องทำบาสนะถ้ากลัววก็ไม่ทำบาไม่ไม่ไปเนี่ยเข้าใจไหมถ้ากลัวไม่ไม่ทำบาศแต่ถ้ากลัวเช่นกลัวมดมันจะมากัดเราก็ไล่ฆ่ามานันอเี้นี้ไปเป็นอสุรกายได้เจอางูว่ากลัวงูกัดกับสีงูให้ตายเลยอืมถ้าอย่างเงี้ยเนี่ย ทำบาปด้วยความกลัวเจ้าตายไปก็ไปเป็นระสุระตายพราะดงวิญญาณมันจะมีแต่ความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่จะทําให้เราไม่ไม่ไปอบัยแน่ๆคือศีลหรือเปล่าเจ้าคะศีลห้าเนี่ยคับใช่ไหมเจ้าค่ะถ้ า, าถ้าเรารักษาศีลห้าได้ก็ค่อนข้างแน่ใจว่าอบายมันมั น, ม, นมันไม่ไม่มีที่ที่ที่ที่จะให้จิตไปหรือถ้าเรายังทาบาปอยู่บ้างก็อขอให้ทําบุญให้มากกว่าบาปไว้ก็แล้วกัน พอเวลาตายนี้บา ก, กับบุญจะมาเป็นจะดึงจิตไปทำในทางหนเจ้าค่ะถ้าบุญเราทำมากกว่าบาที่เราทำบุญก็จะดึงไปสวรรค์ก่อน <Okay. S 1> ส่วนบาดนี่รอลงอายาไว้ก่อน oh. ยังไม่ถึงเวลาไปรับผลบุญก่อนพอผลบุญหมดกำลังแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเพราะว่าบาญังไม่สามารถดึงไปดึงดึงไปอบายได้เพราะเวลาบุญลดลงมาเท่ากับบาป ก, ก็ต้องมาเป็นมนุษย์ก่อน อแต่พอเราบุญน้อยก่บบาปเมื่อไหร่นั่นแหะมันถึงจะไปรบายถ้างั้นจากที่ฟังพระอาจารย์พูดตอนจิตจิตที่เราจะไปมันประมวลกันทีเดียวตอนจะไปเลยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็มันประมวลอยู่ตลอดเวลาพอมันจะไปตอนไหนแล้วก็ไม่รู้ค่ะแต่บาปมันเป็นเหมือนบัญชีอ่ะบัญชีบัญชีรายรับกับรายจ่ายนถ้าเราปิดประษัวันนี้มันก็ทําบัญชีวันนี้เลยใช่ไหมอ๋อ ก็ดูเลยว่ารายรับทลายรายจ่ายครับถลายจ่ายมากกว่ารายรับก็แรรว่าขาดทุนมันมันมันจะมันจะเป็นผลเองใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์เพราะว่าเพราะว่คนที่จะตายมันมีความทรมานในการแตกของธาตุขันแต่ประมวลจะมาสุดท้ายให้ให้ทีเดียวเลยอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะถ้าคนที่ทําดีก็กางวลใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คือมันเย ความไม่กังวลนี่มันต้องระดับสูงนี่เราพูดระดับธรรมดาพลุชนเนี่ยมันก็ำกำนต้องกังวลแต่มันแต่จิตมันแต่มันไม่ไปถ้ามันบุญมันมากกว่าบาปไม่ไปอบายถ้าบาปมันมากกว่าบุญมันถึงจะไปอบายได้ออืคนคที่ยังไม่ทํากังวลกับความตายต้องระดับพระอริยขึ้นไปท่านถึงไม่กังวลกับความตาเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกว่า ศาสตร์กายพิธีใช่ไหมเจ้าค่ะควา่เป็นเจ็บตายเจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมธรรมดาร่างกายไม่ร่างกายไม่ยึดตัวเราไปกลัวแทนร่างกายทําไมเราไม่ได้เป็นร่างกายคเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าพระโสดาบันไม่ตกนรกแล้วเพราะเหตุนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะว่ะจะใช่ถ้าไม่ทําบาปเพราะฉันฉันเห็นว่าการทําบาปนี่จะท้ายท่านไปตกนรกท่านยอมตายดีกว่าทําบาป ไม่ไม่ทำบาปเพราะความกลัวเจองูก็ไม่ต้อไปตีมันก็ยืนเฉยเฉยเราเฉยเฉยมันก็ถ้ามันจะกัดก็ถือว่าเป็นเป็นกรรมของเราเป็นเป็นเวรเป็นกรรมกันมาถ้ามันไม่ถ้ามันไม่เป็นเวรเป็นกรรมเดี๋ยวมันก็เลยไปสัตวารยามันก็ไม่อยากจะทำเราเลยนะเื่อป้องกันตัวมันเองมากกว่าถ้าเราไม่ไปทำท่าทีให้มันกลัวมันก็มันเดี๋ยวมันก็มันก็ไปมันไม่มายุ่งกับเรา เพราะเราไม่ได้เป็นอาหารของมัน oh, oh. นะอ๋ออ๋องั้นก็จะได้เป็นข้อคิดด้วยเจ้าค่ะเผื่อไปไปอยู่ปีกวิเวกจะเผื่อเจอจะได้วางใจได้เจ้าค่ะพานตาใช้เช้เมนูเบเกอรัไป oh. oh. oh. oh. oh. เพราะว่าจริงๆสัตว์เขาก็ไม่อยากทําร้ายเราใช่ไหมเจ้าค่ะวใช่เราไม่ได้เป็นอาหารของเขายกเว้นถ้ามันสัตว์ที่มันกินเราได้มันก็อาจจะทําร้ายเราถ้าเป็นเสือ<ช><ช>ถ้าเป็นเสือแล้ ว, ลวมันหิโซมานี่มันเห็นเราแล้วก็ว่าอาหารอนุชาแล้วเ <c oughs> จ้าค่ะอาจารย์เหมือนในเวลาหิวงูนี่เห็นเห็นตาเห็นอะไรก็จับได้ก็เอาก่อนและใช่ไหมต่อได้เนะพราะเพราะพ่อลูกตอนไปปีเว้ลูกก็มีข้อคิดเหมือนกันว่าที่ถ้าลูกเจหมูลูกจะทํายังไงอ๋อก็คือ อุเบกขาเฉยๆไปนะยืนเฉยๆมันก็จะเดี๋ยวมันก็รู้ว่าเราไม่เป็นอันตรายมันมันก็มันก็จะมันก็ตัดตัดไฟมันก็จะหยุดจ้องดูเราก่อนถ้าเราไม่ทําอะไรยืนเฉมันก็จะหยุดจ้องดูถ้าพามันรู้ว่าเราไม่ทําอะไรมันก็มันก็เลยไปเจ้าข่าพระอาจารย์เจ้าค่ะสําหรับสําหรับวันนี้ลูกกล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าข่ามีเท่านี้ให้ท่านอื่นเจ้าค่ะ นะท่ า, านอื่นก็จะได้ฟังไปในด้วยคำถามแต่ละคำถามนี้ก็เป็นประโยชน์กับผู้ที่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังเอ๋อเจ้า่าสาธุเจ้าผาโอเคต่อไปคุณพระมุด า, ามีคำถามให้พระมุดาหลักสถิติถามรรมชาติการค่ะไม่มีคำถามเจ้าค่ะอาจาไม่มีก็ผ่าไปเลยนะ<า>นิดหน่อยทำเวลาหน่อยค่ะขอบคุณค่ะนะคุณอ้อมเชิญคุณอ้อมจากบอ่อวินชนบมรี มาการค่ะผ้อาวุโสคำถามมมีสองคำถามถาค<ำ>่ะคำถามแรกเป็นเรื่องของการปฏิบัติค่ะถ้าช่วงที่เรานั่งสมาธิอยู่ค่ะคือเหมือนเราจิตเราไม่สงบอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกไม่อยากนั่งต่อเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่สงบแล้วมันก็เลยไม่มีกำลังใจทีนี้ถ้าเราไม่เลือกที่จะไปเดินจงกรมเพื่อจเจริญสติหรือไม่ก็สวดมน ถ้าเราจะเลือกวิธีการคิดมันจะได้ไหมคะแบบมีวิธีการคิดที่ให้คิดให้กลับมาให้มีออ่สมาธิอ่ะยากเพราะเวลาคิดนี่ม yeah, mm ันจะคิดไปทางกิเลสคิดอยากจะไปกินน้าไปดื่มน้าไปกินขนมคิดอยากจะไปดูนั่นทานี่เราให้มันคิดถึงความตายได้หรือเปล่าเราใ้มันคิดถึงความตายจารยานามนุสติกเรอคิดถึงอาการ32ก็ได้คิดได้หรือเปล่า ทำไปสิผมขนเล็กฟัน<ช>นังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกน้ำหัวใจถ้าที่อยู่นี้มันก็นั่งต่อไปได้ผมเนี้ยมันจะเพลิอความอยากจะลุกไปก็หายไปถ้าจะคิด น, นะแต่ก็กคิดนนอาการาอ 2>, 2คิดได้ไหมล่ะ ค่ะเดี ok> the ๋ยวจะลองคิดดูค่ะอาจารย์เพราะว่าพอมันไม่นิ่งแล้วเราก็เหมือนเราไม่อยากนั่งต่อแต่เราไม่อยากไปเจริญสติโดยเดินจงกรมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราอยากก็นั่งนั่งท่องอาการสามสิบสองไปอานุโลมกับปฏิโลมท่องไปข้างหน้าแล้วท่องย้อนกลับพอเป็นอาการที่สามสิบสมาย้อนจากสามสองมาที่สามสิบหน้ากลับมาอืมค่ะกลับไปกลับมาท่องแต่ชื่อมันก่อน ถ้าต่อไปชำนาญอยากจะนึกถึงภาพของแตละการควบคู่ไปด้วยกันนะผมเป็นยังไงคนเป็นยังไงนึกเป็นยังไงฟันเป็นยังไงค่ะทำนี้ได้มันก็นั่งต่อได้ค่ะมันมีงานทำค่ะใช่ค่ะวันนี้สติสติมันหมดกำลังมันเก็อยากจะลุกไม่ใช่เลยค่ะมันมันมันรู้สึกว่ามันไม่สงบ ก็าตาองุทโทเลยก็ไม่สงบคิดพุทโทรกันเลพุทธโทริดถึงพะพุทธเจ้าพุทโธพุทโธรพุทโธพุทธโแล้วก็อิติปิโสก็นคิดถึงพระพุทธคุณนเอิติปิโสปปวัเอาสั้นๆน่ะไม่ต้องสยอไม่ต้องสวดยาวแต่สวดอะไรรอบเดี๋ยวถ้าอยากจะสั้นกุทธทำสระนังกระชามีทำมังสระนังกระชามีสังฆังสระนังกระชามีได้ค่ะวอาจารย์สวดไปหลายๆรอบ เดี๋ยววันไหนที่นั่งแล้วไม่สมุกจะลองทําดูลองดูเนะียให้มันยั้งให้มันคิดอยา่างแต่คิดไปในทางที่จะทําให้จิต mm hmm. สงบพุตโตธรร ม, มูสัมโคอา น, นิจจทุกขังอนัตตา mm hmm. เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยคิดถึงก็ได้ถ้ามันอยู่ในวงเนี้ยค่ะลองดูคค่่่ะอ ะ, อ, ะอีกเดี๋ยวไปคิดถึงขนมอดี๋ยไปคิดถึงเครื่องดืง่มเดี๋ยวมันยิ่งหิวใหญ่ อีกอย่างก็รู้อย่างค่ะค่ะอาจารย์อีกหนึ่งคำถามค่ะ อ, อการละสังโยชน์นะคะเป็น อ, อ, อยู่ในกระบวนการของการใช้ปัญญาไหมคะค่ะอาจารย์ก็ใช้ปัญญาเพื่อมาละสังโยชน์ไงสังโยชน์เป็นเนข้อสอบข้อสอบสังโยชน์ข้อหนึ่งก็คือท่านบอกว่าฐานห้าไม่ใช่เราค่ะแต่เราไปคิดว่ามันเป็นเราอะ เราคิดว่ารกายเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาสังขารเป็นเราเราคิดเราจำได้หมายรู้เรารับรู้เรื่อมุ่งเน้นนี้ไม่ใช่เรามันเป็นการรับรู้เฉยๆของของธรรมชาติ ค, ความคิดก็เป็นแค่ความคิดไม่มีใครคิดคเป็นการคิดของของธรรมชาติอันนี้เวทนาความรู้สึกก็เป็นธรรมชาติของอันนี้ที่มันจะรับรู้เรื่อของความรู้สึก แต่เราไปว่ามันเป็นเราไปหมดใ่ไหมคะค่ะนี่นะอันนี้เป็นข้อสอบที่เราจะต้องทําแต่ทําได้ก็นเนี่ต้องมีสมาธิก่อนใช่เราเราต้องมาพิจารณาหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วใช่ได้ได้สมาธิแนละ้วจิตเป็นอุเบกขาทนี้ก็จะสามารถพิจารณาเพื่อปล่อยวางขันท่าได้นะร่างกายมันไม่เที่ยงมันจะเกิดเจ็เจ็บตายก็เรื่องของมันมันไม่ใช่ตัวเราเมตนานมันก็ไม่เที่ยงมันเจ็บแล้งแต่เมื่อาร มันสุกแล้วเดี๋ยวมันก็หายมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไ ม, าไม่ต้องไปยุ่งกับมันค่ะทีนี้มันจะมีพระโสดาบันนะที่ละสามสังโยตแรกได้อะคะ่ะทีนี้มันมีอยู่สังโยนหนึ่งที่ อ, อตัววิจิตกิจฉาค่ะพอดีแบรนด์เขาถามว่ามันมีตัวชี้วัดยังไงว่าเราสามารถไม่มีความคือเราต้องไม่มีความสงสัยในพระพระรัตนนาใจแล้วอะค่ะจะวัดว่า เ, ออเรามีดวงตา้เห็นธรรมในขณะที่เราพิจารณาสัจยะที่ถิน่นี่เราก็จะเห็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากความหลงความหลงทําให้เกิดความอยากให้ร่างกายดีร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แต่พอเราพิจารณาทางปัญญาก็เห็นว่าร่างกายมันไม่เทีย่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็เลยมาลบล้างลบล้างความอยากได้ ค, ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ด้วยปัญญาปัญญาข้าเป็นอริยรรสัจสีข้อที่สี่อพอปัญญาลางความอยากได้อริยสัจข้อที่สามคือ น, นิโรธก็เกิดขึ้นมาคือทุกที่เกิดขึ้นก็ดับไปค่ะ ก็เห็นอริยสัจสี่เห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมก็คือการไม่ลังเลสงสัยในพระรัตนใจนี้ก็คือเริ่มต้นต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นคําสอนเจ้าเจ้าว่าเป็นความจริงค่ะที่มีอยู่ในใจเราแต่เรามองไม่เห็นกันพอเห็นปั๊บเนี่ยเห็นอริยสัจสี่เห็นการทํางานของอริยสัจทั้งสี่เราก็ไม่สงสัยว่าคนที่สอนมีจริงว่ามันจริง พระพุทธเจ้าแล้วคนที่เห็นอริยสัจสีก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นพระอริยสมฆ์นี่ก็คือเราครับแล้วเราไปสงสัยเมื่อเราเป็นอริยะเราเลยไปสงสัยมีพระอริยะหรือไม่มีพระอริยเงินภาโสดามันถ้าไม่สงสัยในพระพุตรธรรมก็สูงเพราะตัวท่านเองก็เป็นพระสงฆ์นะเป็นพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ด้วยการเห็นเห็นธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้ให้เห็นให้ดูมันไม่อยู่ในใจเราเราไม่ดูกันเวลาเป็นเวลาเราไปโทษร่างกายไปแก้ที่ร่างกายร่างกายเจ็บก็รีบไปรักษาปัญหายามากินอย่างแต่ใจเครียดเกับความความความเจ็บของร่างกายกลับไม่เห็นค่ะก็คือเราต้องแก้ที่ใจอแก้ที่ใจะละกิเลสละความอยาก อยางไม่แก่อยางไม่เจ็บอยางไม่ตายในการเห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายฆ่ามันไม่ได้แล้วมันเรามันก็ไม่ใช่เป็นเราด้วยเราไปกลัวมันทําไมมองมันเห็นนี้ป้ามรนละน่าป้ามันก็เห็นมีดวงตาแห่งธรรมเป็นอะไรเห็นมีโรดเห็นการดับของความทุกข์เกิดจากการเห็นเป็นเห็นด้วยปัญญา้ว่าสักว่าขัน่าไม่ใช่ตัวตนนะเป็นขาน่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็เห็นทำมาผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นกับสถาบุญสัพพจจาก็คือเราก็ต้องมาทําใจให้สงบก่อน <c oughs> แล้วค่อยมาสอนใ จ, ใ, จให้ให้ปล่อยวางฐานะ <c oughs> ปล่อยวางได้แล้วก็จะเห็นธรรมเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากทั <c oughs> ้งหลายลาความอยากได้ก็ไม่ทุก ร่ววางกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คือยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายมันก็ไม่ถึง อ, อันนี้คุยังไม่ยอมไม่แก่อย่างพยายามแต่งหน้าทาปะยังยอมผมยังอะไรอยู่ดึงด <c oughs> ึงด <c oughs> ึงหนังให้มันเต็มอยู่นี่ <c oughs> แต่หนังไม่ยอมยังไม่ยอมแก่ <c oughs> แถ้าวันหนึ่งอาจจะราคาญวุ่นวายเป็นทุกข์กับมันปล่อยให้มันแก่ไปมันก็มันก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับความแก่ของร่างกาย สบาใจนะคำถามหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณไปที่ท่านต่อไปนะมันปีดีเจิญกันปดีคํานธรมศสการครับพระอาจารย์ครับผมเอมาฟังอาจารย์เป็นคั้นที่สองครับคราวที่แล้วเอทางอาจารย์ขอโทษครับได้ยินเสียงผมไหมครับอาจารย์ครับได้ยินได้ยินครับครับครับก็ พยายามพุโทโธพุโทโธอยู่อยู่ตลอดนะครับแต่ว่าก็ลืมเรื่อยแต่พอแต่พอมานั่งสมาธิปุ๊บมีความรู้สึกว่าว่ารู้สึกตัวครับพระอาจารย์ครับแล้วก็อยู่กับคําว่าคําว่าพุโทโธครับแล้วก็รู้สึกสบายครับอันนี้ถือว่าถูกทางไหมครับพระอาจารย์ครับถูกทางแต่ยังไม่เต็มยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะครับพอช่วงเช้า พยายามนั่งสักสองชั่วโมงครับพอช่วง<ม>บ่ายปั๊บเราลองเช่วงบ่ายพอมาทดลองนั่งดูก็ จ, จะจะบางทีพอพุโทโธพุทธโทรได้สักแป๊บปั๊ปปมันก็จะนิ่งไปเลยครับก็นึกนึ ก, นกไหลไม่ออกครับอันนี้แสดงว่าเป็นยังไงครับพระอาจารย์ครับก็แสดงว่ามันนิ่งนะเจ็บมันนิ่งผมว่าเจ็บเป็นสมาธิในระดับหนึ่งครับแต่ไม่รู้สึกตัวนะครับพระอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าพอพุทโธพุทธโทรปับมันิ่งไปเฉยๆครับพระอาจารย์ครับ ให้รู้สึกตัวแบบแบบหลับเนอะขผมก็เป็นเข้าใจครับอาจารย์ครับผมมันต้องรู้สึกตัวไหมเราคุยกันให้รู้สึกตัวป่ะรู้สึกตัวครับอาจารย์ครับก็ต้องก็ต้องอย่างนั้ น, นเวลานั่งสมาธิก็รู้สึกว่ามันจิตมันนิ่งแต่ตัวรู้สึกนี้ตัวตัวรู้สึกนี่ไม่หายไปไห น, นเป็นเหมือนกับตอนที่ตอนหลับนี่ตัวรู้สึกก็หายเป็นทุกอย่างหายไปหมดเลยครับหายแบบนั้นใช่ปะ สงสัยจะหลักแล้วครับพระอาจารย์ครับก็พอเดินจงกรมครับพระอาจารย์ครับก็ใช้แบบที่อาจารย์คือพอพุโทโธพุโทโธส่วนใหญ่ได้สักสี่สักห้ารอบหกรอบก็จิตใจก็ลอยไปเรื่อยก็ใช้คำว่าพุทโธพุทโธพุทโธตลอดแบบนี้ได้ไหมครับพระอาจารย์ได้ต้องพยายามใช้พุโทโธอย่าให้ใจลอยไม่ต้อง<จ>ดูว่าเออ อย่าพุดทางขวาโททางซ้ายเลยไม่ไม่ต้องก็ได้อย่างเดียวพูดทอยอย่างเดียวก็ได้ทอย่างเดียวนะครับอาจารย์ครับเราจะดูเท้าอย่างเดียวเรไม่ต้องพูดทอยก็ได้ทําได้สองแบบดูเท้าอย่างเดียวคือซ้ายขวาซ้ายขวาไปเลยนะเหมือนอาหารเดินสุดทาครับถ้าแบบนั้นผมจะใช้ลอยถ้าลอยก็ใช้พูดทแทนพูดทแทนนะครับอาจารย์ครับถ้ายังลอยก็ใช้สองอย่างะก้าวเท้าซ้ายก็ว่าวพูดทอก้าวเท้าขวาก้าวพูดทอยก็ได้ ครับคราวนี้การที่เราทานอาหารสองมื้อนี่ช่วยทําให้เราเรานั่งสมาธิได้ดีขึ้นไหมครับพิจารณ์ครับก็น่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าช่วงที่เรากินหน่อยมันก็ง่วงแต่หลังจากสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะไม่ง่วงแต่ถ้าเราเดี๋ยวกินอีกแล้วกินสามื้อเดี๋ยวมันก็มันก็ยังทำให้เราทําให้เราอิ่มอยู่ตลอดเวลามันก็เลยจะทําให้ง่วงได้ ถ้าเราเช่นเรากินแค่เที่ยงวันเนี้หลังจากเที่ยงวันไปรั่งน้ำระยะหนึ่งมันก็จะท้องก็จะเบาแล้วนั่งสมาธิมันก็จะไม่ง่วงแต่ถ้าเรากินมื้อที่สามคือมื้อเย็นเดอะความพอท้องจะเบาหน่กินใหม่อีกแล้วก็เลยจะไม่มีเวลานั่งสมาธิได้เพราะมันจะง่วงทุกครั้งทีนะครั บ, รบผมเข้าใจแล้วครับต้องขอบพระคุณพระอาจารย์มาครับผมมีปัญหาเท่านี้ครับพระอาจารย์ครับสถึง หนึ่งไท่านต่อไปคุณยินดีอยากทราบแคลอรีหนนะ้ามีคำถามอะไรไมั้ยยินดีค่ะอาจารย์เ<า>ดวิดฝากความคิดถึงค่ะไม่มีค่ะท่านอาจารย์แล้วฝากค่าจารสาธุสาธุค่ะคุณชูลาศต่อเลยคุณชัลา์อยู่ที่ไหน อ่านมัสการครับผมอยู่ที่ปทุมธานีครับอาจารย์คําถามอะไรอ่าไม่มีครับอาจารย์ครับวันนี้มารับฟังครับโอเคงั้นไปที่คุณม่วงพรต่อเลยคุณม่วงพรเชิญคุณม่วงพรถามคําถามได้เลยท่านมีคําถามอได้ยินแล้วนะคะแาบนมัสการค่ะถือว่าอย่างเวลาที่เราคิด ไม่ว่าจะเป็นถึงบุคคลหรือถึงเรื่องราวอะไรอย่างนเงี้ยจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราเข้าไปอยู่ในโลกสมมติแนละ้วซึ่งมันก็คือโลกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วถ้าเราไปหลงงี้นะมันจะต่างจากโลกเห็นความจริงอนะโลกเห็นความจริงมันก็คือโลกที่ไม่มีอะไรมีรู้อย่างเดียวคือมันจะไม่มีทั้งรูปคือรูปนี่ไม่ว่าจะตัวเราตัว แม่หรือตัวสามีลูกเต้าอะไรเงี้ยมันมันจะหมดอะเหมือนกับที่เราคิดถึงอสุภะพอจบจบจบจ บ, จบไปมันก็ว่างหมดเหมือนกับร่วงอะไรลงมานะคะความคิดก็เหมือนกันเพราะรู้สึกว่าสองข้อเนี้ยมันจะเกิดบ่อยอย่างความคิดเหมือนกันถ้าเราไม่ระวังอะนะะเราก็เหมือนจะเข้าไปอยู่ในโลกสมมุติเลยอะแต่พอเราระวังขึ้นมาปับ๊บมันก็จะมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยนะ เข้าไปอยู่ในโลกสมมติแล้วนะแท้จริงเนี่ยมันก็คือพูดง่ายๆมันก็คือตจรักอนะ่ะตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วมันก็จะปล่อยได้ถ้าไม่งั้นมันจะไม่ปล่อยนะแล้วมันก็จะมาอยู่ว่างๆแล้วก็เหมือนกับมันไม่มีอะไรมันเหมือนกับเดี๋ยวไปแล้วพอมีสติมันก็เดี๋ยวกลับมาคือตอนตอนกลับมาเนี่ย อย่างที่เช่นเช่นที่พายใจยเคยสอนว่าให้เข้าไปในเอเวก่ะตอนนี้มันเข้าในเอเวกค่ะตอนแรกมันก็จะเหมือนกับเข้าได้หลายอย่างตอนแรกก็คือรีบมีสติกลับมาที่ลมหายใจแล้วมันก็จะว่างๆนะคะแล้วถ้าเราทําไปเ ร, เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว้างใหญ่ไพศาลแล้วเราก็จะรู้ว่า ไอ้ความจริงอมันไม่มีอะไรนะไม่มีหมดเลยทั้งรูปทั้งเวทนาแล้วก็โดยเฉพาะมันจะดูง่ายคือดูสัญญากับดูสังขารเนะะี่ยค่ะอย่างนี้ถูกไหมฮะลูกกาบเรียนถามเออมันของมีอยู่มันก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมีจะไปว่ามันไม่มีไม่ได้รูปตอนนี้มันก็มี แต่เราต้องรู้ว่ามันไม่เที่ยงนั้นเองรู้มันเป็นไทรลักแล้วอยากไปยึดไปติดมันถ้าวันหนึ่งมันจะต้องมีการสิ้นลายไปเมืำหรับรูปสําหรับรูปนะแต่เวทนาสัญญาต่างๆมันไม่สูญจลายมันก็อยู่ไปกับมันก็ไปกับจิตเดิมอืมแต่มีความรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเรามองให้มันถึงแก่นแท้เนี่ยนะมันเหมือนกับว่าถ้า เราไม่มีสติกลับมาอยู่ที่เบกค่ะปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราจะไปคลุกเขากมันไปเกิดความยึดติดกับความคิดนั้นมันไม่ปล่อยพอเราคิดได้ถึง อ, อ้าถ้าจริงมันก็เข้าไปในโลกสมมูติอกแล้วนะมันก็เป็นเหมือนกับโลกแห่งไตรักอะยังไงมันก็ต้องหายไปเพราะยิ่งไปคิดมันก็ยิ่งยืดเยื้อ มันเป็นสมมติเนี่ยมันเป็นของเชื่อข่าวสมมติว่าเป็นนายกอนายขอนางสาวงองนางสาวขอไปขอไปหัืนเรื่องที่เราคิดพอร่างกายมันร่องจะลายไปมันก็หายไปหมดหรือเรื่องที่เราคิดเนี่ยพอคิดปั๊บบางเรื่องก็สนุกบางเรื่องก็ทําให้ทุกข์พอได้ได้สติปั๊บกกลับมาอยู่อารมณหายใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่าคิดอย่าดีบ้างดีกว่าให้รู้เฉยเฉยดีกว่า เห็นอะไรก็ให้รู้เฉยๆสักแต่ว่าเห็นได้ยินแล้วก็สักแต่ว่าได้ยินหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดับไปเป็นธรรมดาอ่นะพอะใจนะเข้าใจนะ้วค่ะโอเคอปล่อยวางอย่าไปยึดไปติดว่าเป็นเราเป็นของเราอย่าพยายามให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะเพราะถ้าไม่หลุดออกมาเท่าเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิด กังวลดิจิตอลโผล่ย้ายอะไรต่างๆนั่นนะฮะแล้วมันก็ทุกทุแล้วแต่ดีกรีอะฮะอ่าอย่างได้อย่างาเป็นใจแล้วเป็นดินน้ําลมไฟมันก็หายทุกปล่อยวางฮะเพราะว่าอย่างดินน้ําลมไฟไม่ว่ากับลูกหรือใครเนี่ยมันก็ออกมาว่าอะแล้วมันก็ต่อไปมันก็ไม่มีอะไรอะมันก็แค่ตัวขาวเหมือนตัวเราอ่ะมันแยกร่างกายมันดินน้ําลมไฟที่มาโดนตัวร่างกายมันก็แยก่านกันไป ฮะเหมือนกับแม่เราก็แยกให้เราเหมือนพวเราเนี่ยตอนนี้มาเต็มจออะไรเดี๋ยวก็ยากกับในคนละทาง <อะ S 2> จอก็ว่างตอนแรกก่อนที่จะมาถึงจุดนี้นะฮะสองสามอาทิตย์ก็นึกอยากจะว่ากาบเรียนถามอาจารย์ว่านี่อย่างบางทีเนี่ยร่างกายเราเคลื่อนไหวเช่นแปลงฟันอย่างเงี้ยเราไม่เอาจิตเราไปอยู่ตรงนั้นได้ไ้มแต่ว่าจิตก็อยู่อะ ลมหายใจสบายสบายแทนในขณะที่เราแปลงฟันเพราะมันเป็นกิจกรรมที่ง่ายแต่ถ้าเราต้องคิดอะไรจริงจังมันถึงจะต้องอยู่กับตรงนั้นมันเดี๋ยวจาไม่ได้ว่าแปลงตรงไหนไม่แปลงตรงไหนนะถ้าไม่ไปดูไปก็ อ, อยู่กับที่งานที่เราทำมันจะได้ไม่ผิดพลาด อ, อย่าไปอยู่ที่อย่าถ้าอยากจะอยู่ลมก็ต้องหยุดทำอะไรทั้งหายแล้วก็มานั่งก็ยืนดูลมแล้วนั่งดูลมไปอย่างเดียว อย่าทำอะไรอ๋อนี่อย่างคิดว่าเอ๋อมันเป็นกิจกรรมง่ายง่ายได้ง่ายจต่าจจะทำพลาดก็ได้อาจจะหรือแปลงข้างบนหรืงแปงข้างล่างให้จำทำไม่ได้ว่าแปลงตรงนี้เสร็จหรือยังอ๋อท่านก็เหมือนกับว่าถ้าร่างกายเคลื่อนไหวก็ต้องมีสติอยู่กับการรู้รว่าเรากำลงทำอะไรเพื่อการการผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ได้เคลื่อนไหวนั่งเฉยๆยืๆยเยๆเนเฉยๆก็อยู่ลงไปได้น่ะ แต่พอดูลมแล้วมันก็มีพัฒนาการต่ออย่างที่เล่าให้ท่านฟังแนละ้วไม่ว่าจะตอนขณะนั่งสมาธิไหนก็ไมันจะไปถึงจุดหนึ่งที่มันจะไม่มีอะไรแล้วมันก็จะว่างก็ต้องการให้มันว่างเลยดูลมเพื่อให้จิตนว่าเป็นรูเบคาสบายเบาสบายไม่เหื่อยนอนไม่วุนวายไปกับใครกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นใช่เพราะมันไม่มีอะไรเลยนับปอยมา ปล่อยวางแบบแทนจริงไม่ลปล่อยด้วย่งวนด้วย อ, องเบกขาในการนำจิตให้เข้าสมาธิไปได้วันนี้ก็หมดแค่นี้ค่ะคหายไปหลายเดือนนะไม่ใช่เป็นสองเดือนได้สงเดือนนะโอเคสบายดีนะโอเคปฏิบัติต่อไปก็ฝ่าฝวาฟันในเรื่องที่ดูว่ามันเนี่ย เพิปั๊บมันก็เที่ยวไปวิตกวิจารน ะ, ะทเที่ยวไปคิดนู่น<ะ>คิดนี่วิตกวิวาจารนะเลยวิตกการคิดก็คือวิตกวิจารณนี่แต่พอคิดว่าอืมจริงๆแล้วนะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆหายมันเดี๋ยวนี้พอคิดปั๊บได้ปั๊บเราก็มาอยู่กับลมหายใจ<ะ>แล้วมันก็ว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปคิดให้เสียเวลา บางทีมันก็ใช่ใช่เหมือนกันนะมันเกี่ยวข้องกันในโลกสมมติเอาอย่างเป็นเรื่องแม่ลูกกันถ้าจำเป็นบางทีก็เข็นได้แต่เคสก็เพื่อปล่อยวางอยู่ดีแล้วแหละคิดไปไม่ยึดไม่ติ่คนะ่ะใช่ใช่ใช่โอเคนะแคาา่นี้ก่อนะขอบคุณค<อ>่ะคุณยาเสดเชนคุณยาเสดต่ออยู่ที่ไหนอาจารย์สวัสดีครับผ ม, อ, มอยู่ที่ไหนอยู่บางแสนครับอาจารย์มีคําถามไหม มีครับอาจารย์คือคือผมผมที่จะติดอยู่เรื่องเรื่องกายสังขารนะอาจารย์พอดีผมจ ะ, ะมีเช็คสุขภาพแล้วก็ผมกลัวเป็นมะเร็งมากเลยครับอาจารย์แล้วมันมันทำให้เครียดแล้วมันมันทาให้เครียดแล้วมันพอเวลามานั่งสมาธิหลืออะไรเนี่ยมัน นั่งประมาณสาสิบนาทีแบบสะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งเป็นสองสามรอบเลยครับอาจารย์มันมันมันมันไม่รู้ทํำยังไงดีครับอาจารย์แล้วห้ามมันได้เปล่าถ้ามันจะเป็นใช้เหตุผลด้วยทำด้ถ้าเกิดมันจะเป็นเะาห้ามันได้ใช่ไก็เล้ตอนนี้มันยังไม่เป็นไปไปวุ่นวายกับมันทำไมก็ให้มันเป็นก่อนเลยไปตัวก่อนแล้วมันจะเป็นอะไรก็ว่าไปตามความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริง มันจะตรวจวันที่ยี่เอ็ดเนี่ยครัาบอาจารย์ ก, ก็ตรวรจะตรวจสิกลัวไปทําไมตอนนี้ยังไม่รู้เป็นหรือเปล่าไปไปกลัวก่อนไปไปทุกข์ก่อนทําไมใช่ครัาบอาจารย์ทุกข์ก่อนพเพียดจนนอนไม่หลับครัาบอาจารย์มันไม่รู้จะแก้ยังไงแบบบางบางคืนลุกขึ้นมาตีหนึ่งตีสองมาเปิดธรรมะของพระอาจารย์ฟัง<น>มาให้มันมันก็ตาก็ต้องคาถาที่พระเจ้าสอนให้เราท่องอยู่เลยเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตานยเป็นธรรมดา มันไม่ได้มันไม่เจ็บด้วยโรคมะเร็งก็เจ็บด้วยโรคอื่นเนี่ยในที่เสุดมันก็ต้องเจ็บตายกันทุกคนไปตรวจคาั้งนี้อาจจะไม่เป็นก็ได้เดี๋ยวคราวหน้าไปตรวจไม้ออกไม่มีมะเร็งแต่เป็นความดันตะยตายวายแล้วตัดอักเสบแล้วมันมีอะไรให้เป็นได้ตลอดเวลามีทางเดียวเท่านั้นที่จะไม่ไม่เป็นก็ตัวอย่ามาเกิดกันนะ หยุดการเกิดได้เหมันก็ไม่ ม, ไ ม, ม่ไม่มีการแก่เจ็บตายตามมาแต่มีการเกิดเมื่อไหร่ความแก่เจ็บตายก็ต้องตามมาเป็นธรรมดา น, นั่นเองยอมแล้วเมื่อเกิดมาแลา้วก็ต้องใช้นี่นี่ของเราก็คือความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราอยากจะมาเที่ยวโลกนี้กันไม่ใช่ถึงอมาเกิดกันเนี่ยเมื่อเกิดแล้วก็ต้องเมื่อเมื่อได้ไประโยชน์ก็ต้องมีการเสีไปไปยประโยชน์ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรฟรีของฟรีหรอกใช่ไหม ไปเที่ยวยังต้องจ่ากค่าผ่านผ่านประตูเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวเลยเขาไม่ให้เข้าไปดูฟรีๆอยากจะมาเที่ยวโรงนี้ก็ต้องจ่ายค่าค้ามาค่าถ้ามาเที่ยวโลกนี้ค่าที่มาเที่ยวโลกนี้ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนน่ะที่อยู่กันนั่งอยู่ตรงนี้เป็นด้วยกันทุกคนมันต้องเป็นโลกใดโลกหนึ่งไม่ช้าก็เร็วหรือไม่ต้องไปกลัวเลยบ่งได้ยอมรับเลยเป็นก็เป็น รักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็ตายแล้วท้าไม่อยากจะมาเจอซ้ํําซ้าแล้วซ้ํำอีกก็ไปปฏิบัติธรรมไปบวชนะตัดกิเลสมาตัดกิเลสได้มันก็ไม่กลับมาเกิดเหมือนพระพุทธเจ้าไม่กลับมาเกิดก็ไม่นํามาแก่มาเจ็บมาตายถ้า แ, แท่นนี้อ่ะใช่ไหมครับไปปฏิบัติไปไปบวชนะ มันจะน่าไม่ต้องการมาเกิดส่วนร่างกายของชาติ้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ยอมรับสภาพไปมันจะมันจะเจ็บแบบไหนก็นนะให้มันเจ็บไปมันจะเป็นโรคชนิดไหนก็ให้มันเป็นไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ตายไปไม่ใช้าก็เลยว่าตายไม่มีโรค ก, ก็ตายบางคนก็นอนหลับไปไม่ยอมตื่นขึ้นมาก็มีนั้นต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา อย่าไปกลัวกลัวก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเพียงผู้มาใช้ร่างกายร่างกายเป็นคนใช้เราเท่านี้เราคือผู้สั่งใจคือผู้สั่งให้อ เ, เอาร่างกายนี้ไปนู่นนี่เราทํานู่นนี่ไปกินนูน่นกินนี่เราสั่งให้ร่างกายทำมาให้เรามันเป็นคนรับใช้เรามันไม่ใช่เป็นเรามันตายเราไม่ได้ตายไปกับมันไปกลัวอะไรมันเจ็บเราไม่ได้ไปเจ็บปกับมัน อาจารย์ไหมให้คิดอย่างนี้ครับอาจารย์อันนี้นะครับผมก็คิรอย่างนี้ว่าใ <น S 1> จใ<ะ>จจะสบายใยังไม่เครียดนะครับผมมันสอนดวงความเดชจากสว่างเกิดอาจารย์มีคาถามไหมอยู่ที่ร้านนะถึงต้องใส่ใส่แม้ไม่มีครับอาจารย์ไม่มีนะมาทำเฉยๆนะ โอเคยินไปที่คุณ อ, อปปเรเม้เมารู้มมมสม อ, อาจารย์อยู่ที่ไหนกลับ น, นมัสการคระอาจารย์ค่ะอยู่ปทุมค่ะมีคำถามไหมเออพอดีเวลาที่หนูตั้งใจที่จะปฏิบัติอะคะ่ะหนูจะปฏิบัติได้น้อยแต่ว่าหนูจะเดินจงกรมได้เยอะนั่งจงเดินจงกรมได้เยอะแต่ว่านั่งสมาธิได้ไม่ค่อยนานได้ก็เดินไปก่อน เดินปฏิบัติเดินไปก่อนแล้วเดินต่อไปสติมากก็จานั่งสมาธิได้ไปถุยมีคำถามโอเคก็เดินไปแล้วเดินอย่า เ, เ, เ, เดินแบบชอปปิ้งนะเดินแบบมีสตินะ <c oughs> ไปควบคุมใจอย่าส่งไปทางตาหงษ์จมูงงกเนื้องายไปทางรูปเสียงกลิ่ น, นลอนมันอยู่ข้างในให้อยู่กับพุทโธพุทโธไม่อยู่กับเท้าที่เราเดินนะนี่มันเดินจงกรม เข้าใจนะแล้วเดินเสร็จแล้วก็มานั่งต่อถ้าเดินนานๆมันเมื่อยมันก็จะนั่งได้เพราะมันต้องการนั่งอยู่แล้วมันเหนื่อยก็นั่งต่อได้นั่งไปดูลมแล้วพูดโทรต่อไปก็ได้นะอย่างเดินอย่างเดียวเพราะอาเดินนั้นมันจำไม่สงบถ้ามานั่งแต่ถ้ายังนั่งไม่ได้ก็เดินไปก่อนเพื่อเพื่อสร้างสติขึ้นมา พอมีสติมากก็จะนั่งได้แต่ไม่รู้สึกเลยเวลานั่งเวลาจิตสง่แล้วมันก็จะนั่งนานๆแต่ควรจะนั่งนะสมาธินี้จะเกิดจากการนั่งการเดินนี้จะได้สติเป็นหลัก ม, มีเท่านี้ใช่ไหมมีมีเท่านี้ค่ะโอเคเชิญคุณนั่งบนต่อน ะ, อะ มีคำถามไหมีคําถามไหอรายรายงานเจ้าค่ะก็ไปอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ต้องการรายงานแล้วไม่ไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวคนคนที่เข้ารอรอคิวคนเยอะเอาเอาไม่รอบสองถ้าไม่มีคําถามแล้วอยากจะรายงานก็มารายงานรอบสองก็แล้วกันอันนี้อยากให้ถามคำถามก่อนี้่ป ไม่ไม่มีมีไม่จ้าม่มีเ จ, จ้าค่ะถ้ามีแต่ว่าค่ะขออภัยด้วยนะเพราะว่าขออนุญาตมีคำถามที่เหลือตรงเยอะยังไม่ได้ตอบช่ค่ะใช่ค่ะเสรลาบอกเหมือนกันค่ะโอเคค่ะวันนี้ฟัถามก่อนนะเดี๋ยวสำหรับรายงานนี่ไว้ทีหลังเจ้าค่ะโอเคคุณบิวตี้บิวตี้เจาอยู่ที่ไหนจ้าคุณบิวตี้กลานามัสการเจ้าค่ะ เออทานั่งได้ยินนัได้ยินนั่งพูดได้ไหมรู้กภูเก็ตค่ะเป็นเพื่อนย า, นยาค่ะเ่อนยาเลยค่ะยาเมตตาแนะนำให้เข้ามาซูมกับพระอาจารย์เจ้าค่ะ อ, อ่ามีคำถามไหมมีค่ ะ, คะคถามได้เลยจ้ะค่ะก็เออเมื่อกี้พอฟังที่พระอาจารย์ออตอบใช่ไหมคะก็เกิดนึกสงสัยว่าการนั่งสมาธิค่ ะ, คะให้ท่องพุโทโธกับนับลมหายใจ เข้ารู้ออกรู้เนี่ยมันเหมือนกันไหมคะคือปกติได้มันเป็นมันมันมีหลายวิธีด้วยกันการที่จะทําให้ใจสงบนี้จะดูลมหายใจเข้าออกก็อย่างเดียวก็ได้หรือจะท่องพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวก็ได้หรือเอาสองอย่างมารวมกันก็ได้พุทเข้าโทออกก็ได้อืมแล้วเออ่การทําสมาธิค่ะเพื่อให้จิตว่างไม่คิดมันละความรักโลภโกรธหลงแบบนี้คือเราได้บุญใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ก็คือความมุนก็คือความสุขใจอืมแต่แต่บางทีหนูนั่งสมาธิแล้วแล้วหนูไม่รู้สึกสุขใจหนูรู้สึกร้อนหลดนะคะมันเหมือนกัก็ยังไม่สงบไงยังไม่ได้ผลอ๋อค่ะต้องนั่งต่อไปน่าจะ ไ, ไปจิตมันสงบยังนั่งมีความสุขค่ะที่ ม, มแล้วสมมติว่าเออหนูนั่งไม่ได้แล้วเออเพราะหนูบางทีชอบเผล อ, อยากแอบอยากเล่นมือถือเลยอะไรเงี้ยถ้าหนูเลือกไปไว่ายน้ํา แล้วพอหนูเหวี่ยงแขนขวาขึ้นมาแล้วหนูก็ท่องเป็นขวาซ้ายอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะอย่างนี้ถือว่าเป็นสมาธิไหมคะไม่เป็นเนปะ็นการฝึกสติตอนนั่ออ ง, นงสมาธิแน่ต้องมีสติ อ, ตอาจะทาให้จิตสงบนิ่งนั่งต้องนั่งกายต้องนิ่งด้วยนั่งกายต้องอยู่เฉยเยอ๋อเข้าใจแล้วจ้ค่ะแล้วก็เออคือการปล่อยวางคือคืออะไรอะคะคือมันคือมันเหมือนเข้าใจง่ายแต่หนูไม่เข้าใจอะคะ่ะปล่อยวางก็คือไม่ไปยึดกับเขาไง เขาจะเป็นยังไงนั่นก็เรื่องของเขาเขาจะเป็นจะตายก็เรื่องของเขาไม่ว่าจะเป็นอ่ไรแ ล, ล้วร่างกายครับถ้าเราปล่อยวางก็มันจะเป็นจะตายก็เรื่องของมันไม่เดือดร้อนอือแล้วเออยอมอะค่ะที่สอนให้ยอมถึงจะเย็นได้เงี้ยค่ะก็เหมือนกันยอมก็ปล่อยวางเลไม่ไม่ไปตอบแต้าไม่ไม่ไปไมไีอะไรกับใครใครจะด่าก็ปล่อยก็ด่าไปใครเนะี่ย ใครจะทำะไรก็ปว่อยว่าทำไปทั้งที่แบบเกิดเราโดนเอาเปรียบอยู่ก็ก็ยอมเนี่ยค่ะถ้าไม่อยากจะมีเรื่องได้ถ้าทาองการให้ใจเราเยนนเราก็ยอมแบบแพ้เป็นภาชนะเป็นมาอืมค่ะแล้วก็เอออันนี้เรื่องแบบที่เป็นปัญหาในชีวิตหนูเรื่องส่วนตัวนะเจ้าคะ่ะคือหนูหนูก็บางทีพอหนูไม่ได้อย่างที่หนูอยากหนูก็จะไปกดดันสามี บางทีแล้วว่าแบบพอแบบพูดแล้วก็มันด้วยนิสัยไม่ดีของหนูก็แบบไปพูดจาดูถูกเขาไปอะไรแล้วก็แบบบอกให้เขาต้องทํานูน่ทนทํานี่อยากให้เขาแบบประสบความสําเร็จอยากให้เขาแบบร่ํารวยเพื่อมาเลี้ยงเราให้สุขสบายหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ <S <S อืแล้วก็คือแบบพอเขาไม่ทําหรือไม่กระตือรือร้นอย่างที่แบบใจหนูอะไรเงี้ยบางทีหนูก็พูดแล้วคือเขาก็ซึมจ่อยแบบเขาฟังอะไรเงี้ยแต่คือแบบคือมันตอนหลังคือคือมันหนูรู้ว่าคือมันไม่มันไม่ มันไม่ใช่สิ่งที่คนทําแต่มันอดไม่ได้นะอะไรเงี้ยคเพราะเราไม่เราไม่ยอมเราไม่ปล่อยเขาไงแต่ยังจะก็กลุมบังคับวคนอยู่ตั้งดีไม่ดีถ้าเกิดเขาเป็นคนคืดสู้ขึ้นมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ส่ายเดี๋ยวก็ทะเลาะกันทันี้อืี่นี่ยังดีเขาไม่เขาไม่คืดสู้เขาไม่ไมไมอะรเขาเฉออยเแต่ถ้าสักวันหนึ่งถ้าเกิดเขาอดกั้นไม่ไหวเขาอาจจะระเบิดออกมาก็ได้อืม เหมือนกับเราเนี่ยถ้าใครมาคอยมาบางคาบเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราก็ทนบังคับไม่ไหวแล้วก็อาจจะระเบิดขึ้นมาค่ะแล้วก็สมมติว่าบางทีหนูรู้แบบเออคิดอยากช้อปปิ้งใช่ไหมคะแล้วพอหนูตั้งใจว่าเอ้ยหนูอยากได้ของอย่างเนี้ยแล้วหนูก็จะรู้สึกผิดว่าเอ๊ะหรือเอาไปทําบุญดีกว่า ม, มันก็จะรู้สึกแบบเอ๊ะถ้าเกิดมาซื้อของก็จะรู้สึกว่าจริงๆไปทําบุญดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ดีเด็ก็จะได้ไปทาบุญว่ามุญมันดีกว่าซื้อของ ซื้อของมาได้แปปเดียวเนี้ยมันก็เบื่อแล้วแต่ทาบุญแล้วความสุขมันไม่หายไปอืมค่ะแล้วบางครั้งอะค่ะหลวงพ่อคือว่าเอ่อหนูว่าเวลาหนูทําบุญใช่ไหมคะลึกๆหนูก็แอบรู้สึกผิดเหมือนกับว่าเอ๊ะบางทีเราไม่ได้ให้เงินพ่อแม่เรามากเท่าที่เราทําบุญก็ทําบุญกับพ่อแม่ได้ก็เป็นทําบุญเหมือนกันทําบุญกับพ่อแม่ก่อนแล้วก็ไปทําบุญนอกอ้าวเหรอคะหนู<อ>คิดว่าทำบุญกับพ่อแม่ก่อน วันวันนี้ไม่ต้องไปทําทําของพ่อแม่แล้วก่อนพอพ่อแม่พร้อแมแล้วมีเหลือก็อไปทําที่อื่นตอบพ่อแม่ที่แรกเหรอคะใช่พ่อแม่เขนึลีาดูมาเลี้ยงดูเรามาพ่อแม่เป็นผ้าละหันของเราแล้วต้องตอบแทนคือพ่อแม่เราก่อน อืมแล้วเอ่อได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่ออธิบายก็คือเวลาเราว่างให้เราก็คือท่องพุโทธโธพุทโธคือเพื่อทําให้จิตเราว่างจะได้ไดมีบุญใช่แม่ไปชิมไดเ้เวลาอาจารย์เพราะที่เราวุ่นวายมันก็ตายเป็นบาปเสนมากลายเป็นทุกข์ขึ้นมาอืมแต่เวลาเราทํางานแล้วก็เราก็ทํางานให้เต็มที่ได้แยกเวลาได้ให้อยู่กับงานที่เราทำอย่าไปชิมได้ไหมอืมแล้วก็มันมีเรื่องอันนี้แบบเรื่องน่าอายหน่อยนะคะ คือหนูว่าเอ่อทำงานใช่ไหมคะแล้วก็คือบางทีหนูแบบหนูมีความคิดเรื่องการแข่งขันธุรกิจเหมือนบางทีหนูแก้แค้นแบบหนูหนูอยากจะไปดึงลูกน้องของอีกเอ่อไอ้บริษัทอีกที่หนึ่งมาเพื่อแก้แค้นเขาที่เคยทําไม่ดีกับหนูหรืออะไรแบบนี้คะ่ะคือแต่ซึ่งจริงๆลูกน้องก็เป็นลูกน้องทีมของหนูเหมือนกันแต่คือจิตหนูบางทีแบบไม่ได้คิดทําเพื่อธุรกิจแต่มันมีแวบเพื่อแก้แค้นเขาอะค่ะใช่เป็นการสร้างเวทสร้างต่าง พอเราไปทําเข้าเดี๋ยวเขาก็กลับมาทําเราต่ออืมแต่ถ้าเกิดเราหยุดตอนนี้ก็คือทันใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ถ้าเราไม่ทำมันก็แสดงว่าเราเราทันกิเลสของเรทันความโกรธของเอืมค่ะอ๋อครบหมดแล้วค่ะขอบ ค, คุณมากเนีเป็นยังไงฟังเทศฟังมศนาธรรมได้ประโยชน์ไหมดีมากเลยค่ะได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะ นี่หนูก็อยู่ภูเก็ตก็คือไม่คิดเลยนี่คือครั้งแรกตอนแรกก็ ค, คือคิดว่ามาฟังแล้วน่าจะฟังไม่ได้แล้วน่าจะออกอะไรเงี้ยค่ะแต่ฟังเรารู้สึกเฮ้ยสนุกเรื่องพี่คนนั้นคนนี้ก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์ทุกคนเลยค่ะอ่าดีเรเชิญใหม่นะนี่ในละบ า, า ก, ก็ทุกเกินวันพุธสองทุ่มก็เข้ามาได้ได้ค่ะจะพยายามเข้ามาให้ทุกพุธเลยค่ะถ้าไม่มีคําถามก็ดูที่ในเ้เพจและดูสดก็ได้ไม่ต้องเข้ามาก็ได้ าการคำถามไว้เข้ามาได้ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อโอเคต่อ<ส>ไปคุณการคุณกันเนี่ยมนะันการสุขสมสุขสงบได้ยินไหมมีแต่จอภาพไม่มีคนเดีย๋ยวข้ามไปที่คุณจอยก่อนนะคุณจอยเชิญจอยมีอะไรพูดไหมมีคําถามไหมไม่มีค่ะเข้ามากลับพ่ะจตุมาทั้งทายกันให้ด้วว่ายัง ยังมีชีวิตอยู่นะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนทสงสารอยากอยากเออพามาทักทายกันหน่อยอ่าสาธุครับยก ม, มือว่าได้พระหน่อยหายไปแล้วว่ามามีอะไรไมั้ยสบายดีหรือเปล่าเราสารคุยก่อนเร็วครับจะอ่าคับผมครับผม อเป็นย่างดีทั้งคู่นะอย่าวนมากกันไปนะอขพูดอ่ะขอครูข้าวป่อนบ่งกุ๊กแบงกก่อนอ่ะอเ่อะนะอให้สุขสบายกันน ะ, อะโอเคเดี๋ยวขอไปที่ท่านต่อไปนะป่ะคุณสุภัชอะไรก็แล้วแตนคุณอ่าเปนเ<ข>อ ฟาริสายังยไม่เปิดเนข้ามไปก่อนดีกว่าเอาคุณสภตาก่อนนะใครอยากจะพูดก็เอาเปิดโเปิดไฟให้เห็นได้ากจากบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกของบาล่งฟังเฉยๆเจ้าค่ะฟังเฉยๆนะอเป็นไปที่คุณมาลีต่อลค่ะเมาลีแต่ห่ค่ะถามามีคาถามให้คุณมาลี หนูไปฟังเทปเก่าๆของหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าการปฏิบัติเหมือนกับการโป้บ้านสร้างเรือนที่ต้องลงเข็มทําพื้นเทคานอะไรเนี้ยค่ะหลวงพ่อหนูก็เข้าใจนะมันเหมือนเหมือนกับว่าฟังแล้วเข้าใจเหมือนไม่ยากแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายแต่ว่ายังไม่สามารถจะทําได้ถึงขนาดที่หลวงพ่อบอกอะค่ะ ไม่สายเขาใช่ไหมอย่างอย่างวันนี้หนูปฏิบัติตั้งแต่ช่วงเก้าโมงสิบห้าจนถึงเที่ยงค่ะแล้วก็แล้วก็วกช่วงอ่เสียงหายไปเปมนอะไรสัญญาณไม่ดีเนาะสัญญาณฟรีสเเห็นไปที่ท่านที่ามไปเมื่อกี้ทอกันเห็นคนอะไรนะ หายไปแล้วไปแล้วครับตอนนี้คุณสุพัฒนาคนต่อไปสุพัฒนาเนนะคะกราบธรรเสการพระอาจารย์แล้วค่ะมีคาถามไหมมาละรับมารับทำมแล้วก็มากราบพระอาจารย์แล้วค่ะไม่มีคำถามไม่มีคำถามเจ้าค่ะเจ้ค่ะไม่ใช่ฟังอรคุณฟังอะไรามธรรมสการ์เ้ค่ะ เมื่อเช้าที่ถามพระอาจารย์เรื่องจานาค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เอากลับมาใช้จริงๆเลยค่ะเพราะว่ากําลังจะฟันธรรมพระอาจารย์ประกบว่ามีปัญหาที่ทํางานเข้ามาเลยต้องใชสส้สมองก็สติในการคิดนะค่ะตอนนี้มันก็ยัง ป, ปวดหัวอยู่แต่ว่าในใจมันยังมันรู้สึกเฉยๆเหมือนวางเฉยอะค่ะอันนี้คือเรามีสติใช่ไหมเจ้าค่ะก็มีสติมีการย้ำๆมีมีอย่เบื้องขาไม่ไป ไม่เอามาใส่ให้มันหนักหัวเราลบมันออกไปจากใจเราถึงแม้ยังไม่ไม่ได้มีปัญญาก็ใช้สติลบมันออกไปก่อนแต่เดี๋ยวเพิพอเพิ่มสติก็กลับไปคิดที่ว่จะเอาเข้ามาในใจเราได้ไหแต่ถ้ามีปัญใช้ปัญญาแล้วมันจะไม่มันมันจะไม่เอากลับเข้ามาเพราะมันจะเห็นว่าเป็นทุกข์จะค่ะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนน่าจะค่อนข้างหนกกักแต่ตอนนี้รู้สึกว่าพอมีปั ญ, ปญหา ย, ยังมีมากเหมือนเดิมเจ้าขาดำเนี่ย เรารับมือกับการกับการแก้ไขปัญหากับทุกได้มากขึ้นค่ะอ่าค่ใช้สติใช้ปัญญาสองตัวนี้นคะครับมีท่านี้นะครับท่านต่อไปคุณจรูนชคุณจรูนีชชนวุฒ<ะ>ินะทุกท่านครับผมมีสองคำถามครับ ขอถามก่อนว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่อยู่พนักโภมครับชลบุรีครับโอเคครับถามได้ในการเจริญในการเจริญสตินะครับผมใช้แบบอนาภาณสติก็คือพิณาลมหายใจที่กระทบกับปลายจมูกครับทีนี้บางครั้งเนี่ยมันไม่หายใจหรือว่าหายใจเบาจนกระทั่ง เอจับจับลมที่มันกระทบกับปลายจมูกเนี่ยไม่ค like ่อยได้ครับอย่างนี้ครับจะจะทํายังไงเพราะหรือว่าบางทีมันหายใจสุดแล้วเนี่ยครับมันก็มันก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับบางทีมันหายใจเบาก็รู้เฉยเฉรู้เฉยเฉยเน่องวนนี้ไม่มีลมหายใจเหมอนลอดูมือนดูจอ จอทีวีเนี้แล้วอยู่ดีๆภาพจอทีวีก็หาแต่ก็ดูจอไปต่อให้ให้รู้ว่ามันไม่กระทบไหดูความว่างไปถ้าไม่ถ้าไม่มีลมมันก็ต้องมีความว่างมางจากการที่เราก็ดูความว่างไปครับผมไม่ต้องไปที่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปความหาลมไม่ต้องอะไรทั้งนั้นให้ดูเฉยๆต่อไปเหมือนเดิมดูว่าตอนนี้ไม่มีลม ก็อยู่กับความว่างไปอยากที่อยากไปเดี๋ยวชอบชอบเออปีก็มันชอบแวบไปแต่ก็พยายามจะดึงกลับมาครั บ, รบเราไปก็นหนึ่งกลับมาถ้ามันไม่ยอมกลับก็ใช้พุโทโธหนึ่งก็ได้ท่องพุโทโธพุโทโธไปครับเอ่ออีกคำถามหนึ่งครับเอ่อการกระทําหรือว่ากรรมอันใดที่ที่เราทําแล้วเนี่ย จะได้เจอกับครูบาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับหมายถึงทำหมือายถึงทําอะไรถึงจะเจอครับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอเหมือนว่าในในชาตินี้ผมได้มาเจอพระอาจารย์แล้วก็พระลูกอื่นๆที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมได้ทําทกรรมอันใด ก็ลเลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าในชาติต่อไปเนี่ยผมจะต้องทําอย่างไรที่จะได้เจอพระที่ปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบอย่างนี้นะครับอ๋อเราก็ต้องชอบธรรมะถ้าเราชอบธรรมะเราก็จะไปหาคนที่มีธรรมะถ้าเราชอบเอาเอาบนวดล้วก็จะไปตามอาบ น, นวดก็ไม่ไปเจอครูบาอาจารย์ถ้าไม่อยู่ที่นั่นเนถ้าเราชอบถา้าเราชอบธรรมะเราก็จะเจอพระปฏิบัติีปฏิบัติชอบทุกภพทุกชาติ ออครับใช่ไหมเพรับเอเราจะเพราะเะไรก็อเราก็ต้องการหาคนที่มีธรรมะถ้าเราชอบธรรมะนะครับถ้าเราไม่ชอบธรรมะเราก็จะไม่ไปหาคนที่มีธรรมะคนที่ไม่ชอบธรรมะก็ไม่มาเข้าห้องเราเยอะเขมีห้องอื่นให้เข้าใช่ไหมครับพอก็เห็นปั๊บเขก็ออกไปเลยเนี่ยพอเข้ามาวงเข้ามาปั๊บเอ๊ะคุยเรื่องอะไรวะโอ๊ยไม่เอาดีกว่าไปดีกว่า อยู่ทหมายความว่าถ้าเราถ้าเราชอบอะไรมันเราก็แล้วพยายามดงพยายามชอบธรรมะไปเรื่อยๆแล้วทุกภบทุกชาติจะเจอพระพระเจอเจอพระดีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับครับเพราะเวลาเจอพระที่ถ้าที่ไม่มีธรรมะเราก็ไม่ไปหาเนี่ยเรารู้จักว่าไม่มีธรรมะเราก็เปลี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยก็ต้องเจอพระที่มีธรรมะเข้าจนได้ ครับถ้าเราชอบผ้าที่แจกเครื่องมาอของขันเราก็จะไปหาแต่ผ้าที่จากเครื่องารางขอ ง, อง ข, องของันนะถ้าเช่าพ้าที่ที่สับยันเราก็จะไปหาผ้าที่สับยันนะครับใช่ครับครับก็เลยแบบว่าก็เลยสงสัยว่าคือในชาตินี้อาจจะ ไม่สามารถที่จะอะคงจะต้องเกิดอีกหลายชาติจะเลยคิดว่าจะต้องทําอย่างไรถึงจะหาที่ที่พึงที่ที่ประเสริฐได้นะครับถูกต้องนะเขายาังชอบธรรมะไปเรื่อยอย่าเปลี่ยนใจให้รักเดียวใจเดียวชอบธรรมะอย่ <c oughs> างเดียวครับครับเราก็จะไปหาภาพที่ภาพที่มีธรรมภาพาที่ไม่มีธรรมเราก็ไม่เราก็ไม่เข้าหา โอเคนะได้ตอบคําถามเหมือนล้วใช่ไหมครับขอบคุณคุณของพ่อมากครับ okay. คุณเซอทธาันเนยเชนเนยจากปทุมใช่ไหะสัตวแพทย์นะใ่เจ้าค่ะพระอาจารย์ตัดวันนี้ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะไม่มีคำถามนี้ก็ขอผ่านขอไปที่คุณสงศัก์ต่อคุณสมศัก์ได้ยินไหมต้องต้องบริหารเวลาเลยนะอย่างเันิน เดี๋ยวมันจะเกินห้าทุ่มไม่ใช่ไอยากทราบว่าตัวตับกายละเอียดกับกากายยาวเป็นยังไงกายยาวก็ร่างกายเราไงที่ลราอาการ32นี่เราเรียกว่ากายยาวกายละเอียดก็คือใจกายทิศมันมีสองด้างมันมีกายยาวกับกายทิศกายยาวก็คือร่างกายที่มีอาการ32ที่เราเห็นเนี่ยเรียกว่ากายยาว ส่วนกายละเอียดก็คือใจเราผู้รู้ ค, คิดนี้เป็นเป็นเป็นกายคิ่เราไม่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาปะอยู่ในโลกที่อยู่คนละโลกกับหน้ากายกระจายยังครับมีดางนี้เลอแล้วเวลาที่เราสามารถเห็นกายละเอียดได้ไหยครับก็ต้องนั่งสมาธินั่งสมาธิ พอเราพอเราถอนถอนถอนถอนใจออกจากร่างกายรวมเข้าไปในใจแเราก็จะเห็นตัวรู้ตัวรู้ก็คือกายทิพย์กายละเอียดครับถ้าอยากจะเห็นรายละเอียดกายทิพย์ก็ต้องนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธแล้วดูลมหายใจเข้า อ, อพอจิตสงบภาพจิตมันกาจะแยกออกจากกันแยกออกจากร่างกายจิตก็จะเลื อ, อยู่ตามกำพังเราก็จะเห็นกายทิพย์เห็นตัวจิต แล้วสามารถที่จะควบคุมอกายละเอียดได้นะครับได้ใ น, นก็รจังสมาธิล้วก็ควบคุมให้มันนิ่งไม่ให้มันโลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้รักอะไรได้ครับมาจะขอบคุณมากมากครับโอเคนะอะนอยู่ที่ไหนดืงถามมาจากที่ไห น, นตอนนี้ผมอยู่บุรีรัมย์ครับแต่บ้าน อ, อยู่สุดตอนนี้อยู่บุรีรัมย์แต่บ้านอยู่ที่ไหนนะ อสู่สุรินครับสุรินใกล้กันนะอยูติดกันครับผมโอเคเอาเท่านีก่อนนะขอไปที่ด้านต่อไปครับคุณกระลิกฌานคุณกระลิกกล่าวนมัสการหลวงพ่อครับวันนี้ได้ยินชัดเจนไหมครับได้ยินชัดเจนมีคําถามอะไรว่ามาเลยเอ่อถ้าเราอยากเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราต้องเป็นพระโสดาบันก่อนไหมครับถึงจะได้นับว่าเราเป็นพุทธบุตรลูกพระพุทธเจ้าครับ ก็ภาษาโมชุนุปัลย์อาริยะทุกนุปจะถือว่าเป็นลูกของพระเจ้าก็ได้โอถ้าเรายังปฏิบัติตัวเพื่อให้ตัวเองเป็นอริยะช่วงนี้ยังเป็นเป็นหรือยังครับหรือยังไม่นับครับอ๋อเพื่อเพื่ออย่ที่ว่าเราปฏิบัติถึงขั้นไหนถ้าเราเข้าสู่ขั้นวิปัสสนาได้แล้วก็เข้าสู่อริยามรรคแล้อครับาถ้าเรายังทําุญาำทามรักษาศีลนั่งสมาธินี้ยังไม่ถือว่าเป็นอริยามรรค น้องพิจานณาตายรักในฐานห้าที่จะแลกเข้าสู่อริยามรรคได้อ๋อครับการนั่งปฏิบัติสมาธิภาวนาจะทําให้เราเวลาทํำทานหรือรักษาศีลได้บุญมากขึ้นไหมครับไม่เวละเรื่องกันคนละบุญเหมือนกับข้าวสามชนิดทานก็เป็นกับข้าวอย่างหนึ่งศีลก็เป็นกับข้าวอย่างหนึ่งสมาธิก็เป็นกับข้าวอย่างนึ่งอ๋อครับ เมื่อวานนะครับผมไปตักบาตรแล้วผมก็เลยนั่งสมาธิตอนตักบาตรมันทําให้รู้สึกว่าตอนตักบาตรเราเกิดปิติมากกว่าตักบาตรปกติอย่างนี้ครับหลวงพ่อมันเกี่ยวข้องกันไหมครับก็ไม่รู้แหละเกี่ยวก็ไม่เกี่ยวก็ให้รู้ว่ามันดีก็แลกันถ้ามันดีก็ทํานี้ต่อไปอ๋อครับแล้วก็จําได้ว่าเราไม่ต้องสุขสันรดวันเกิดแต่เราสุขสรรวันที่จะไม่เกิดใช่ไหมครับหลวงพ่อว่าถึงเวลานั้นอ่าเพราะว่าถ้าสุขสรรดวันเกิดมันก็ต้องทุกข์ ม, มันไม่สุขมันมันทุกข์แต่เราเราตัวเราเองก็เป็นวันสุขสรรมันเกิดกันคนยังเรียกว่าทุกข์ทุกข์ ก, กับวันเกิดดีป่ะอ๋อตอนี่อย่างนี้มันต้องมีแก่มีเจ็บมีตายตามมางั้นก็เมื่อวานมันเมื่อวานมันเกิดผมยังไขอหลักธรรมหลวงพ่อว่าใช้หลักธรรมข้อไหนให้เกิดให้ชีวิตเรารู้สึกมีความชัดเจนในชีวิตคพราะอยากรำวันเกิดสาธุครับอือ ไม่เกิดไม่เกิ ด, ก, ดก็ต้องปฏิบัติทางซิงภาวานาให้เต็มร้อยครับเพราะจากการที่ตั้งแต่ผมไปบวชมาตอนนั้นผมทุกวันผมก็จะเปิดแบบเทปหลวงปู่หลวงพ่อองค์นูน้นองค์นี้มาก่อนนอนหรือในชีวิตประจําวันรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนะ่ยมันไม่ได้ทราบถึงใจถึงขนาดนี้วันนี้ฟังอีกครั้งมันแบบมันถึงใจมากกว่าแต่ก่อนนะครับร แ, ลแล้วเราเร้รับเข้าใจดีมากขึ้นครับเข้าใจในธรรมามากขึ้นมีอันนึงผมว่าอาจจะมีประโยชน์ ในการแชร์คือเมื่อพูดถึงนักดนตรีหรือนักกีฬาเขาจะมีวันไหนที่ฟอร์มดีฟอร์มไม่ดีแต่ส่วนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว อ, อย่างหลวงพ่อหรือหลวงตามหมาบัวเวลาขึ้นเทศทุกครั้งเป็นมาสเตอร์พียทุกครั้งไม่มีครั้งไหนที่ดรอปกว่าครั้งไหนเลยครับแบบถ้าจะถามว่าองค์อันครั้งไหนครั้งที่มาสเตอร์พียของท่านคือทุกครั้งของท่านคือมาสเตอร์เพียครับไม่ได้ของทุกหลวงพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกอ ง, งเลยครับอันนั้น เป็นสิ่งที่ผมให้รู้สึกว่าแตกต่างจากนักกีฬาหรือนักแสดงที่ดาราบางคนบอกเล่นนี้เรื่องดีเล่นนี้เรื่องไม่ดีฟอร์มตกแต่สำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่มีคําว่าฟอร์มตกครับไม่เลยมัสเตอร์พีฟครับสถูกครับเราดูเนี่ยเรารู้ได้ไงเราไม่ได้ติดตามทั้งทุกตลอดเวลาเวลาฟอร์มทัานตกก็มีนะ <c oughs> ตอนตอนเทศครับตอนเทศครับตอนเทศ <c oughs> แบบเห็นเทศ <c oughs> ทุกครั้งแบบครับ ก็เพราะว่าธรรมะมันเป็นดาการหรือกเนีมันไม่เปลี่ยนไปกับการเวลาครับธรรมะมันเป็นของของธรรมะที่อยู่ในใจของของพระอริยะนี่มันเป็นธรรมะที่เสถียรแบบนักกีฬาเราต้องมาลุ้นว่าวันนี้จะฟอร์มดีไหมพรุ่งนี้อาจจะฟอร์มธรรมะนี่แบบโหเท่ทุกครั้งมาสเตอร์พีสทุกครั้งครับอดีวันนี้ใช่ไหมวันนี้ได้พรอมประเสริฐแล้วครับเดี๋ยวผมจะยิ่งตัวนยิยิ่งขึ้นไปครับวันนี้ได้กินหมูยอ ตาถูกโอเคคุณหญิงตาคุณหญิงคุณหญิงเพียนเพียนเพนเนี่ยเพนเพนคุณหญิงเพียนเพนใช่อยู่ที่ไหนผู้ดทางทางอะไรต้องเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเสียงไม่ค่อยได้ยินเสียงค่อยมากดังหน่อยได้ไหมอ่าอย่าไปปิดไม้เดี๋ยเปิดไม้ออกเปิดไม้ก่อน เสียงค่้อยมากเลยท่อาเราพูดไปดนะูมีคำถามอะไรไหมไม่มีก็ค่ ะ, ะไม่มีนะฟังเฉ ย, ยๆนะโอเคองั้นไปที่ท่านต่อไปเอาคุณมาดีกลับมาใหม่เลยคนะ่ะว่ามาคุณมาลีมีคำถามอะไรเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรคือหนูไปฟังไปฟังที่หนูพ่อเทศ เทปเก่าอะค่ะแล้วก็คือก็เข้าใจที่หลวงพ่อบอกว่าการปฏิบัติเพื่อจะไปถึงให้มันมีสมาธิเหมือนกับปกบ้านสร้างเรือนเนี้ยมันมีหลายขั้นตอนแล้วอย่างอย่างวันนี้หนูปฏิบัติตั้งแต่ช่วงเก้าโมงจนถึงเที่ยงแล้วก็มาต่ออีกบ่ายสองครึ่งจนถึงสี่โมงเย็นนะคะหลวงพ่อมันมันก็สงบอะค่ะหลวงพ่อก็ไม่ไม่ได้นั่งหลับแต่มันเหมือนจะล่วงเหมือนเราเรา เรามันวื๊บวื๊สองครั้งอย่างเนี้ยค่ะก็รู้สึกตัวตลอดอะค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็กายเนี่ยมันหยุดนิ่งไปเลยค่ะหลวงพ่อแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรก็สงบอยู่แต่ว่ามันไม่มันไม่มากมันไม่รู้สึกว่ามากมีมีสนุกมากกว่าเดิมอะค่ะหลวงพ่อก็ไม่เป็นไรก<ม>็ <ขอ S 2> ให้มันสนุกปแล้วกันสุกมากสนุก้ม่ ก, ก็ยินดีตามมีตามเกิดนะ แล้วที่เราปฏิบัติอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันยังไม่ถึงแบบเยอะอ่ะค่ะแล้วมันจะเป็นเหตุให้เราเนี่ยได้เข้าใกล้เอ็บันไดขั้นที่หนึ่งได้ไหมคะถึงความจริงได้นะพ อ, พอเวลาเวลามันนั่งไม่ได้นั่งสมาธิแล้วก็หมั่นเจรณาขันธ์ห้าโดยเฉพาะร่างกายเราอยู่เรื่อยว่ามันไม่ใชตัวเรานะน้ามาจากดินน้ําำลมไฟนะเดี๋ยวมันก็ต้องตายนะนี่ก็เราก็เข้าสู่บันไดนะ คือหเข้าใจค่ะหลวงพอ่อแตห่หนูรู้สึกว่าเวลาเราเราปฏิบัติเราใช้ชั่วโมงในการปฏิบัติเยอะอย่างเนี้ยค่ะมันมันใจอะมันคิดว่ามันน่าจะจะเข้าใกล้ได้เยอะๆอย่างเนี้ยค่ะหลวงพอ่อคือน<า>อั่นงสมาธินั่งสมาธิมันไม่ได้ทําให้เข้าใกล้มากได้มันต้องคิดบ่อยๆต้องคิดทางปัญญาบ่อยๆค่ะหลวงพอ่อ แต่ตเราก็ต้องนั่งสมาธิเพื่อให้จิตมีกําลังคิดทางปัญญาได้แล้วอย่างเงี้ยหนูนั่งตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็จนจนช่วงเย็นอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือหลังจากหลังจากช่วงเย็นไปแล้วเนี่ยหนูก็ควรจะสมุอขอมาสี่โมงแล้วเงี้ยสี่โมงเย็นก็ควรจะพิจารณาอย่างอื่นพิจารณาเรื่ร่างกายพิจารณาร่างกายกใช่ไหมคะนนใช่เอาร่างกายก่อน ร่างกายเกิดแก่เจ็บได้ร่างกายเป็นเล น, <ะ>น้ำลนไฟไม่ใช่ตัวเรา<ะ>ของเรา<ะ>พิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็คอยสังเกต ด, ดูว่าเรายัางยึดนี่ติดมันหรือเ<ะ>ถ้าเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมานิดหนึ่งเราตกใจหรือเปล่ตาตังวลหรือเปล่าเหมือนคนคนนั้นที่ก็าอกจะไปหาหมอแล้วกังวลเยอะจะเป็นมะโรงอะไรนี้กันมา ออไม่ไม่ได้ไม่ได้กังวลค่ะหลวงพ่อพอดีหนูเพิ่งไปฉีดไอ้วัคซีนมาด้วยอะค่ะหลวงอใช่มันก็ใช่การเนี้ยสังเกตอยู่ถ้าไม่กังวลก็แสดงว่าเราเราไม่ยึดไม่ติดก็คือช่วงช่วงที่จะไปฉีดค่ะก็มันคนอื่นเขาก็มีกังวลกันอะไรเงี้ยแต่หนูก็คิดอยู่ในใจว่ามันจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายก็ช่างมันก็คือ คนเขาก็ยังไม่กล้ารีบไปลงชื่ออะไรเงี้ยหนูก็รีบรีบไปแล้วก็ไปฉีด เ, เลยอันนั้นก็เรียกว่าพิจารณาอยู่นะกำลังจเจริญมากอยู่ลหลวงพ่อคะไอที่พิจารณากายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกายเราอย่างเดียวใช่ไหมคะหลวงพ่อกายทุกคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยอย่าไปทุกข์กับเขาอย่าไปทุกข์กับร่างกายของเรื่อนของลูกเราของสามีเราของแม่เราของพ่อเราก็เป็นเหมือนกันหมดแก่เจ็บตายเหมือนกัน หลวงพ่อครอย่างเนี้ยแสดงว่าหนูก็น่าจะมาถูกใช่ไหมคะพอดีอน้องชายหนูเา้าเข้าไอซแต่หนูฟังข่าวครั้งแรกเลยเมื่อวานนี้ยหนูก็ไม่ได้ไม่ได้ตกใจมากมายก็คือเหมือนว่าเออเดี๋ยวเขาก็ต้องป่วยต้องเจ็บแสดงว่าเราเข้าใจที่จะเดินแบบนี้ถูกใช่ไหมคะหลวงพ่อเราไม่ต้องไปตกใจอะไรเงี้ยก็ไม่น่ย อ, นยอยู่ที่ว่าเป็นคนที่เราชอบแล้วคนเราเกลียดถ้าคนเราเกลียดเราก็ไม่ตกใจเราอาจจะดีใจก็ไนดะ้ เป็นเป็นน้องชายหนูเองอเค่ะพอแล้วเราเกลียดเขาหรือเปล่าแล้วเราชอบเขาหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ได้เกลียดเขาอ่ ะ, ะไม่เกลียดนะก็ไม่เกลียดเขาก็ถ้าเราเฉยก็แสดงว่าเรามีปัญญาไม่ได้เฉยเพราะว่าเราเกลียดบางทีเราคนที่เราเกลียดเป็นอะไรเราก็เฉยไม่เดือดร้อนอค่ะฟังพ่อก็คือให้เราพิจารณาทั้งกายเราแล้วก็กายคนอื่นด้วย<ด>ใช่ไคนโดยเฉพาะคนกายของคนที่เราชอบกายที่เราไม่ชอบไม่ต้องไปกังวล่ เพรเขาเป็นอะไรเราก็ไป็เนเดือรออยู่แนละ้วใช่ไหมคะหมอพ่อครับวันนี้หนูมีคาถามเท่านี้ค่ะหลวงพ่อโอเคค่ะไปที่คุณสิริรัตน์ต่อสิริรัตน์เชิญค่ะหลวงพ่ออยู่ที่ไหนธรรมสการครับอ่อยู่สงขารครับหลวงพ่อสองขานะมีคาถามหมดี๋ยวเดี๋ยวแฟนถามไปครับก็คือเวลาแบบนั่งสมาธิคือ พอรู้ลมพุทโธแล้วมันเครียดมันเหมือนหายใจมันติดค่ะอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแสดงสติเรามีกําลังน้อยสวดมนต์ไปก่อนนั่งสวดมนต์ไปก่อนอ๋อค่ะให้สวดให้ใจมันเบาลงมันสงบลงแล้วค่อยลองมาดูลองหายใจใหม่อ๋อเพราะตอนนี้ใจเรามันยังไม่พร้อมที่จะดูลงก็ให้มันสวดมนต์ไปก่อนสวดไปนาน สวดหลรอบสวดบทไหนก็ได้สวบดบทสั้นๆก็ได้บททีิเศษวาหลายแล้วหลายๆจบก็ได้สวดดนใจได้ยิ่งดีไม่ต้องออกเสียงสวดในขณะที่เรานั่งสมาธิครับของผมอเวลารู้ลมและบริกรรมเนี้ยครับหลวงพ่อแต่ว่ามันมันควรที่จะรู้สึกร่างกายทั้งหมดหรือว่าควร ควรที่จะแบบรู้ที่ลมอย่างงี้ครับหล่อรลมอย่างเดียวรู้ที่จุดเดียวด้วยรู้ที่ปลายจมูกที่ที่ตรงตรงตรงปลายจมูกอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าตรงที่ลมเข้าตรงที่เราซ้ําที่เราเห็นสัมผัสลมสัมผัสกับร่างกายครับแล้วแล้วคันบริกรรมนี้จาเป็นไหมครับลวงพ่อบริกรรมไม่ได้ไม่บริกรรมไม่ได้น้าแต่บางทีบางทีบริกรรมแล้วทำให้ใจเราอยู่กับลมได้ดีกว่าถ้าบริกรรมไปด้วยครับ แต่ถ้าผมบริกรรมแล้วมันบางทีมันลังคา ล, ๆๆๆลังค<ร>าอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ต้องบริกรรมดูลงอย่างเดียวไปแล้วถ้าเกิดเวลามันเคลิมอย่างเงี้ยรับหลวงพ่อเราต้องต้อ ง, ต, องต้องกระตุกกลับมาไหมครับเวลามันเคลมเคลิเคลมก็ต้องก็ต้องบริกรรมขึ้นมาถูกมันขึ้นม า, า, าม า, มาอมือ่อเสด็จมันขึ้นมามาปกมันขึ้นมามันจะใกล้จะหลับแล้วอะฮะคือคือยังไงต้องกระตุกขึ้นมาใหญ่ใหญ่ให้ใช่ใช่ยัยังไปกระตกร่างกายนะครับกระตุกใจ จะตก้แจ้งครับให้มันใช้พุโทโธแล้วสวดวนไปให้มันตื่นขึ้นมาหมดแล้วพอมันเกิดพอดูลมหน้าไม่เคลื่นแล้วก็ดูลมต่อไปแล้วการนั่งเราควรจะระยะเวลาที่นั่งเนี้ยหรือว่าเราควรเราจะรู้ไหมควรับว่าเราควรจะหยุดเลิกเมื่อไหร่หรือยังไงอย่างเงี้ยครับคือถ้าถ้ายังไม่สงบแล้วต้องมันคับให้มันนั่งไป น, นานจนกว่าเรานั่งไม่ไหว แต่ถ้ามันสงบแล้วมันจะนั่งไปได้นานเองเพราะเวลามันสงบแล้วมันจะสบายมันจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการนั่งอืมแล้วเดือดเหมือนว่าถ้าเกิดพอมันเราจะหยุดหยุดเลิกเมื่อไหร่ก็คือก็เมื่อนั้นเองใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่ถ้าถ้ามันไม่ค่อยได้ผลมันก็อยากจะเลิกถ้ามันได้ผลแล้วมันก็จะนั่งได้นานเพราะมันมันมีความสุขจากการนั่งคแต่ถ้ามันถ้าเราฝืนนั่กก็ฝืนไปให้มากที่สุด Oh. เผื่อาอาจจะอาจจะสงบก็ได้เพราะงที่มันมันใกล้จะสงบแล้วเราเราไปยอมแพ้มันก่อนใช่ใช่ใช่ใช่ครับงั้นถ้าเราฝืนในนั้นอาจจะสงบก็ได้โอ้โ oh. ครับผมงั้นเท่า น, นี้ครับหลวงพอ่อบัณฑิตการครับโอเคครับอ่าเทอรู้จักช่องนี้ได้ไงเข้ามาได้ไงท้งแรกเลยครับหลวงพอ่อเนี่ยก็ก็ไปเจอแล้วก็เห็นเห็นโพสต์ โพสซูไมไว้ก็เลยก็เลยเข้ามาคุอแต่บางอยาก่ อ, อ, อนหน้านี้นก็เจอที่หลวงพ่อไลฟ์สดตอนบ่ายๆค่ ถ, ถ่ายทอดสดตอนบ่ายก็ไ ด, ด้ดูใช่ครับดูดูอันนั้นอยู่แต่เพิ่งรู้ว่ามีครูมแบบนี้เอันนี้ก็มีอาทิตย์ละครับทุกคืนวันพุธสองทุ่มแล้วก็มีในช่องของดเตอร์วีแปนถามตอบคําถามใน youtube อรวีสองทุ่เหมือนกันทุกคืนวันอาทิตย์อ ถ้าอยากจะถามคําถามก็ในช่องนั้นก็ให้พิมพ์ข้อความเข้าไปสองข้อความเข้าไปครับแต่ถ้าอยากจะมาถามเองก็ต้องรอวันพุธคืนนี้นพุธครับผมโอเคนะเอาเท่านี้ก่อนนะธรรมสการ์นะหลวงโอเคคุณกัณฐ์คุณกันฐ์พานเชิญการธรรมสการ์ค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่ยิ่ยาค่ะวันนี้ที่ไหน ไม่มีค่ะวันนี้เข้ามาฟังธรรมกับพระอาจารย์นิสั่ค่ะแล้วก็มาฟังเพื่อนเพื่อนตอบในสาาตอาคโอเคสาธุคุณนุ่มธิลาเจารย์น่มธากลัล บ, บนักการเจ้าสาวพระอาจารย์วันนี้มากาบพระอาจารย์นิเหเดมค่ะโอเคสาธุคุณนัดาธีพรพรอ่อเปิดม้ก่อนจะเปิดไม้ก่อนทุกอ่าพูดาด้นะล้แล้ว อ่าอ่ามีคำถามไหมมีค่ะเชิญถามได้เลยคุณนะคะหลวงพ่อเคยเป็นอาจารย์ที่เอเชียนยูมานะคะแล้วรทั้มแต่นุ่ยจับน้องเตอร์นจับนรวิบนะนู่จักค่ะก็เคยไปกับหลวงพ่อที่วัดเป็นประจําอะค่ะเมื่อก่อนจําได้แล้วจำได้แล้วจำได้นะคะพอดี ที่ไทยมาแล้วก็มาดูแลแม่ที่โรงพยาบาลก็กําลังทำสติหน่อยว่าจะถ้จิตตกมาหลายวันเพราะแม่เริ่มให้อาหารทางสายยางก็เลยต้องขอให้ท่านพระอาจารย์ช่วยทำยังไงให้ให้จิตมันขึ้นมาแล้วก็รู้จักคิดตัวเตรียมตัวเตียมใจว่าเปนเรื่องธรรมดาในส่วนร่างกายของทุกคนก็ต้องตายกันทุกคน แล้วเา<พ>อเาอเต็มเต็มน้าของความเป็นจริงไหมอย่าไปฝืนอย่าไปอยากก็ดูไปตามความเป็นตอนนี้ยังไม่ตายก็รู้ว่ายังไม่ตายตอนที่ตายก็รู้ว่าตายเนป็นเรื่องสุดวิสัยเนเรื่องที่เราห้ามไม่ได้ทุกไปก็ทุกไปก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แก้แก้ไขไม่ได้ถ้าถึงเวลาที่มันจะเป็นก็ต้องเป็นแล้วใจเราจะสงบใจเราจะไม่ทุกข์ ถ้ายอมเรายอมรับความจริงพร้อมที่จะรับกับความจริงพระอาจารย์ท่านสอนให้เราคิดอย่างนี้มานั่นตั้งนานแนละ้วอยากคิดอยู่เรื่อยๆเกิดมาทุกคนต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนนล่วงพ้นไปไม่ได้ถ้าเราคิอยู่บ่อยๆต่อไปเวลาใครเป็นอะไรเราก็จะไม่เราก็จะไม่เดือดร้อนนะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักแม่หรือไม่อะไรแน่นะมันมองความเป็นจริงปัญญา มีศา ส, สนานเป็นจริงก็คือทุกอย่างไม่เกิดแล้วก็ต้องมีแบบเป็นธรมรมดาแต่เราก็ดูแลท่านให้ดีที่สุดให้ท่านสุขให้ท่านสบายตามอัตภาพของท่านไส <Okay. S 2> าธุเพราะคุณหมอท่านให้เลือกระหว่างการให้การใหอ้อาหารทางสายยางกับการอยู่แบบไม่ใส่สายสยางทาง mm hmm. เราทาง ก็คิดว่ามันเป็นการทรมานคุณแม่จนเกินไปเราอยากได้รอยยิ้มไม่ใช่เราอัดอาหารเข้าไปโดยที่ท่านไม่ต้องการขนานี้ก็อยู่ในการตัดสินใจอะค่ะว่าว่าเราจะใช้ตัดจัดตัดสินใจยังไงเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไปก็ถ้าถามให้คุณแม่ตัดสินใจเองได้ก็ดีถ้าไม่ได้เราก็ต้อง พิจารณาด้วยว่าทําไปแล้วมันทําให้ร่างกายฟึ้นขึ้นมาได้หรือไม่ถ้าทําไปแล้วไม่ไทำให้ฟื้ไม่จะสุ้ต่อไปก็อย่าไปทํามันอีกแล้วให้มันสูดด้เร็วๆหนว่งอ่ะดีกาไปไปยื้อให้มันสู้ดานให้สู้ช้ามันก็ต้องทรมานไปนานอันนี้ไม่ถือว่าบาปเนะี่ยการที่ไม่ได้เยียวยารักษาการแม่อาหารนี้ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าเป็นการยุติการเยียวยารักษา พะมันไม่เปิดประโยชน์ยียาไปมันก็ไม่หายมันไม่ดีขึ้นยียาไปทำไมแต่ถ้ายังมีโอกาสที่ยียาลราหายแลวดีขึ้นทางก็ทำไปต่อการนรไมศการค่ะเข้าใจนะเข้าใจค่ะขอบคุณนะค่ะ อ, ค อ, อ, อันนิ้จำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มัน ต้องเป็นด้วยกันทุกคนอั น, นันตาไปควบคุมบังคับมันไม่ได้โอเคมีท่านนี้นะค่ะสาธุค่ะ่คุณมณฑาตอคุณมณฑาเชินอยู่ที่ชีงบุรีค่าบกมณฑาค่ะกลมาวนวัตการค่ะพระอาจารย์ได้ยินนะคะได้ยินอยู่ที่เชีงบุรีใช่ไห ใช่ค่ะก็ได้ เ, เข้ามาฟังธรรมสองอาทิตย์กับกิตติภารกิจต้องดูแลคุณแม่วัยเก้าสิบมก็ตอนนี้ก็ต้องดูแลนิดนึงวันนี้ก็มีคำถามนิดนึงค่ะอาจารย์คะว่ามีเพื่อนสหายธรรมค่ะเข้ามาปรึก ษ, ษามันทำให้ตัวเราเองเนี่ยเราเราไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้แต่ว่าอยากจะได้แนวทางในการที่เราจะต้องสนทนาธรรมกันต่อไปนะคะว่า ก็คือเขาเริ่อมัอยู่ว่าตัวเขาเองเขาก็มีสำนักในการไปปฏิบัติธรรมนะคะแล้วเขาก็ไปเห็นเรื่องราวในสำนักของเขาในเรื่องของการดําเนินเรื่องของเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยแหละค่ะเขาก็มีความข้องใจว่ามันไม่ไม่ถูกกับใจเขาเขาก็มาว่าเหมือนแบบเขารู้สึกว่าเขาอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับอูบาจารย์เนี่ยมันก็เหมือนมีนความปรามาสไปทั้งหมด ก็เกิดความสงสัยลังเลใจก็เหมือนหาคนคอนเฟิร์มกับเราว่าเขาเดินอยู่ในสํานักเนี้ยมันถูกต้องแล้วหรือไม่เดินทางอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะคือตัวรูปเองเนี่ยก็คงให้คําแนะนําไม่ได้นะคะก็เลยบอกว่าอยากจะมาหาแนวทางมากกว่าอยากให้พระอาจารย์ไว้เป็นการให้ทําให้เราได้ในการที่จะสนทนากับคู่สนทนาที่เขากําลังเดินอยู่ในมาร์เหมือนเราเนี้ยนะคะเขาก็มีความลังเลสงสัยกับ ครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของตนเองเราก็เลยปนหนูเองเนี่ยหนูก็เลยให้แค่คำแนะนำไปว่าทุกอย่างอะ่ะเราต้องวัดจากจากใจของเราที่เรามีอะไรการเปลี่ยนแปลงไหมค่ะก็เลยแบบก็มันมีคำถามแค่ว่ามารู้สึกกลัวการปรามาทไปทั้งหมดแต่ว่าในขณะที่กลัวการปรามาทแต่ก็มีความลังเลสงสัยกับข้อวัดข้อปฏิบัติที่ท่านได้ทาให้เราเห็นนะคะมันมีเรื่องของ เรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็คือตัวลูกเองก็ไม่สามารถที่จะให้แนวทางอะไรได้มากไปกว่าคาว่าให้เขาดูใจตัวเองว่าเราอยู่ตรงนั้นเ ร, เราเราก้าวหน้าไหมเราเก้าวหน้าแล้วเราถ้าเราไปติดอยู่ตรงนั้นแต่เขารู้สึกเขาจะก้าวออกมามันก็ไม่กล้าเหมือนแบบเราไปปรามาสครูบาจารย์แต่อีกหนึ่งก็ทาไมข้อวัดข้อปฏิบัติที่ท่านทามันก็ขัดแย้งกับหลักศาสนา ลูกก็เลยบอกว่าคงต้องใช้ปัญญาในการเห็นจริงคงไม่ได้ถึงเรื่องของการปรามาสอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าหนูได้ให้คาแนะนําอย่างนี้เป็นการเหมาะสมหรือเปล่าอยากให้ท้าอาจารย์ช่วยอาจจะให้คําแนะนําเพิ่มเติมค่ะว่าแท้จริงแล้วมันเหมือนแบบกลัวการปรามาสไปหมดแต่ไม่สามารถคิดมีปัญญาได้มันเหมือนมันซิลความรู้สึกอยากจะสงสัยก็อยากสงสัยนะคะแต่ก็ไม่อยากจะไปปรามา่าแต่ก็ ก้าวออกมาไม่ได้แต่ลูกก็เลยให้คํำแนะนำเพราะว่าเราคงต้องดูข้อวัดข้อปฏิบัติแล้วเทียบกับเราแล้วเราอยู่ตรงนั้นเราเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่เน่ยมันมันคือปัญญาที่มันจะคิดนะคะลูกก็ไม่กล้าที่จะให้แนวคิดหรือ ป, ปัญญาให้เขาคิดเองว่าจริงๆเราสามารถคิดได้มันมันมันเห็นได้ข้อดีข้อเสียอย่างเงี้ยค่ะอยากได้คําแนะนําจากพระอาจารย์ในในหลักเกณฑ์ตรงเนี้นะคะ่ะว่า เพราะมันเป็นความละเอียดอ่อนที่เราจะคุยกันเรื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะก็การดูครูบาอาจารย์ในฐานะที่ท่านเป็นพระเนี่ยเราก็ต้องดูว่าท่านปฏิบัติตามหลักธรรมไม่ไหนหรือเปล่าท่านรักษาศีลองท่านรือเปล่าศีลจอมยิ้เจ็ดข้อของท่านเนี่ยอันนี้คือการดูดูดูพระนะดูไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เป็นครูบาอาจารย์ก็ตาม พระทุกทุกก็ต้องอยึครับธรรมวินยัยต้องปฏิบัติตามตามกฎของพระถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎของพระเราก็ถือว่าไม่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ในเรื่องส่วนของท่านนะถ้าเราสงสัยเราก็ดูว่าท่านดูพระวินัยของท่านว่าเราบริสุทธิ์ไหมสิงท่านบริสุทธิ์หรือเปล่าแต่ในเรื่องของเราถ้าเราไปนี้ไปเพื่อที่จะไปศึกษาจากท่าน เราก็ดูธรรมะที่ท่านสอนเราว่ามันเป็นประโยชน์กับเราหรไม่ถ้าเรายัางสามารถเอาธรรมะที่ท่านสอนมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับเราได้เร า, าก็ควรจะแยกกันสองส่วนเรื่องเรื่องคําสอนก็เรื่องของคำสอนเรื่องการทรําตัวท่านก็เรื่องการทรําตัวท่านไป mm hmm. ถ้าเรารับไม่ได้ว่ามันต้องมันต้องต้องสองอย่างต้องต้องต้องดีหมดคือตัวท่านก็ต้องดีคําสอนของท่านก็ดีถ้ามันไม่ได้ลงสู่เราก็ต้อง เปี่ยนที่มันก็ไปซื้อของร้านนี้ร้านนี้ทำไม่ได้ให้สินค้าที่เราต้องการแล้วก็ย้ายย้ายไปร้านใหม่นั่นนี่แต่แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการปลามาสเนี่ยเราเราเราจะช่วยเหลือเขายัางไงเราอย่าไปปลามาสเถอะเราไม่ต้องไปพูดไปวิจารวิจารณท่านเรื่องของท่านท่านจะดีจะช่วยื่องของท่านไปเนื่งแต่เรา<ช>เรามีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์ว่าท่านดีหรือไม่ดีเหมือนเราไปซื้อสินค้าแล้วก็วิเคราะห์ว่าดีหรือไม่ดี ไปซื้อล้อแล้วเขวิเคราะห์ได้วา่ารถยีห้อนี่ดีและไม่ดีถ้ามันจะเป็นเบนแต่เราขับแล้วว่าเอ้ยมันไม่ดีเราอันนี้หมาว่าเราไปปลามาดเ็นซ์หรือเปลมันไม่ใช่เราก็ดูตามความเป็นจริงค่ะการดูความเป<แ>็นจริงไม่ถือว่าเป็นการปล า, ามาถ้าท่าไม่ท่านท่าไม่ประพฤตตามทํำวินัยเราก็รู้ว่าท่านไม่ประพฤติตามทําวินัยเท่านั้นเองอันนี้หมาว่าแต่เราไม่ไปไปโฆษณาไปบอกคนนั้นคนนี้ให้เขา รับทราบเรารู้เฉพาะตัวเราคนเดียว ม, มันก็ไม่ถือว่าเป็นการปลามากแต่ถ้าเราไปพูดไปไปโฆษณานี่แล้วการโฆษณาเราอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้นี่มันก็อาจจะเกิดทําสร้างความเสียให้กับท่านโดยโดยที่ท่านอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูดก็ได้ ก็คือตัววเราจะปอย่าไปยพูดคุ ย, ยกับคนอื่นเรื่องของคนอื่นแต่เราเฉพาะ ข, ของเฉพาะตัวเราเองได้ให้รู้ว่าในตัวเราเองว<า>่าเราควรจะเคารพท่านหรือไม่เคารพท่านนี่เป็นสิทธิ์ของเราค่ะนี่แหละค่ะก็มันมีช่วงสองอาทิตย์เนี้ก็เราตัวตัวหนูเองก็รู้สึกมีความกังวลขึ้นมานิดว่าพอเราได้ยินได้ฟังอ่ะเราก็คือเอาตรงไปตรงมาค่ะอาจารย์เราก็รู้สึกเราไม่อยากไปเอี่ยวกำอะค่ะมันรู้สึกว่าเราฟังแต่ว่า ก็อยากให้เขาคิดเองด้วยด้วยด้วยการตึกตรองอย่างที่พระอาจารย์บอกคะว่า<ม>น่าจะน่าจะมองได้ด้วยปัญญาเองแล้วก็ให้แยกกันเป็นเป็นสองส่วนนะคะเป็นเล่งงาไปใช่ปะค่ะ ก, <ห>ก็จะได้ค่ะ<ม>ก็ทำให้เราแต่แต่พอเรากลับมามองใจตัวเราเองค่ะจากเรื่องราวนี้มันก็มันก็ทำให้เราได้สอนใจเราเหมือนกันนะคะว่า<ม>อันที่เราได้ยินได้ฟัง ก, ก็วางใจเราไว้ตรงไหนเรารู้สึกเรา เราวิ่งไปกับกระแสที่เขาส่งมาใหม่เนี่ยค่ะ mm hmm. เราไปรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงเลือกไม่ได้คือคือผลดีทั้งหมดเลยค่ะการคุยครั้งเนี้ยค่ะเห็นใจตัวเองด้วยต้องขอบคุณเขาอ่ะทำให้เราเห็นว่าเราจะวางจิตของเราอ่ะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ได้ยินได้ฟังอ่ะโ mm hmm. ดยเฉพาะเป็นเรื่องของพระพ่อแม่ครูบาอจารย์ที่ท่านก็กาลังเพียรอย่างเนี้ยค่ะ ก็คุณพระอาจารย์มากค่ะได้ทําแนะนําแล้วค่ะก็คือการให้เขาวางแยกออกเป็นสองส่วนแล้วก็ให้เขาพิจารณาด้วยความเป็นจริงของเขาหรือจะได้ถ้าโอาสจะได้คุยได้วางจิตตัวเองได้ถูกแล้วก็จะได้ไม่รู้สึกว่า จ, จิตเราเศร้าหมองไปกับเขาด้วยอ่ะวันนี้ก็มีท่านี้ทนะ่านี้โอเคเห็นไปทนะี่เป็นผู้ที่บองต่อนะคนผู้ที่บงเชิญอยู่ที่ไหน กับนักวิ ก, ว ก, วการนักวิชาการพระอาจารย์อยู่กรทมครับผมมีคำถามไหมครับมีคําถามครับคือสงสัยว่ า, เ, าเราจะพิจารณาขันห้าว่าไม่มีตัวไม่มี ต, ไมมตนได้ยังไงครับอาจารย์ขันห้ามันมีห้าห้าห้าอย่างแล้วก็เอาทีละอย่างเหมือนตอนนี้ของที่ห้าที่สุด ก, ก็คือร่างกายร่างกายที่เราไปคิดว่ามันเป็นตัวเราใช่ไหม ที่เราไม่รู e ้ว่าคนที่คิดนี้เป็นใครคนที่คิดนี้เป็นร่างกายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นั้เราค้นหาทัางหาคนที่คิดให้เจอก่อนคนที่คิดนี้อยู่ในร่างกายหรือเปล่าเราค้นหาดูผมเป็นเราหรือเปล่าคนเป็นเราหรือเปล่าไม่เป็นเราหรือเปล่าฟันเป็นเราหรือเปล่าเลือดคนก็เป็นคนเลือก็เป็นเลฟันก็เป็นฟันแเราค้นหาด้วูอาการนั้น หมดที่มีน้ำหกายแล้วก็จะสรุปได้ว่ามันไม่มีเราในน้ำหนักกายนี้ใช่ไหมมีหมน้ำหนักกายมันแค่อาการสามสิบสองมีสามสิบสองาการผมเป็นเราเปล่าตัดผมตัดผมแล้วเราหายไปเปล่าหายไปกมไหมไม่ค่ถอนฟันแล้วเราหายไปกับฟันเปล่าไม่ครับเปลี่ยนตัดเปลี่ยนไตแล้วเราหายไปกับไตที่เปลี่ยนเปล่า เราก็เราก็อยู่ที่เดิมเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแสดงว่าอาการทางสังค์นี่ไม่ใช่เราเลยก็คือข้อสรุปอย่างนีน้แล้วตามหลักทฤษฎีผงแจ้งมาสามวันเราก็คือผู้รู้ผู้คิดนัวรจที่มากอะติดกับร่างกายเหมือนคนขีม่ม้าคนขี่ม้ากับม้านี่เป็นคนเดียวกันหรือเปล่าละคนหนั่งแต่คนขี่ม้าที่คนสั่งให้ม้าวิ่งไปไป ไปไหนมาไหนใช่ไไปซ้ายไปมืไปขวาเดินหน้าถอยหน้าไม่มามันไม่มันมันต้องรอคาสั่งของของคนขี่ใช่ไหมร่างกายมันต้องรอคําสั่งของใจใช่ไหมถ้าคนไม่สั่งให้นุ่มเนี่ยมันจะลุกได้เปล่าให้เดี๋ยวต้องลุกไปเข้าห้องน้าเนีสั่งแล้วใช่ไหมต้องคิดก่อนนะนั่นคนสั่งคือใจก็เหมือนคนขีม่ม้าร่างกายก็เหมือนมา้าเป็นคนละคนเ คือวิธีคือวิธีพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายกับเราเป็นคนละคนกันเราไม่ได้เป็นมะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นคนขี่ร่างกายเราเป็นคนสั่งร่างกายเราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าปใจเป็นนายกายเป็นบา ป, น, า น, าาป น, บานี่คือวิธีแยกแยกร่างกายออกจากใจด้วยคำคิดแต่ยังไม่พออยากจะให้ชัดจากนั้นต้องนั่งสมาธิมานั่งสมาธิจิตสงบ ร่างกายกับใจจะแยกออกจากการได้เห็นชัดเจนเลยทีนี้ความรู้ทั้งสองส่วนนั้นนี้ก็ไม่หลงนะเหมือนสมัยก่อนคนก็คิดว่าโลกมีแบนใช่ไหบแต่พอคนฉาดมานั่งคิดว่าถ้าแบนทําไมเวลานั่งเรือก็มาทําไมถึงไม่เห็นตัวเรือพร้อมกันทั้งหมดทําไมเห็นแค่เสาธงกัดก็แสดงว่าพื้นผิวน้ําที่เรือวิ่งมานี้มันต้องโค้งเว้าเใช่ไหม อ่านั่นแหละก็ที่มันโค้งว้ามันใหญ่มันมันก็แสดงว่ามันเป็นเป็นการคงว้าวของกงกลงนะเขาก็พิสูจน์ได้ว่าโลกนี้มันกลมไม่โลกนี้ไม่แบนแล้วพอเขานั่งเรืวไปเขาก็พิสูจน์ได้นั่งเรืวไปทางทิศตะวันตกแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมโดยที่ไม่ต้องขานกลับมาเพราะมอนก็เดินในวงกลมนะ เข้าใ จ, าจครับอ า, อาจารย์อ่ามีมีคําถามอีกครับอ่าเวลาเวลานั่งสมาธิครับก็เหมือนแบบว่าจิตจิตเราอยู่กับตัวแล้วครับแล้วเวลาได้ยินเสียงครับก็จะมีอาการแบบตกใจอะไรเงี้ยครับก็ไม่เวลา<ะ><ะ>นั่ตกใจปั๊บก็ให้มีสติรู้ทันแล้วก็วนกนเนี่ยายวางมันก็เหมือนสะดุดเนี่ยมันขับรถไปแล้วมันไปสะดุดกับลุมมันสะดุดปั๊บแล้วมันก็วิ่งต่อไป แล้วก็รู้ว่ามันตกใจตอนนั้นมันก็ผ่านไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปตกใจตามมันถ้ามันตกใจช่วงขณะที่มันตกใจนั้นก็ไม่ต้องมาตื่นตระหนกตามที่มานั่งมานั่งวิพากษ์วิจารณ์เฮ้ยเป็นอะไรเว้อย่ามึนอย่างนี้อาจารย์ให้รู้เฉยเฉยอย่ายไปวิพากษ์วิจาร์อย่ายไปให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วผ่านไปแล้วเข้าใจไหมครับ เรารักษาจิตให้จิตเราแน่งอยู่ต่อไปให้ลูกเฉยๆต่อไปแน่นอยู่ใช่ครับขอคําถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับคืออย่างคนในครอบครัวครับมักจะแบบว่าอ่ารับรับ fake ิ e มาครับอาจารย์แล้วทีนี้อ่าผมก็แบบได้ได้ได้ศึกษาเรื่องนั้นมาพอสมควรครับเราก็อธิบายให้ท่านได้แบบอ่ารับทราบอะไรครับว่ามันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับ อย่างเช่นเรื่องวัคซีนนะครับอาจารย์แล้วทีนี้ก็พอพอท่านไม่ไม่ไม่ไม่รับฟังอ่าข้อเท็จจริงเลยนะครับก็จะมีแบบอ่าเกิดทะเลาะทะเลาะอะไรกันได้อะครับแล้วทีนี้ผมควรจัดการยังไงดีครับเขาไม่รับก็หยุดใช่ไหมเหมือนเราให้เงินเขาก็ไม่เไม่เอาเราก็ไม่ต้องไปยัดเยียดให้เขาเราไม่เอาก็จบไม่ต้องไปทะเลาะกับเขาบังคับให้เขารับเงินของเราใช่ไหม ถ้าคุณให้เงนคคินทายแล้วเขบอกขอบคุณไม่เอาเนี้ยคุณจะทําไงคุณจ ะ, ณจะบังคับเขาหรือเปลไม่ครับแต่แต<ม>ว่าทีนี้เป็นคนในครอบครัวครับไม่เป็นใครก็เหมือนกันทั้งนั้นเมื่อเขาไม่รับมันจะไปบังคับเขาได้ยังไงเขาปล่อยไปตามนี่ของับเขาบังคับเขาก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วดีไม่ดีก็ด่าเรา อ, อย่างนี้ทะเลาะกันอย่างเงี้ยถามว่าเราโง่ใช่ไหมเราจะเราจะเราจะไปทํายงไงได้่ะ ก็จะมียอมรับว่ามันมันไปคนละทางแล้วนะเขาจะไปทางนน้นเรจะเป็นหนี้ให้มาทางนี้ได้ยังไงเขาก็ไม่เขาก็อยากให้เราไปทางเขาแต่เราก็ไม่ยอมไปทางเขาอยู่ดีใช่ไหมแล้วตทางใครทางมันไปได้ไหเพราะว่าวิธีวิธีอยู่ร่วมกันที่ดีที่สุดก็คือให้สมหวัส่วนต่างประสานส่วนนั้นอย่าคุดเรื่องที่มีความเห็นต่างกันเดี๋ยวทะเลาะกัน ให้คุยกันเรื่องที่มีความเห็นตรงกันดีกว่าครับนะเพราะคนเรามันมีคิดเตุทุกคนเน่ะมีความคิดคอมเ็นของตอนเองแล้วเปลี่ยนยากแล้วคนอื่นเปลี่ยนก็ได้ต้องตัวเจ้าของเองต้องเปลี่ยนเองต้องเห็นสักวันนึงก็อา จ, จะเห็นสัจธรรมความจริงขึ้นมาเองนะไครับหมดคํำถามแล้วครับขอบคุณครนะัอบอาจารย ไทต่อนะคนุณสภาพรไม่ใช่นะอยู่ตรงไหนคร อ, อ, อบคอรัวครูผาอรูารูาอลิสาอลิสลาได้ยินไหมหนูหนูได้ยินเดียวพ่อไปนะรสเอาคนวิมุดก่อนนะคนวิ่มุดวิ่มุดดีัากนมัานสปปามสบากเจ้ะ สามมาเปยังไงมีคำถามไหมหนหนูหือจะมากราบเฉคนะฮะต่องอ้วรที่คำถามเลยเมื่หรจะถามเลยวันนี้มไม่มีไม่มีคำถามค่ะมากราบลิ้นตาเจ้าค่ะโอเคดีใจที่เห็นทุกคนสุขสบายดีเตรีตัวเข้านอกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะออโอเคนะเป็นเด็กดีนะพยานเรียนหนังสือเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ ทุกคนนะอย่าดื้นะแล้นหนจะมีแต่ความสุขนะความเจริญสาธุกค่ะลงจากรักษาสุขภาพนะคะอ่าสาธุจ้ะขอบคุณค่ะอย่ารย์นมากันค่ะอาทุกท่านต่อไปคนวิมุติได้ยินไหมวิมุติไม่ได้ยินนะได้ยินแต่พูดไม่ได้เล ไม่พูด่งนี้ต้องผ่านไปนะโอเคผ่านไปเมื่อเสร็จหมดแล้วมั่งรอบรอบแรกทุกคนได้ถามหมดะคุณสัจดาคุณสัดาเชิญคุณสัจดาได้ยินไหมที่หน้าจอมันจะมีบอกให้อันนิ้วไมโครโฟนอยู่ข้างล่างตรกลางอ่ามันได้แล้ ค, ครับได้ยินแล้วเชิญครับก็ได้มีโอกาส เจอเฟซหลวงพ่อมาสองสัปดาห์นี้แล้วก็ได้ดูหลวงพ่อก็อรู้สึกประทับใจในธรรมะของหลวงพ่อนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาซูมมีคําถามไหมที่หลพ่อได้กําลังเนี่ยเป็นคนที่ชอบชอบท่องมนตแล้วก็แต่ว่าอารมณ์ของมนต์เนี่ยบางครั้งเราจะท่องเป็นรู้สึกว่าอาทิตย์นี้ยเราอยากจะท่องก็ท่อ ง, ท, องท่องเลย วันไม่อยากท่องก็ไม่อยากท่องเลยผมก็เลยแปลกใจว่าทำไมมันเป็นอารมณ์น่ะอารมณ์มันแปรปวนบางวันก็ว่าถ้าเราอยากจะท่องมนต์เราอยากขอครับเราต้องมังครับเ ป, เป็นที่อารมณ์ใช่ไหมครับอ่าเป็นที่อารมณ์อย่าอย่าไปทําตามอารมณ์ต้องให้เหมือนกับกินข้าวครับอย่าไปกินตามอารมณ์ให้กินตามเวลาถึงเวลาต้องกินก็กินถึงเวลาสวดก็สวด เพราะการสวดมนตนี้มันเป็นการให้ความสุขกับใจให้สติกับใจครับยังเวลามันไม่อยากจะสวดก็ต้องบังคับให้มันสวดถ้าถึงเวลาสวดคือลักษณะการท่องมนต์ครับเวลาผมจะชบท่องมนต์เนี่ยเวลาเวลาผมนึกนึกอยากจะท่องเนี่ยผมจะท่องได้ได้ได้ทุกนึกอยากเป็นอาทิตย์ทิตก็ท่องไปแต่ว่าเเวลาไม่ใจมันไม่นึกจยากท่องเนี่ยมันจะปิดประตูเลยครับไม่ไม่ไม่ไม่อยากท่องเลย นะครับเป็นลักษณะนั้นรู้สึกว่าบ่อยแต่ว่าวันไหนถ้าเรารู้สึกว่าอาทิตย์นี้เราอยากจะท่องมนต์เราก็จะท่องเป็นทั้งอาทิตย์เป็นเป็นเดือนไปเลยอย่างเงี้ยก็มีอีกนะครับแล้วจะขอถามครับ <ทำ S 1> ครับถามอะไขอถามหลวงพ่อจริงครับว่าเมื่อก่อนเวลาผมจะนั่งสมาธิผมก็จะสวดมนต์ก่อนแต่ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนวิธีการก็คือเราจะใช้การสวดมนต์ในใจไปเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การเข้าสู่ถึงธรรมะนะครับ ก็จะท่องท่องมนอยู่ในใจเหมือนไม่ต้องไม่ต้องสวดมนก่อนแล้วก็จะเข้าสมาธิเลยอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับได้ถูกต้องทำไปในใจไปได้มั่อท่านนั่งสมาธิไปท่องไปในใจครับครับก็เหมือนก็เหมือนเราท่องพุโทโธตอนที่เราท่องพุทโธ อ, อ่าครับและหลังหลังจากที่เราสวดมนเสร็จแล้วเราก็จะก็จะมาเข้าเข้าในสูตรของการพุโทโธอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับพุโทโธก็ได้ดูกงงก็ได้มันก็จะทําให้วการนั่งสมาธิเรา <Y> ายาวเกินอยา่าเวล้วผมนั่งไปครับเวลานั่งไปนา น, านๆลูกศิษผมมันจะตัวผมเนี่ยจะเคาลุกคนชันแค่นั้นครับสุดถึงสุดสุดแค่คนลุกคนชันครับแล้วก็จะออกจากสมาธิตรงนั้นเลยก็อย่าเพิ่งเลิกทาต่อไปส่วดมนต์ต่อไปถ้ามันอยากจะแลกก็สวดมนต์ต่อไปเลยกําลังหมดตอนีต้องเติมเ <uk> ติมเติมสติใหม่ด้วยการสวดมนต์ต่อเราจะสามารถที่จะตอบไปได้ใช่ไหมครับได้ได้ ถ้าเราขยันเราทำต่อไปอ๋อเพราะว่าผมจะจะจบแค่ตอนเวลาคนลุกชา้นปุ๊บเนี่ยแล้วก็เราจะสะดุ้งสะดุ้งจากตรงนั้นมาเลยแล้ก็เลยขี้เกียจนะนะถูกต้องครับแล้วก็จุดมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นอ๋อถ้าต้องการให้ไปก่อนได้ก็ต้องต้องส่วนเินต่อไปมาเพรเขาเข้าพยายามเอาถ้าเรารู้สึกตราในช่วงที่เราจะคนลุกขึ้นปุ๊บเนี่ยแล้วเราจะหยุดเนี่ยเราก็อาจจะฝืนหน่อยนึงดึงใจกลับมาอต่ว่าผมจะปล่อยแล้วผมก็จะ นอนถ้าปล่อยถ้าปล่อยมันก็หมดกำลังน้องใช้ต้องสร้างกําลังขึ้นม า, มาใช้สร้างสติขึ้นม า, มาครับถ้าเมื่อก่อนเมื่อเมื่อหลายปีแล้วผมชอบท่องบนก่อนแล้วก็ท่องบทแล้วคือหลายๆบทเนี้แล้วท่องปากเปล่านะติดปากนะครับแต่ว่าเวลาเข้าสมาธิมันเข้าง่ายครับเวลาเข้าปุ๊บเนี่ยมันจะติดเลยอะคือถึงเราจะเข้าไปได้ง่ายผมเราสังเกตแล้วใช่ถูกต้องเพราะวลาการสวดนี่เป็นการฝึกเจริญสติ ครับผมผมผมสามารถที่ว่าทำไมเราเลาท่องมุลแล้วจะมาจูนเหมือนเหมือนเราจูนง่ายเลยจะเข้าไปทันทีปั๊บเดียวถึงเลยอย่างเงี้ยครับถูกต้องนะหลั ง, งหลังผมก็นานๆแล้วก็เลยเออปัญหาคือต้องบังคับทำให้มันเป็นทาให้เป็นประจำถึงเวลาก็ทำครับครับมันจะได้ก้าวหน้าแต่นี้มันก็เป็นแบบไมนกระต่าย มันอะไนอยากจะมีอารมก็ทําเวลาไม่มีอารมก็ไม่ทําใช่ำสู้เป็นเต่าไว้ได้เต่ามันทำของมันไปเรื่อยๆได้มากได้น้อยทําได้มากทําได้น้อยก็ทําไปครับครับแต่ทุกคืนผมก็พยายามสวดมนต์แค่อีกจีบิโสเดินหน้าถอยหลังบทนี้บทเดียวก็แค่นั้นครับเป็นอย่างนี้ถ้าที่เกียดนะพูดถึงว่าทำไมอยากนะผมก็ได้แค่ท่องแค่นี้พอทุกคืนก็ ก, ก็จะจะลักษณะเนี้ยครับพยายามสอนตัวเองว่าความที่เกียดไม่พาเราไปเลย ทำจำเรลยไม่ได้อยู่ที่ความที่เกียดครับโอเคนะวันล้วใช่ไหมก็มีแค่นี้ครับปัญหาเี้กเขาอยู่ที่ไหนบ้างที่ไหนผมอยู่อำเภอบงไจังหวัดพระนครศรียุธยาครับวันนี้ครั้งรกนะที่เข้ามาครับครั้งแรกครับครั้งแรกครับยินดีต้อนรับครับขอถวายความเคารพเลยครับโอเคอนนี้ก่อนหนะครับผมที่คุณนั่งเห็นเปิดไม้หายไปแล้วคืนอะไร อยู่ก็บแบบนั้นไปครับตอนนี้มีคุณอาภิเศษเลยนะคุณอาภิเศษได้ยินไหมคุณาอาภิเศษบุษราภมลนักวิชาการผู้อาวุโสครับอาจารย์าารออยู่ที่ไหนอยู่ที่สกลนค ร, รเคยเข้ามาหาพอาจารย์ครั้งหนึ่งแล้วครับอืมแต่ก็ฟังพระอาจารย์ข้างนอกอยู่หลายครั้งอยู่ครับอืมีคำถามไหมวันนี้ มีครับพอาจารย์าถามได้เลยฝึกสมาธิแล้วขี้เกียจครับอาจารย์ครับขีบ้เกียจมากเลยตอนเช้าคุนมาจะฝึกก็ขี้เกียจล้วะถ้าคิดถึงความตายบ้างจะว่า mm hmm. เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะขี้เกียจเวลาตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยนะไม่มีอะไรติดตัวไปเลยข้าพเจ้าต้องทํา ต, ต้องปฏิบัติทำแข่งกับเวลานะเวลามันไม่แน่นอน มันจะล้มชะมดเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ตอนนี้เราทําได้อย่าไปผัดวันประกันพราาุราา่งครับอาจารย์ครับฟื้นทุกวันครับอาจารย์ต้องฟืนทุกวันต้องฝืนนะครับตั้งตั้งจับเป็นตารางไว้เลยเวลา น, นี้ต้องนั่งสมาธิก็นั่งเวลา น, นี้ต้องสวดมนุษย์ก็นั่งสวดอย่าทาตามอารมณ์อารมณ์แมันจะขี้เกียจมันจะมามากกว่าความพยายามเข้าใจไหม ถ้าไม่ทําแล้วคิดว่าจะทุกข์อะไรจะอาจารย์ครับตัวนี้อ่าก็ถูกต้องถ้าทําแล้วมันก็จะได้ไม่ทุกข์มันกินยาเวลาเวลาที่มีอะไรมากระทบแล้วมันไม่ค่อยทุกข์มากครับอาจารย์การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการกินยาเนียถึงเวลากินยาก็ต้องกินยาไม่กินยาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เจ็บเลยขอบขอบคุณอาจารย์มาครับรคุณอาจารย์แค่นี้โอเคอ่าทายต่อนี้คุณคุณพัทธาพร น, นะเชิญพัทธาพร บวชสุดเดียวการเจ้าข่าหลวงพ่อยังไงมีอะไรไม้มวันนี้มีคำถามไหม่สึบเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วเจ้าข่าที่ลูกกล่าวบอกหลวงพ่อก็ตอนนี้ลูกเคลียร์ได้อุเบกขาได้แล้วรู้สึกแบบมันโปร่งโล่งสบายมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะทุกอย่างว่างเปล่าเจ้าค่ะดีเจ้าค่ะได้ยังไง ทำนี้ไม่ได้ตลอดหรอือเป่าต้องรักษามันทําให้มัน ไ, ได้ไปได้เรื่อยๆกับทุกเรื่องทุกราวเจ้าค่ะหลวงพ่ออย่าไปแบกมันอย่าไปอยากปล่อยมันไปมันจะเกิดก็เกิดมันจะดับก็ดับฆ้ามันไม่ได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อกลับสาสตร์ทุกเจ้าค่ะรักษาใจเราเพียงอย่างเดียวพอเจ้าค่ะรักษาคนหนึ่งรักษาไม่ได้เขาต้องเป็นไปตามบุญตามกรรมตา ม, ตา ม, ตา ม, ตามนิสัยสันดาหย์อย่างต่า กราบสาบถุเจ้าค่ะหลวงพ่อกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะมมีท่านที่เหรอเดียวมีอะไรไหมปิดเท้าไม่ยังใกล้จะปิดเท้าไม่ได้อาทิตย์หน้าอาทิตย์สุดท้ายครับอ่ันนี้ปีสุดท้ายหรือปีก่อนสุดท้ายปีปีก่อนสุดท้ายปีหน้าปีที่จะถึงปีนี้ปีที่จะถึงปีสุดท้ายโอเคตั้งใจเรียนนักเรียนนะมีโอกาสได้เรียนนะเรียนๆนะมีคนเยอะที่อยากจะเรียนแต่ไม่มีคนส่งเสียนะกราบเจ้าค่ะ กลับขอบพระคุพ่อเจ้าค่ะโอเคสาธุเราทักทีก่อนนะโอเคค่ะคนอะไรเนี่ยอาริษาเอาอันนี้ตอบไปแล้วคนสลนทอสเลนทอจันน้วัตสการพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่กลัถามเลยค่ะพระอาจารย์ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมติว่าเวลาที่เอาเวลานอนนะคะแต่จิตมันไม่ยังไม่ยังไม่ยอม ยังไม่ยอมนอนนะคะเหมือนยังตื่นอยู่ะคะ่ะในในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยโยมสามารถพิจารณาอาสุภะหรือว่าอาการส2มิบสองได้ไหมคะหรือว่าให้รู้สักแต่ว่ารู้อะคะ่ะเออได้ทั้งสองอย่างกลเมื่อกลัว ส, สักแต่ว่ารู้เมื่อก็จะไปรู้กับอะไรค่ะเดี๋ยวไปรู้กับความคิดล้วมันคิดยาวมันก็จะนอนไม่หลับ จ่ก็ภาวนาต่อไปจะดูลม ก, ก็ได้จะพุตโธรก็ได้จะดูอาการสามสิบสองก็ได้ดูจนกว่ามันจะหลับไปแล้วก็<า>ปล่อยให้มันหลับไปพร้อมกันกับตรงนั้นไปเลยใช่แต่บางอย่างมันอาจจะไม่ทําให้หลับก็ได้ถ้าดูอาการสาสิบสองนี่มันอาจจะทําให้เื่นก็ได้ตแต่เมื่อวานโยมก็ดูโยมก็คือเหมือนกับว่าพอนั่งสมาธิตอนช่วงเย็นเสร็จแล้วก็คือก่อนจะเข้านอนพอพนอนแล้วแต่มันมันไม่ยอมนอนนะคะจิตมันยังตื่นอยู่ โยมก็เลยพิจารณาไปกับไปกับธาตุาสี่แล้วก็อสุภะแล้วก็อาการสามสิบสองไปจนกระทั่งจนกระทั่งหลับอะค่ะได้ถ้าใช่ได้ก็ใช่ใช้ไปแต่โยมก็สามารถดูอันดูที่ลมหายใจด้วยจนหลับไปด้วยก็ได้เ ช, ช่นกันใช่ไหมคะ ก็ลองดูสิอันนี้ยุ่มก็ทำสอง้านเลยครับอัอนไหนก่อนก็จับอันนั้เ น, นเหมือนกับมีทั้งสองทาก็เปลี่ยนคับเป็นคันนี้บ้างก็ได้ขับคันนี้แล้วคันนี้ยังไม่ได้ขับก็ลองขับดูเป็นยังไงค่ะค่ะได้ได้ค่ะ ไ, ได้จะดูทำทั้งสองทางเลยค่ะจะค่ะค่ะไม่นีอะไรแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ได้ฉีด้ืสองเข็มแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ลูกก็ได้ฉีดหมดแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ที่สามารถไปไหนมาไหนได้สบายแล้วใช่ค่ะพระอาจารย์รอที่มงึงไทยอยู่แล้วก็มีกำหนดให้ฉีดเข็มที่สามไมยังไม่ยังไม่มียังค่ะเพราะว่าที่นี่เหมือนกับว่าอตัววัคซี น, ม, นมันเยอะกว่าจํานวนคนที่เขาจะฉีดนะคะแล้วเดี๋ยวนี้แต่ละรัฐเขาก็เหมือนกับมีนโยบาย แจกเงินเหมือนลอตเตอรี่ค่ะว่าถ้าสมมติว่า ค, คนทียังไม่ฉีดให้เขาได้ฉีดนที่คนที่มาฉีดแล้วหรือไม่ฉีดก็ตามคือคนที่มีลงทะเบียนเขาก็จะมีเบอร์ของเขามีชื่อของเขาอยู่แล้วก็ใครจะได้จับฉลากได้เงินได้อะไรก็ว่าไปเพราะว่าเขาต้องการให้คนที่ยังมีความเชื่อในเรื่องการไม่ฉีดให้ให้พยายามออกมาฉีดให้ได้มากที่สุดอะค่ะได้โอเคค่ะค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรแล้วค่ะอาจมีโครงการอยากกลับมาเมืองไทยมาเยื่ยมเมืองไทยเนอะ มีค่ะลองไทยอย่างเดียวเลยค่ะอาจารย์ทางมวยไทยยางฉีดไม่ยังไม่ทั่วสิหนูยอมกลัวว่าเดี๋ยวถึงเวลาโยมจะได้กลับนี่เขาต้องบังคับเข็มสามแล้วหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรแค่นี้มันช่วงนั้นมันก็จะมีมียาเยอยๆให้ฉีดค่ะอาจจะมียาทานเราก็ได้ค่ะค่ะกลับพบอาจารย์หน้าคุณนันคนนันธนาใช่ไหมคุณนันธนาได้ได้ถามมั้ยย ยังครับเดวกกำลังกดให้เปิดครับเปิดอัานมิได้เลยครับคุณอนัญ น, นาถามว่ามาอนัญนาอยู่ที่สงขารึเปล่าขาอ่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลาบุรีคะ่ะาดบุรีมีคำถามไหมแม่แม่จะคุยด้วยคะ่ะอ่าถามนาะอย่าอย่าเล่าเรื่องไไรให้ฟังเลมไม่มีเวลาข่าวกลาบคร บ, บพระอาจารย์ ครั้งแรกค่ะ uh, uh, uh, คือก่อนหน้านี้แล้วก็คือปฏิบัติเรื่อยๆอะคะ่ะพระอาจารย์เพราะว่าฟังจาก YouTube ของพระอาจารย์นะคะแล้วก็คือพอดีคือที่บ้านนะเสียเสียไปหลายคนนะคะก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่ามันมันเหมือนมันเหมือ น, น, น, นกับ อ๋อเหมือนกับเล่าเลยพระอาจารย์คะเพราะว่าหนูคล้ายๆแต่ว่าเออคือก็เหมือนจะเบื่อจะจะเบื่อไปเลยอยากจะปฏิบัติอย่างเดียวค่ะพระอาจารย์แต่ว่าพอพอเราจะเริ่มเนี่ยมันเหมือนกับมีมี ม, ม, มีมีเรื่องเข้ามาทําให้เราปฏิบัติไม่ได้เงี้ยค่ะก็ต้องฟังฝังไปแล้วมีเรื่องก็ปัดมันไปถ้ามันปัดได้ก็ปัดมันไป อรู้สึกมันเยอะมากอะค่ะพระอาจารย์บางทีมันเหมือนกับแบบจะทนไม่ไหวเลยอย่าเงี้ยค่ะทนไม่ไหวกับเรื่องอะไรทนไม่ทนไม่ไหวกับอะไรกับคนใกล้ชิดอะไรอเงี้ยค่ะคนในครอบครัวบางทีมันเหมือนเข้ามามาเยอะมากเกินอะไรเงี้ยทั้งที่เราพยายามแบบคือกอ็ปฏิบัติคืออยู่ในศีลคือพยายามทําตามพระอาจารย์แต่ก็คงไม่ได้เยอะเพราะว่าหนู ต้องทํางานด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็ภาระค่อนข้างเยอะตอนนี้พอมันเหมือนมาญาติเสียแล้วก็เศรษฐกิจเหมือนกับคนอื่นเลยเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันก็เลยเหมือนกับแบบมันเหมือนรับไม่ไหวเลยไม่รู้ว่าจะหยุดดีหรือว่ามันมันต้องปฏิบัติต่อเงี้ยค่ะพระาอาจารย์อ๋อปฏิบัติได้ต้องปฏิบัติไปเรื่ อ, อยๆอย่าหยุดการปฏิบัติอย่าหยุดหยุดได้แต่าาาาการปฏิบัติไม่ควรหยุด แล้วบางทีออยากอยากทําเหมือนเหมือนเพื่อนๆนะคะเหมือนย่าที่ทำแบบก่อนนอนได้สวดมนต์ไหวพักแต่สถานที่มันไม่อำนวยเด็กๆบ้างข้างๆบ้านบ้างมันอยู่ติดถนอนอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยเหมือนกับว่าได้แค่กับพระแล้วก็นอนสวดมนต์สั้นๆจนหลับไปเองเงี้ยได้ไหมคะพระอาจารย์ก็ทําทได้ทานั้นก็ทานั้นแหละถ้าทาถ้าทํามากกว่านั้นได้ก็ดี พอทำท่าจะสวดมนต์ก็หาวะ่ะค่ะหาวหาวมากๆเลยอ่าก็แสดงว่าเรายังมีกรรมอยู่แล้วกันแต่ก็คือยังทําไปได้เรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะไช่ทําไปดีกว่าไม่ทําเนี่ยก็คือพยายามฟังจากเพื่อนอๆเนี่ยค่ะแล้วก็คือทําตามเขาทำให้มันมันมากขึ้นไปทีละน้อยก็ได้ตอนนี้ทําได้เท่านี้ก็ทําไปก่อนแล้วค่อยๆ่อยๆยับเพิ่มไปทีละเล็กเล็กน้อยไปค่ะ เท่นี้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวตามเพื่อนๆต่อค่ะโอเคสาธเพระาจารย์ค่ะขนอนดมาใช่ไหมแก้วบัวเนมมาเป็นยังไงจากอุดรธานีรตป่าบ้านตาดกล่าวนามสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีอะไรไหมคาถามไหมมีค่ะรวบฟังรามเจ้าค่ะสาธุฟังถามเฉยๆน้องต้อจ๋าคุณน้อาอ้อออยู่ที่ไหน เฮ้ยยักษกนมันสการคือลเอาอเอาลวงตาเลยวะจะถาม่ะถามค่ะเรื Holland, camp, ่องอะไรเรื่อเวลาถมเรือเรื่องาร่อาถามเรื่องของโรงเรียนไงโรงเรียนพรุนี้ค่ะเรายนจะเปิดแล้วแล้วมันมีโควิดจะไปยัง จะไปเรียนดีไหมจะไปเรียนดีไคะหลัพ ต, <ร>ติดหรือเปล่าล่ะเกถ้าโรงเรียนเขาให้ไปก็ไปเด็กติดยากก็ไม่เป็นไรนะเด็กมีความคุ้มกันมากกว่าผู้ใหญ่ต้องไป็นอชั้นถ้าโรงเรียนเขาเปิดก็ไปได้เขาให้ใส่หน้ากากก็ใส่หน้ากากทาตามที่เขาสั่งแล้วกันอ๋ออ้ยข้าวตีบานิอยู่ไหมคะมานีสเกอเกืา เตาอีมานิอยู่ไหมคะอยู่ใครนะอีมาน่เตาแล้วอ๋อต้องไปทานลงพี่บองหนึงที่แล้วไม่ยังคาเต อ, อยู่ไหมคะรู้สึกจะอยู่นดดยนะยังยังอยู่ที่เดิมกล่าวว่าจะย้ายไปที่อื่นนะต่อไปย้ายบ้านใหม่รับแก้วอะนกนกแก้วคะ่ะนกแก้วก็อยู่นกเยอะแยะเลยเมื่อไรจะมาดูอีกอะเออเอ <c oughs> เดือนหน้าคะ่ะ เดือนหน้าค่ะี่จะมาจะรัให้ค่ะอืโอเคนมาสคร่งชัมารี้ก่อนนะวันที่จะค่ะเด็กสนุกนะเด็กนี้สนุกคุณคุณสอนดวงพันเด็กยกมือครับอาจารย์สอนดวงจะคุณสอนดวงราการ้าจะมาว่ามามีอะไรแล้วอ่าจะ จะปล่อยเอ่อจะทำยังไงเย่ไม่ให้ยุดกับคาที่คนอื่นมาทำกับเราไม่ดีหรือว่าเราไปทำกับเขาไม่ดีอ๋อท่านสอนว่าให้เราพิจารณาว่าทุกอย่างมันเป็นอนัตตานะมันไม่มีตัวตนมันเป็นเป็นธรรมชาติเหมือนินเหมือนดินฝ้าอากาศเราไปไปควบคุมบงังคับไปห้ามมันไม่ได้ แเราห้ามไม่ให้ฝนตกได้ไหมเราสั่งให้ลงพัดได้ไหมเราก็ไปห้ามคนมคนู้คนนีาา้ด้วยสั่งให้คนนั้นคนนี้ทําอย่างนั้นทำนี้ไม่ได้ถ้าเขาไม่ทำํำเราก็เราก็เราก็ต้องทําใจนั่นเองทันใจให้เป็นอยูแบบขาชิดเฉยเลยคิดอย่างนี้ก็ได้นะอาจจะทําให้ทำใจได้หรือถ้าเขาไม่ชอบเราวพราะคิดว่าดีเราเขายังไม่ด่าเราแล้วก็ด่าเราคิดดีว่าก็ดีเราเขายังไม่ตีเรา ถ้าเราตีเราคิดดีเราไฟยังไม่ค่าเราถ้าเราฆ่าเราอะไรดีแล้วเกิดมาจะได้หมดเมนหมดกรรมทันทีค่ะค่ะใจใจอ่ะเหมือนรู้สึกเฉยแต่ว่า<ต>ใจอย่าไปเราอยา่ า, ยาไปอยากเปลี่ยนเขาตามอยากไปเปลี่ยนเขาทาให้ใจเราวุ่นวายวุ่นเขาทำอะไรไปตามนิ้วของเขาหลดได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ทําใจเฉยเฉยไป ใช้สูตรสามยอยอมหยุดเย็นยอมไม่เขาทำอะไรไปตามเนี่ของเขาเรหยุดต่อต้านแล้วใจเราจะเย็นพาใจไหมค่ะพอใจนะมีอะไรอีกไหมอ่าแล้วอ่าจะทำสิ่งที่ไม่มีน ะ, ะทำอะไรนะ แล้วจะทำสิ่งที่มีไม่ให้เสื่อมได้ยังไงครับก็ต้องทําอยู่เรื่อยๆเคยนั่งสมาธิอยู่ก็ต้องนั่งต่อไปถ้าหยุดเมื่อไหร่มันก็เสือ่อมเหมือนกินข้าวอไรกินเท่าไหร่ก็ต้องกินไปเรื่อยๆถ้าไม่กินเดี๋ยวน้ําหนักมันก็ลดนะใช่ไหมอ่าดังนี่เคยทำอะไรไหวก็ต้องทําต่อไปถ้าอยากจะรักษาหให้มันไม่เสือ่อมนะ โอเคนะเข้าใจนะรู้สึกหมดแล้วมั้งทุกคนที่เข้ามาในห้องในทุกคนถามมันหมดลนะสองชั่วโมงครึ่งวันนี้ อ, อย่างไรครึ่งชั่วโมงตอนนี้เราไปคำถามที่ในเฟ e บุ o กใช่ไหมวันนี้มีไหมมีเจ้าค่าพะพอาจารย์ค่ะวันนี้มีสิบคำถามนะค ะ, ะใช่เลยคำถามแรกจากทาง y o u t u ู e ค่ะจากคุณเปรมจีตค่ะ กราบนมัสการและกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะด้วยหน้าที่การงานด้วยการหน้าที่การงานทําให้บางครั้งต้องทําบาปฆ่าปลาเพื่อการศึกษาจะมีวิธีบรรเทา เ, บ า, เ บ, าบาบางบาปได้อย่างไรบ้างคะก็ทําทบุญนะทำบุญเยอะๆทาบุญถ้มันมากกว่าบาปแต่ไม่ได้ไปลบล้างบาปที่ทําไว้เพียงแต่ว่าถ้าบุญนั้นมากกว่าบาปบุญมันจะสมมันจะทํำส่งผลให้กับกับจิตค่อน มันเป้นมั น, ปนไปไปเหมือนกับไปบลอกบาปไว้ไม่ให้แสดงผลแต่ยังยังมันยังมียังอยู่ในในใจจนกว่าช่วงไหนที่บุญมันน้อยกว่ า, าช่วงนั้นบาปมันจะเริ่มแสดงผลออกมาคํำถามต่อไปจะคุณวัชระกมน์ค่ะอยากทราบเรื่องการปฏิบัติแบบไหนต้องถือศีลกินเจวันพระสวดมนต์ไหว้พระทําอย่างไรให้รู้ถึงรสแห่งธรรมเจ้าค่ะคก็าะา ก, าการปฏิบัติท่านมีส่วน สามสามท่านไ ง, งคือทานศีลภาวนาทานก็คือหมัน่นทำบุญทำทานเสียสละแบ่งปันมีมากมีน้อยก็ทำไปอย่าห่วค่ะหวงเงินหวทงทองให้มีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์แล้วก็รักษาสีหน้าไปแล้วก็ก่อนนอนเช้าเย็นก็ไหว้พระสดวนนั่งสมาธิไปอันนี้ลำดับต้นถ้าอยากจะทำมากกว่านั้นก็ ทำหุญได้มากขึ้นแล้วก็รักษาศีลเพิ่มขึ้นจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดแล้วก็ไปอยู่ที่สงบไปอยู่วัดเนื้อที่ไหนที่สงบเราจะได้ปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมได้ทั้งวันอันนี้เป็นขั้นขั้นสูงขั้นมากขึ้นก็อยู่ที่กำลังของเราว่าเราอยู่เราทำได้มากน้อยเท่าไหร่ล้วก็ทำไปตามกำลังของเราคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามค่ะ ขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะวันหนึ่งพี่ชายมาที่บ้านบังคับให้แม่เซน็นลายมือลงในกระดาษเปล่ามาทีหลังคุณแม่เสียชีวิตหลังจากที่คุณแม่เสียได้สามวันพี่ชายเอาพินายกรรมขึ้นมาเปิดให้พี่น้องดูมาทราบภายหลังว่าเป็นพินายกรรมซึ่งตนทําปลอมขึ้นมาโดยพินายกรรมการปลอมนั้นระบุชื่อตัวเองให้เป็นผู้รับมรดกที่ดินแต่เพียงคนเดียวความจริงเจตนาของแม่ต้องการแบ่งให้น้องสามคน ในครอบครัวซึ่งครอบครัวก็รู้ดีคําถามมีสามคำถามค่ะคําถามที่หนึ่งในทางโลกหากเราเอาเอกสาปรปลอมไปแจ้งต่อศาลให้พิสูจน์พินัยกรรมแล้วหากว่าเขาต้องติดคุกต้องมีคดีอาญาต้องเป็นคดีอาญาเราต้องมีกรรมต่อการใช่ไหมคะก็เขาอาจจะไม่ชอบเราเขาอาจจะจองเวลาคาดพยาบาลเราได้ คำถามที่สองค่ะในทางธรรมถือว่าการโกงบุพการีต้องโทษถึงตกนรกแต่พี่ชายไปบวชพระให้แม่ตอนป่วยจะช่วยให้กรรมหนักเป็นกรรมเบาได้หรือไม่เจ้าคะมันไม่ได้ทำให้เบาหรอกการบวชมันก็ได้บุญอย่างหนึ่งเท่านั้นเองมันก็อยู่ที่บวชแล้วได้บุญมากไน้อยถ้าได้บุญมากกับบาปเมนก็บาปก็ยังสมผลไม่ได้ แตาทําทำบวชแล้วบวชแค่วันเดียวสองวันแล้วก็เสร็จนี้มันก็ได้บุญนิดเดียวมันอาจจะสู้กํำลังของบาป ท, ที่ทําไม่ได้คํถาถามข้อที่สามค่ะควรหยุดความคิดเรื่องคดีฟ้องร้องเพื่อจะได้ไม่จองเวรกันดีกว่าใช่ไหมคะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะหยุดได้ก็ดียกให้เขาไปได้ก็ดีใช้สูตรสามยอมยอมหยุดแล้วก็เย็น คำถามจากคุณเปรมวลีค่ะฌานสีกับอุปชานขอโทษค่ะฌานฌานสีกับอรูปฌานต่างกันอย่างไรเจ้าคะคือฌานคือความสง บ, บในของจิตในอยู่แปดระดับด้ันแ่งเป็น 2, 2สองสองส่วนส่วนแรกเราเรียกว่ารูปรูปฌานความสง บ, บในระดับรูปฌานมีอยู่สี่สีขั้นรูปฌานหนึ่งสองสามสี่ แล้วก็มีความสมบที่สมบมากกว่ารูปประชาญเรียกว่าอาระุปฌานก็มี 4, อีกสี่แบบเป็นสีระดับอารุ ป, ปรชานหนึ่งสองสามสี่ถ้ารวมกันเป็นแปดด้วยกันคือความสมบขนาดต่างๆกันไปคำถามต่อไปจากคุณสุพราชุตาค่ะ ทุกครั้งที่นั่งสมาธิภาวนาเมื่อหลับไปจะมีสัมภเวสีบางครั้งก็เข้ามาแบบมีอุบัติเหตุเช่นมีแทงท้องเลือดโชคมาขอส่วนบุญแต่ภาพติดตาจนตกใจจนกลัวไม่อยากนั่งสมาธิแล้วค่ะขอพระอาจารย์ช่วยแนะนําหน่อยค่ะก็นั่งบแบบไม่มีสตินั่ก็เป็นอย่างนี้เวลานั่งต้องมีสติควบคุมนั่งแล้วต้องพุโทโธพุโทโธไปัญญายุทพุโทโธ นั่งแล้วต้องดูลมหายใจเข้าไม่ใช่นั่งเฉยเฉยคำถามต่อไปจากคุณยังลูลูค่ะขอเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าตอนเริ่มปฏิบัติใหม่ๆนี้ชอบดูใจเวลาดูที่ใจทำไมเต็มไปด้วยความความอยากในใจร้อนไม่สบายเลยแต่เราก็พยายามเอาคำบริกรรมอ น, นิจจังเข้าไปแทนได้บ้างเผลอบ้างแล้วก็มีสติกลับมาดูใหม่อย่างนี้ถูกไหมเจ้าคะ ความงไม่ควรดูใจเวลานั่งสมาทธินะให้ดูลมเนื้อให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปใจมันจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจเราต้องการที่จะทำใจให้เน่งวิธีจะทําใจให้เน่งต้องไม่ไปดูใจให้ดูพุทให้ดูลมเนื้วให้อยู่กับพุโทโธไปแลเดี๋ยวใจก็จะเน่งได้ค่ะคาถามจากคุณบิวนะคะขอรบ ขอฝากถามว่าที่เคยพูดจาข่มเหงสามีพูดจาไม่ดีหรือกดดันเขาจะทำอย่างไรดีคะคืออยากแก้เพื่อไม่ให้เขาฝังใจหรือมีปมกับเรื่องนี้ค่ะเขาเปลี่ยนนิสัยเราแต่เนิ่นนั้นอย่าไปข่มขู่อย่าไปข่ปมเหงรังแกเขาแล้วก็คิดถึงโอ้เก้าโอ้เราถ้าคนอื่นเข้ามาก่ ม, มเหงรังแกเรารังแกเราเราจะรู้สึกยังไงก็คืให้มีความเมตตา น, นั่นเองแหมเมตตาให้กับเขา คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเจ้าที่เจ้าทางของบ้านมีจริงไหมคะก็มันเรื่องของความเชื่อมากกว่าไม่มีเจ้าที่เจ้าทางแต่เป็นความเชื่อมันก็เลยกลายเป็นความจริงขึ้นมาคํำถามต่อไปค่ะจากทาง channel V นะคะคุณจิรพัทน์ จิรวัตรค่ะนมัศการครับการนั่งสมาธิมือประสานซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายแบบไหนถึงจะถูกต้องและเหมาะสมครับตามพระพุทธรูปมันสึกอเป็นขวาทับซ้ายแต่จะซ้ายทับขวาก็ได้ถ้าเราไม่ชอบขวทับซ้ายก็ซ้ายทับขวามันไม่ไมันไม่มีความแตกต่างกันมากนะักคำถามสุดท้ายนะคะจากคุณนันชพัฒนค่ะกลับน้ำมัศการเจ้าค่ะการฝึกใจให้เข้มแข็งตัดใจจากคนที่รัก ควรฝึกอย่างไรเจ้าคะก็นทําพิจารณาความไม่ไม่เทียงแท้แน่นอนอันนี้จัาสักวันหนึ่งก็ต้องมีการพัดผาจากกันเป็นธรรมดาถ้าเรารู้เราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจตัดใจตัดความผูกนันไม่ตั้งใจก่านที่จะเกิดถุกถูกบังคับให้ต้องต้องแยกออกจากกันคําถามหมดแล้วคะ่ะช่วงนี้คะ่ะโอเคก็เกือบ้าทุ่มแล้วเลย มีใครอยากจะถามคําถามก็เราเราเปิดให้อีกรอบหนึ่งถ้าใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นแล้วก็เปิดไมโครโฟนบิวตี้ครับคุณบิวตี้ใช่คุณบิวตี้ค่ะหลวงพ่อคะถ้าเกิดสมมุติว่าหนูทําบุญแล้วหนูหวังผลให้รวยแบบเนี้คะ่ะยังได้บุญอยู่ไหมคะคือผลขอ ง, งบุญมันไม่ได้ทําให้เรารวยนะงงนบุญนี่ทําให้เราสุขใจยินใจ ถาอากจะรวยต้องไปเป็นไปถามพวกนาธนาคารพวกเจ้าสัวเขาทำตัวเข้ารวยได้อย่างไรก่อนจะรวยเขาส่วนใหญ่เขาขยันหาเงินแล้วเขาขี้เกียจใช้เงินกันอ๋นะอถ้าถ้าถ้าขี้เกียจหาเงินขยนันใช้เงินก็ไม่มีวันรวยมีแต่จะจนไปตลอดอนะงั้นถ้า<ภ>อยากจะรวยขยนันหาเงินแล้วขี้เกียจใช้เงิน ด, ดูดูพวกพวกเจ้าสัวเนี่ยเขาเป็นเขาทํางานสมัยที่ต้องก่อล่างสร้างตัวเนี่ยปีหนึ่งก็หยุดแค่ช่วงตุรกีนนะปีหนึ่งก็หยุดสามสี่วันนอกนั้นเขาทางานทุกวันไม่มีวันหยุดนะไม่มีวันเที่ยวไม่มีอะไรงิมีแต่ ว, วันหางเงินตลอดเลาอือเจ้าขาอ่าตอนนี้เลยฮะเอาจบเลยค่ะเจ้าขาขอบคุณ <laughs> <laughs> มีใครอีกไหม คุณพัฒนาสุอามุทาก่อนก็ได้มุทาก่อนได้เชิญมุทาก่อนนรรมสถานอีกรอบค่ะพระอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่เป็นคําถามของเพื่อนนะคะวันนี้ขอถามของตัวเองค่ะอเชิญถามได้หายไปแล้วเป็นกล้องแล้รสัญญาณหรือได้เดี๋ย เร่ได้คชวัฒนาก่อนนะมีปัญหาคุณมนทาโอเคครับคุณช okay, ูวัฒนาเชิญอขออนุญาตนะจ๊ะค่ะมาอาจารย์แล้วค่ะคือเหมือนกับว่าเวลามองเห็นภาพแล้วเราจะเข้าเราจะรู้สึกว่าการมันจะเกิดความรักและหรือความชังนะคะพระอาจารย์ อาจารยเคยบอกว่าให้เราเรามองเฉยๆโดยไม่มีความไม่มีรักชังกลัวหลงแต่ในขณะที่โยมได้ยินเสียงปุ๊บแล้วจะเราเราจะเกิดความความชังหรือความรักขึ้นมาทันทีใช่พุทโธเลยใช่พุทโธเลยใช่ไหมคะในบางขณะในบางขณะที่เราเห็นภาพเกิดความชังเราเรารู้ว่าเป็นความชังอันนี้คือแล้วเราก็หยุดเราก็จะมองบอกอ๋อ นีไงที่บอกว่าพระอาจารย์บอกว่าไม่ให้เกิดความรักความชังอันนี้ให้พุทโธตรงนี้เราเรียกสตใิใช่มเจ้าคะ ถ, ถ้าเราหยุดถ้าเราหยุดมันได้ก็ไม่ต้องใช้พุทโธถ้าเราหยุดไม่ได้ก็ต้องใช้พุทโธเค่ะตรงนี้เรียกสติไหมเจ้าคะพระอาจารย์เรียกว่าสติถ้าถ้าจะใช้บัญญาก็มองว่ามันไม่เทียงหรือมองว่าเป็นอนัตตาเราไปไปบังคับให้มันให้มันเป็นไปตามที่เราชอบ ไ, ไม่ได้เวลบทัง ก็คือให้เราเราไม่ไม่ไม่มองเป็นตลางกลางไม่รักไม่กลางไม่รักไม่ลงให้รูกเฉยๆมันเขาเป็นอย่างนี้แล้วค่ะขอบคุณเจ้าค่ะอคุณมนทากวมาใหม่มณาเชิค่ะวัสดการอีกรอบค่ะพระอาจารย์ว่ามามีอะไรค่ะคำถามของตัวเองนะคะว่าคือจากที่ตัวเองได้ปฏิบัติ อย่างตั้งใจอะค่ะเพราะว่าปีนี้อยากจะตั้งใจให้จริงจังก็ทั้งเดินทั้งนั่งทําภาวนาให้มากขึ้นนะคะคราวนี้มันมีสภาวะที่เกิดขึ้นนะคะพระอาจารย์คือจิตมันชวนคิดอะหรือใช้คําว่ามันอยู่ๆมันก็ชวนเราคิดขึ้นมาคําหนึ่งว่าเหมือนรามของพระเจ้าว่าสุขใดยิ่งกว่าใจสงบไม่มีไงค่ะพอเรามาดูตัวเราเองก็เลยมามอว่าเราขณะที่เราเดินอยู่เรานั่งอยู่เราอยู่กับความสงบ สภาวะของความสงบนั้นมันเทียบหนูหนูกลังคิดว่ามันไม่น่าเทียบกับคำว่าถึงคาว่านิพพานได้แต่มันคือคาว่าสุขใดยิ่งกว่าใจสงบไม่มีมันเหมือนจิตเขาชวนเราคุยค่ะชวนเราคิดชวนให้เราตรึกว่าที่เรากำลังทาอยู่เนี่ยที่เรากำลังเดินกาลังนั่งคือตอนนี้ต้องบอกว่าหนูเพียรเพิ่มเวลามากขึ้นแล้วก็สามารถข้ามผ่านความม่วง ความฟุ้งซ่านไปได้โดยเฉพาะกัางคืนอ่ะเพราะทุกตัวเองคิดว่าถ้าเราผ่านไม่ได้ยังไงมันก็จะนอนจะนอนอันนี้เราสู้กับมันจนเราสามารถผ่านได้จิตมันก็จะเบิกบานแล้วมันก็จะเดินจะนั่งจะเดินจะตั้งอยู่แค่เนี้ยค่ะพอแต่มันไม่ได้เกิดในสภาวะที่เราเดินนั่งนะคะไอ้ไอ้จิตที่ชวนเราคิดครั้งเนี้ยอยู่ที่เราทํางานเนี้ยค่ะแล้วมันก็ผุดขึ้นมาทวนว่าสุขใดยิ่งกว่าใจสงบไม่มีหนูก็เลยมีคำถามว่าเหมือนเรา่วยกับจิตอยู่ว่า แล้วความวิญญาณมันสุขกว่าความสงบหรอมันไม่น่าจะเทียบกันได้แต่ว่าคําถามคือมันอุปมาได้ยังไงอะคะพระอาจารย์ว่าความสงบเนี่ยค่ะมันชวยเราคิดขึ้นมาดิค่ะมันมีสองระดับไงสงบแบบชั่วคราวสงบแบบถาวรสงบด้วยสติเช่นสมาธินี่สงบชั่วคราวพอจากสมาธิมาเดี๋ยวมันก็หายไปได้แต่ถ้าสงบแบบนิพญาณนี่มันสงบแบบถาวร เพราะเป็นการสงบด้วยการทำลายกิเลสให้หมดไปจากใจเพราะใจนี่เป็นตัวที่มาคอยทําลายความสงบนั่นเองไอ้กิเลสเป็นตัวที่มาคอยทาลายความสงบของใจพอพอใช้ปัญญาทําลายกิเลสหมดไปจากใจมันก็จะสงบไปอย่างท้าวอนแล้ถ้าหนูอุปมาขึ้นมาได้ว่าอุปมาว่าถ้าเราอยู่ในชีวิตกรรม น, นี้เราเราว่าไอ้ตัวที่มันมามากวนใจเราให้เราไหลไปอ ออกจากความสงบก็กิเลสเองความอยากเ่งค่ะแล้วพอเราจะจัดการกิเลสตัวนี้ก็คือเรารู้ทันว่ามันเป็นกิเลสแต่ว่าบางบา ง, บางกิเลสบางตัวนี้จากจากประสบการณ์นะบางทีมันเหมือนเราเห็นน่ะแต่เราไม่มีกําลังอะคะ่ะพระอาจารย์แก่แก่แล้ ร, รู้รู้แล้วแหละว่าเนี่ยคือกิเลสแต่เราไม่ได้ลงไปเล่นกับเขาอ่ะคะ่ะมันเหมือนตอนนี้มันปฏิบัติกลายเป็นเหมือนเห็นว่ามันมีตัวตัวสองตัวที่มันคอยอยู่กับเราอะค่ะ ทั้งๆ ท, ที่เราเราไม่ได้บอกว่าเราคิดขึ้นมาเองมันจะชวนเราคิดขึ้นมาแล้วมันเหมือนแล้วชวนให้เราไปหาคําตอบแต่บางทีหนูต้องยอมแล้วค่ะพระอาจารย์ว่าไม่รู้จะถูกทางแต่ขอให้พระอาจารย์เมตตาให้คาแนะนําต่อเพื่อในการปฏิบัติต่อนะคะว่ า, าบางทีเราก็หลบต้องยอมแล้วบางทีหนูก็หลบเข้ามาอยู่ความสงบแต่ก็รู้ว่าถ้ามันหลบแล้วมันแช่แล้วมันรู้สึกว่ามันสบายมันก็ไม่ใช่มันก็ไ ม, ไม่ไม่มีปัญญา พอเราเราไม่มีกําลังก็ออกไปสู้ไม่ได้ก็หลบเข้าหลบออกอย่างเงี้ยก็กาลังคิดว่าเราเราเราจะไม่ก้าวหน้าไหมค่ะอาจารย์ขอคําแนะนำํำเลยเราต้องาคิดทางปัญญาเนี่ยเวลาเราอยากอะไรเนี่ยเราต้องมองสิ่งที่เราอยากว่าเป็นไตรลักษณ์เช่นอยากได้แฟนะสมมุติอยากได้แฟนคนที่ไม่มีปัญญาจะว่าโอ้มีมีแฟนเขาจะมีความสุขใช่ไหมแต่คนที่มีปัญญาเขาคิดว่าแฟนเขาไม่เที่ยงนะ สามวันดีสี่วันไข่นะวันนี้ก็ดีก็มีความสุขนะวันนี้เขาไม่ดีขึ้นมาเนี่มันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึะแล้วคุณพร้อมที่จะรับความทุกข์จักแฟนหรือเปล่านี่คิดทางปัญญาพี่ได้เห็นว่ามันเป็นใจรักแฟนไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ให้ความสุขกับเราไปตลอดวันดีคืินนีวันใดวันหนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะตายไปอาจจะเป็นอมภพอมภพขึ้นมาแล้วแล้วจะทํำยังไง ให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เราอยากได้ที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเนี่ยมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปทํานายได้ว่ามันจะสุขไปตลอดหรือไม่อารย์ค่ะอาจารย์คะแล้วแสดงว่าความคิดเนี่ยเราสามารถที่จะคิดให้มันเกิดได้แต่มันไม่มันไม่เกี่ยวกับสัญญาใช่ไหมคะ คือหนูอาจจะมีครามมันมันมันน้องสองอย่างไปด้วยกันสังขานสัญญามาทํางานรูวกันไปไม่ทําไปกังวลคิดเพื่อให้มันหยุดความอยากได้ถึงก็เรียกว่าเป็นปัญญาแล้วไอ้ตัวที่มันชวนเราคิดขึ้นมาแบบอยู่ๆมันก็ชวนเราคิดขึ้นมาอ่ะเราก็ต้องคิดให้มันโขามาทางปัญญาแล้วเหมือนสอนเขาอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ถ้ามันคิดไปทางกิเลสต้อต้องดึงมาให้คิดไปทางปัญญาให้ได้ อันยังหนึ่งไม่ได้ก็ใช้สติอยู่มันก่อนพุนโทโธพุโทโธอยูไปก่อนถ้ามันบอกว่าถ้ามันถ้มันบอกว่ามีแฟนดีอย่าเงี้ยมันเถียงเราเงี้ยมันมีแฟนแล้วดีมีความสุขเนี่ยดีกว่าอยู่คนเดียวแล้วเหงาไงเราจะเถียงกับมันยังไงแล้วก็บอกว่าเราแฟนโกรธเราเตะเราขึ้นมาทําเราเป็นเราจะดีไม่ดีอ่ะถ้วเกิดแฟนเราเป็นเอาพึกอมาา่ายเขาเราต้องเลี้ยงดูเขาเราเราเร า, เราเลี้ยงดูเขาได้หรือเปล่า เราต้องจากวิธีเถียงกับมันเลยที่แลมันจะเสนอแต่เรื่องดีโอ้สูงอย่างงั้นสูงอย่างนี้นะแล้วก็เราเอาปัญญาแล้วมันทุกแบบนี้นะทุกแบบนั้นนะเธออาจะเอาหรือเปล่านะนั่นแหะเต้องคุยกันต้องเถียงกันถียงด้วยอย่างเดียวกัน ค, ค่ะแต่มันมันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะมันมันจะมามันมาจะมาเถียงกับเราอย่างนันจะมาเหมือนแบบช่วงที่ใช้ปัญญามันต้องเถียงกัน่ะคือ คือกําลังทีเราก็แบบจนจนกว่าใคาจะชนะนะมันถึงจะหยุดเถียงได้กํังบางที่หนูรู้สึกว่าโอ๊ยไม่อยากเถียงแล้วอ่ะเราอยากอยู่กับความสงบอ่ะบางทีมันก็เป็นอย่างเงี้ยพ่อจะ๋าก็เราเถียงไม่เป็นเราเถียงไม่เป็นเราไม่มีปรรัญญาถ้าเราถ้าเราเอ า, าปัญญามาใช่ป้ะเราต้องชนะมันทำย่อมชนะอาธรรมแต่เราไม่มีปรรัญญาลราพิจารณาอธิจรไม่เป็นลราพิจารณาทุกขังไม่เป็นพิจารณาหน้าตาไม่เป็น มันต้องไปหัดชว่วงนี้ยังไม่มีเรื่องเวลาก็หัดไปชิจ น, ะลนาล่งงานเตรียมตัวรับทําทําการบ้านไว้ก่อนอออได้ได้ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยสมมติว่าถ้ามันมาชวนเราไปมีแฟนเราจะทํำยังไงะสมมติว่ามันชวนให้เราไปทํางานไปหาเงินนี่เราจะทํำยังไงอืมอันนี้หนูเพิ่งทราบว่าว่ามันสามารถที่จะคิดไว้เพื่อแบบเหมือนตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยเราเราจะคิดไปเกินไปหมานะมแค่ตัวที่มันมาคุยกับเรานี่เราก็ แต่เราก็จัดการมันไม่ค่อยได้อยู่แล้วต้องต้องสู้กับมันมากเบอกว่าแต่ใช้วิธีไม่ได้ได้แต่เราคิดทางตายลักอย่างเดียวแม่นคิดทําอ่ะแล้วพอถึงเวลามาช่วนล้วเราก็จะได้คิดทำตายลักสู้มันได้โอ้ค่ะมือนมันเก็ดเหมือนกันเลยนะคะว่ามันติดล็อกนี่เราก็จะสู้กับมันยังไงดีมันมาอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าเราไม่มี้ัญสู้กับมันเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนไม่เช่าไม่ก่อน ขอบคุณมากค่ะอาจารย์รู้สึกได้แนวอะไรขึ้นเลยค่ะแตดีนะช่วงที่เราจากสมาธิมายังไม่มีปัญหามันจนไม่มีตัวชนชิดเราก็คิดไปลุ้งง่ายก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนร่างกายเราร่างกายเรามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยเราคิดได้ก่อนมาถึงเวลาถ้ามันอทุกอย่างขอบคุณค่ะอาจารย์มีใครอยากจะถามอีกไหม อ๋คุณวันลิขิตเหรอครับวันลิขิตใช่เออครับข้าใจครับนานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดียภาน้ฟังน้องวันลิขิตหลักธรรมมงคลสามทแปดคือหลักธรรมเพื่อสร้างความสุขในชีวิตใช่ไหมครับคือเป็นหลักสูนยตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงพวานิพพานไงอ๋อเริ่มต้นให้รู้จักคบคนก่อนคบคนฉลาดคบคนที่มีปัญญาสอนเราแล้วก็ให้อ่านไปเจอทั้งสิบแปดขั้นตอน ของการที่จะพาชีวิตเราไปสู่พระนิพพานเลียงลําดับไหมครับอาจารย์ก็เรียงลําดับค่อนข้างจะเป็นเลียงลําดับเพราะว่าที่พระพท่านแสดงอะไรท่านมีเหตุมีผลม่านอ๋อครับคือถ้าเราอยากมีความสุขของชีวิตคื อ, อมงคลตีแปําเดินเช้จะแปดข้อเนี้ยเราตั้งแต่ข้อนหนึ่งไปก่อนเช็คดูว่าเราเราครบคนทานแลือครบคนฉลาดครบคนง้อหรือครบคนฉลาดครับพบพ บ, บ, บเห็นสมณะกนะ็ใช่ไหมครับ พพูดประทาบประสงค์มันเป็นคนฉลาดที่สุดสาธุครับวันก่อนผมไปวัดอโศการามมาครับไปดูเจดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มีลูกปั้นของหลวงปู่หลวงพ่อเต็ ม, มเลยแบบเข้าไปนี่แบบโอ้หประเทศไทยนี่มีบุญนะมีพระอาหารหันต์เยอะขนาดนี้ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเอาละ เ, เ, เ, เ, เอาแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าอาต่คาถามมันใกล้จะหมดเวลาแล้วเลอครนาะทีใคร อ, อ, อยากจะถามเียเชิญ อันนี้ต้องกำจัดเวลาเนอะเพราะมันเดียวมันจะเลยเถึงไปคุณมาลีครับคุณมาลีอมาดีเช่นที่ที่พักที่พักสวดกุศลาอะกุศลาในงานศพอะค่ะคนคนตายกับคนที่ไปฟังอ่ะใครได้บุญคะหลวงพ่อคนตายไม่ได้บุญหรอคนคนคนเป็นก็ไม่ได้บุญเพาไม่ฟังมันเวลาพักสวยก็ไปคุยกันนะไม่ได้บุญทั้งคู่ จ ร, จริงจริงแล้วคนที่ไปฟังถ้าตั้งใจฟังก็คือได้บุญใช่ไหมคะหลวงพอก็ได้สติไงเวลาคุณตั้งใจฟังก็ได้สติท่านได้สติคนตายไม่ได้เหรอคะหลวงพอไม่ได้คนตายมันไม่นุ้นเรี่อคนตายไปไหนแล้วที่อยู่นี่เป็นซากของเป็นร่างกายไม่ใช่คนตายคนตายคือจิตจิตไม่อยู่กับร่างกายแล้วเพราะว่าหนูได้ยินมัคคุชา ย, ยกคนที่เขามานำสวดเขาบอกว่าเหมือนอุทิศให้คนตายคนตายหนูก็เลยสงสัยว่าจริงๆแล้วใครได้บุญ ในนงงาีเ้ยค่ก็บุญอุทิศที่ก็ได้นิดหนึ่งไงงานอุทิศบุญไม่ได้ไม่ได้เกิดจากการส่วนเกี่ยวจากการทาบุญทําทานแล้วก็อุทิศบุญที่ได้จากการทาบุญทําทานให้ผู้ร้องรับไปแล้วก็ได้นิดเดียวเหมือนกับนนะ้ําที่ท้างอยู่ในแก้วเวลาที่เราเทาน้ําออกหมดแล้วเหลื้อเนื้อทั้ ง, งอยู่ในแก้วนั่เรียกว่าบุญอุทิศเป็นแบบนั้นคถ้าจะได้บุญจริงๆก็คือเกิดจากการให้ทานเท่านั้นใช่ไหมคะหลวงพ่อ ก็สวยก็ได้แต่คนก็ต้องคนสวดต้องเป็นคนสวดเองถึงจะได้อย่างนั้นเราสวดพูดโทพูดโทรเนี่ยเราก็ได้บุญได้มากได้น้อยก็อยู่ที่เราจิตสงบมากสงบน้อยเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องไปรอตอนตายต้องทำเอาเองใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่หลวงต า, า, วาบอกว่าเวลาตายเวลาหลวงตาตายอย่ามาสวดอุศลาให้หลวงตาหลวงตาต้องกุศลนะ ต, ตอนที่ยังไม่ตายสาธุข่าหลวงพ่อ กรจายนะหมดแล้ยังคุณคุณ <ขอ S 2> นนครับ <ใน S 2> อ๋อนะไมหมดแล้วน่าจะได้สลกทาทาเฟ้นพวกยังมีเหลือไหมคุณคุณชุกมีครับนมีห้าคำถาม ค, าาคะ่ะพระอาจารย์ค่ะห้าคำถามแล้วก็จบแล้วนะค่ะคำถามจากคุณอนุสรค่ะการทำทานรักษาศีลให้บริสุทธิ์แท้จริงเป็นเช่นไรขอรับอ่าก็ทำทานก็ มีเท่าไหร่ก็ทําไปเลยส่วนที่เราไม่ต้องเก็บไว้อย่าไปอย่าไปหวงอย่าไปห่วงกับมันมากเกินไปเอาไปทําบุญดีกว่าพอ่อบุญนี้เป็นเหมือนอ่ะเป็นเหมือนเงินทิพย์ที่เราไปใช้ในโลกทิพต่อไปเวลาเราตายไปเหมือนเวลาเราไปต่างประเทศเรา เ, าเงินไทยไปได้บะ่ะเราไม่เอาเงินไทยไปใช่ไหมแล้วก็เอาเงินไทยเปลี่ยนเป็นดอลลาร์แล้วเปลี่ยนเป็นอะไรไปอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราตายไปเราก็เอาบุญไปอาเงินไปไม่ได้ บุญที่เัาจะทําให้เราไปซื้อของให้เราไปซื้อบ้านในสวรรค์ได้อยู่ในสวรรค์ได้ถ้าไม่มีเงินไปเข้าแม่เข้าสวรรค์นะไม่มีบุญเข้าแม่เข้าสวรรค์คุณไม่มีจ่ายค่าก้อนโรงแรมค่าอะไรต่างๆคำถามต่อไปจากคุณกิตนาค่ะถ้ากระผมทําสมาธิจะแก้โรคได้หรือไม่ครับแก้โรคใจได้โรคเครียดได้แต่โรคทางร่างกายแก้ไม่ได้ นอกจากว่าถ้ามันเป็นผลผลที่กระทึจากจากโรคของใจเนบางคนเป็นโรคเครียดแล้วก็ไปทำให้ร่างกายความดันขึ้นอย่างนี้ถ้าไปนั่งสมาธิพอจิสตสงบจิสตสงบปั๊บความเครียดหายไปความดันมันก็ลดลงมาได้คำถามต่อไปจากคุณโรมี่ค่ะผู้รู้กับผู้ดูคือผู้เดียวกันหรือไม่เจ้าคะผู้เนี้วตูวเดียวกันนั่นแหละ คำถามต่อไปจะคุณสายฟ้าค่ะกลับเรียังถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหากเกิดความเสื่อมทางกายและจิตใจแม้พยายามให้จิตเกาะกุศลด้วยทานศีลและปฏิบัติภาวนาแต่มักมีเรื่องทําให้ร่างกายเจ็บป่วยหรือมีคนใกล้ตัวและเรื่องมารบกวนจนทําให้จิตใจเศร้าหมองจิตตก ต้องล้มล้มแเลิกการปฏิบัติทําอยู่เรื่อยๆแต่ก็ฮึดสู้โดยเริ่มด้วยการให้ทานศีลฟังธรรมและไปสู่การปฏิบัติภาวนาใหม่อยู่หลายครั้งเรื่อยมาจนรู้สึกเอาดีไม่ได้เลยสิ่งที่เกิดเป็นเพราะกรรมหนักหรืออนันตริยกรรมหรือไม่คะและจะสามารถแก้กรรมได้ไหมคะเพื่อจะได้สามารถกลับมาเอาดีทางการปฏิบัติธรรมได้เจ้าคะ่ะเราทําน้อยไปเราปฏิบัติน้อยไปแลปะต้องพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นโดยเฉพาะขั้นภาวนาะ ฝึกสมาธินำทำสมาธิทำใจให้สงบแลสอนใจให้ฉลาดด้วยปัญญาส่วนทามศีลนี้เป็นเป็นเป็นเป็นประโยชน์น้อยกว่าแต่ก็เป็นเป็นผู้สนับสนุนให้เราได้ไปปฏิ บ, บัติทางปัญญาได้ทำสมาธิได้คำถามสุดท้ายจากคุณพันนีค่ะพระอาจารย์เจ้าคะอยากทราบว่าผู้หญิงสามารถปฏิบัติธรรมและเข้าสู่นิพพานได้ไหมเจ้าคะ ได้ไม่เฉพาะผู้หญ cool ิงผู้ชายกระเทยเด็กใครนี่ได้ทั้งหมดเพราะเปนเรื่องของจิตใจไม่ใช่เรื่องของร่างกายผู้ที่จะไปนิพพานก็คือจิตใจจิตใจคือผู้รู้ผู้คิดนี้โดยความเป็นจริงมันไม่มีเพศมันเหมือนกันหมดจิตใจเขาผู้หญิงจิตใจเขาผู้ชายเหมือนกันมันผู้รู้ผู้คิดเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่ามีความชอบไม่เหมือนกันนั่นเองผู้หญิงเขาชอบผู้ชายผู้ชายก็ชอบผู้หญิงอันนี้ต่างกัน ต่างกันที่ความชอบแต่ตัวจิตเองนี่ไม่ต่างกันตัวจิตก็เป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกันนั้นไปนิพพานได้เหมือนกันะในใจมันมีความโลภโกรลงเหมือนกันทุกคนไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นพ้าหรือเป็นคารวาถ้าฆ่ากิเลสทั้งสามตัวได้ความโลภโกรลงได้ก็ไปนิพพานได้เอาแล้วนะหมดคําถามแล้วนะที่ว่าคืนนี้ก็พอสมควรกับเวลา ห้าทุ่มพอดีปเป๊ะเอยอันนี้บรหารจัดการเวลาไ ด, ได้ยอดเยี่ยมเลยนะทุกคนได้ถามหมดทุกคนว่าขอให้ท่านทั้งหลายจ ง, งนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอน